เดนไปที่คุณเอกก่อนนะครับคุณเอกเชิญกับนวัส ก, การพระอาจารย์ครับผมเชียงรายเป็นยังไงบ้างตอนนี้ครับตอนนี้ก็ทางผู้ว่าราชการบอกว่าไม่ให้ออกว่าทางไหนก็อยู่บ้านเือมีเวลามีเวลาทำสมาธิเยอะหน่อยครับเพอติดโควิดเีเราไมีต้องอยู่บ้านกันเพื่อวารปลอดภัยครับผมก็ระมัดระวังอยู่ครับ ในหมู่บ้านก็มี ม, มีอยู่ครับมีติดอยู่สี่ลายแต่ก็อยู่คนละฟากครับแต่ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลในในในหมู่บ้านนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับพระอาจารย์ก็วันนี้มากับเดียนรายงานพระอาจารย์ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพราะว่ามีเวลาปฏิบัติเพิ่มขึ้นก็รู้สึกว่าจะอยู่กับเวทนาได้ครบตามที่ที่ได้ตั้งไว้ในช่วงตอนเช้าครับก็อยู่อยู่ได้อยู่ครับ แล้วก็อในช่วงตอนเย็นก็มีปฏิบัติก็เพิ่มเพิ่มขึ้นมาคร <c ười> <Sham? S 2> ับอาจารย์ก็จะมีอาการเหมือนกับมันมั น, ม, นมันบูบบูบบแต่มันไม่ยอมลงครับอาจารย์มันบูบบูบตรงหน้าอกนะฮะเราอยากไปจ่อให้มันลงเราอยากไปจ่อให้มันลงอ๋ออยากไปเจาอเรวให้อยู่กับพุทโธก็อยู่กับนมไปไม่ต้องไปสนใจมันจะลงหรือไม่ลง <c ười> <c ười> ครับผม แต่ว่า <ไป S 2> มัน <ไป S 2> มันเกิดปิติก่อนอแล้วก็มันพุพ่งปุก็รอก็ก็สักว่ารู้แต่รอมันมันก็ไม่ลงมันก็ต้องพูดโทรไปอย่าอย่าสักแตวา่าเรายังไปไม่ถึงจุดที่ยังสักแล้ว่าเราอ๋อครับโอ้พูดโทรแล้ดูลงไปเร<อ>าใช้อะไรก็ใช้อย่างนั้นไปถ้าหยุดยังไม่ถึงมันยังไม่พุ่มันยังไม่ลงมันก็อย่าไปหยุดอือ แต่มันเหมือนเหมือนจะลงอยู่เหมือนจะลงจะลงปุง๊บปุ๊ลงไปเนี<ง>่ยมันจะลงก็งไม่ลงก็ไม่เป็นไรเราก็ทําของเราไปครับผมบพอเราหยุดเราไปดูมันมันก็เลยไม่ลงนะครับผมครับผมครับผมอาจารย์ครับก็ชอบมันจะเป็นจอมันให้จอที่ลงให้จ้ อ, ท, จอที่พุทธโถแล้วแต่เราจะใช้อะไรก็ใช้อันนั้นครับผมครับผมครับผม ก็ก็ไม่มีอะไรมากก็ปฏิบัติอยู่ปฏิบัติเพิ่มทุกวันอยู่ครับอาจารย์พยายามทำไปการปฏิบัติเนี่ยจะเป็นผลจะเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดผลสาปฏิปันโนอุชุยาญ า, าสาวิจิปฏิปันโนจะได้ยาดิดังจัตตาริปุริสยยุการนิอัตถะปุริสัปุกขลาได้บุคคลสี่คู่ค ครับผมสี่รุวกนี้เกิดจากการปฏิบัตินครับผมไม่ได้เกิดจากการอ่านหนังสือฟังเทศฟังธรรมเป็นอย่างเดียวอ่านหนังสือแล้วฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ต้องเอาไปปฏิบัติปฏิบัติที่สติสมาธิแล้วก็ปัญญาครับผมครับผมอย่าหยุดถ้าตาก็ยังไม่ถึงจุดหม้าไกลทางอย่างยุดอย่ช้าจะมากบ้างจะน้อยบ้างก็ทําไปแต่อย่าเลิก ครับผมผมไม่เลิกฆ่าพระอังทไปัญญกว่าทำตามสัจจะเหมือนพุทธเจ้าจะพาวนาปัญญกว่าจะตัดสู้ถยังไม่ตัดสู้จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้ไปเป็นนานขาดเราไม่ได้ขนาดนั้นหรอกถ้าเรายังไม่ตัดสู้ขอให้เราก็จะขอปฏิบัติต่อไปครับผมคือตายไปเท่านั้นถึงจะหยุดถ้าหมอนลมหา้ใจเมื่อไหร่ก็หยุดเมื่อนั้น ได้ยังมีลมหายใจอยูย่จะปฏิบัติต่อไปจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางครับผมเน้นความการปฏิบัติเป็นหลักสำคัญนะครับผมการศึกษาการฟังเพศฟังธรรมก็ดีจำเป็นอ่่อย่างเดียวไม่พอศึกษาแล้วต้องปฏิบัติครับผมโอเคนะเีย๋ยไปท่านต่อไปอเดี๋ยวกับไปที่คุณายบ คุณคุณ iPad ของประทินลองเปิดใหม่ใหม่ได้ไหมพูดดูที่ไ ipad ของประทินได้ยินไหมเปิดใหม่ก่อนเปิดใหม่เขาให้เปิดใหม่ unmute microphone ภาษาังกฤษช่วยเถีย unmute คุ ณ, <Micro phone. S 1> ค, ณคุณประทินได้ยินไหมฮะได้ได้ยินพยักหน้าหนะ่ะฮะได้ยิน อ่าตรงปุ่มตรงกลางจะขึ้นคําว่าอันมิวอยู่ทางขวาที่พิที่เห็นเป็นปุ่มสีสีน้ําเงินนะะกดปุ่มนั้นนะฮะอ่ะโอเคพูดไ้นะอ่า อ, อยู่ที่ไหนจ้าอยู่กรุงเทพค่ะกรุงเทพที่ค่ะ ท, ที่เที่ยวก่อนนี่ค่ะที่ที่จะเล่าไ อ, อ, อ้นั่นนะคะเล่าเ<อ>ีเ<อ>เ่าประสการตอนตอน ทีนี้ไม่ใช่ทีท<า>ท่เล่าค่ะไม่ไม่ตอนที่ถามค่ะค่ะตอนตอนตอนนี้ไม่ไม่เล่าแล้วทราจะถามอย่างเดียวะคะ่ะโอเคถามได้คือสมมติว่ารู้แบบรู้เรื่องเรื่องเจ็ตว่างนะคะพูดถึงเรื่องเจ็ตว่างเจ็ตว่างเจ็บเป็นอิสลาเนื้อสิ่งอื่นใด ท, ทั้งสิ้นคือยมยมรู้ยมรู้เจ็ิเจ็ตว่างคือเจ็ตตอเจ็ตว่างนี่คือแบบ เห็นจิตว่างแบบเห็นพูดพูดไม่เป็นอับพูดออกออกมาไม่ได้คือเห็นจิตว่างจิตเป็นจิสระเนื้อสิ่งอื่นในทั้งสิน้นคือเห็นว่ามันดูดมันดูดเหมือนไอ้มันดูดออกหมดเหมือนเราฆ่าขันห้าตายหมดแล้วเราเห็นจิตว่างจิตจิตเป็นจิตสารในเห็นทางสายกลางเห็นเห็นทางสายกลางเห็นจิตว่างจิต เป็นอิสระนะค่ะส่วนอีกสิ่งองื่นในทั้งสิ้นเนี่เหมือนเรานี่เหมือนน้ำกิ้งบนใบบัวนะคือไม่มีของทั้งโลกในมัดเกาะเกีเ่ยวเราเราไม่ได้เลยค่ะคือเราช่วงที่เห็นสภาวะธรรมนั่นคือแบบเหมือนจิตเรานี้แบบเหมือนตัวเราขึ้นไปกระโดดอยู่ข้างบนเลยว่าจิตบ้างจิตเป็นจิตสระนะค่ะส่วนอีกในทั้งสิ้นแบบเป็นสุขแพ้สุขขาวอสุขตลอดการไม่มีสุขทรงเดิมเดิมบนทางโลกนะคะแล้วก็เห็น ทางสายกลางคือทางสายกลางไม่ไปนรกไม่ไปสวรรค์คือเราไปทางสายกลางคือเราเราจิต ด, ดุดพ้นแล้วเห็นทางสายกลางเราไม่กลับมาเกิดอีกเราตายตายก่อนตายแล้วนะคะเห็นคําว่าตายก่อนตายเห็นจิตว่างจิตเป็นอิสระในสิง่งใดทั้งปวงแล้วก็เห็นทุกอย่างนะคะเห็นความโกรธ <อ Albert, S 1> ความโลภความลหลงความกิเลสอะไรตื่เห็นมาตายแล้วมาทําไมที่นี่นะถ้าเห็นแล้วก็ไม่มากันลรว ไม่ต้องมาเห็นแม่ปัจจัยจะมาถามว่ามันถ้าถ้ถามไม่อย่างธนาก็ไม่เห็นอะไรเลยถ้ามันเห็นจริงก็ไม่ถามใครแล้วล่ะปใจจัยไหมอ๋องั้่เขาจะเรียกว่าถ้ามันรู้จริงเห็นจริงมันไม่ถามใครแล้วล่ะที่ทานท่ทานเป็ก็ไม่ถามใครนะถ้ายังถามอยู่มันก็ยังไม่เห็นยยังไม่ถึง มันเห็นแต่จินตนาการมันเห็นแต่ความคิดมันยังไม่ได้เห็นตัวจริงดูถ้ากิเลสยังมีอยู่ป่ายังโรภโกรนหลงอยู่หรือเป่าไม่มีค่ะหมดทุกอย่างคืออย่างน้องผมร้องไม่มีคือใจมิตกกังวลหรือเปล่าไม่มีหมดเอไม่มีเลยค่ะหมดคือเห็นไอ้เห็นสมมาดูไอ้ัวมาทำไมอยู่บ้านทําไมอ่ะทํำทาหมดแล้วมาอยู่บ้านทําไม่ะ ตอนนี้คือเป็นมาเป็นเป็นโรกมะเด่งเป็นไทรอยค่ ะ, ะเป็นไทรอยโรกมะเดงตรงคอเดี๋ยวรอผ่าตัดอยู่เดี๋ยวไปผ่าตัดค่ะอืมโอเคถ้าคืก็นุง่งถ้ามันว่างก็ดีถ้าไม่ทุกข์กับอะไรก็ดีว่างแล้วมันต้องไม่ทุกข์ไม่มีทุกข์กเลยอ่าอ่าไม่มีเลยค่ ะ, ะต้องคือรู้ทุกอย่างรู้รู้รแบบว่า คือร่างกายเรานี้เป็นดินน้ําลมไฟประกอบกันเป็นตัวเราได้จิตใจเป็นเป็นคือมีรูปมีนามแล้วก็มีคันห้าอะไรนี่คือรู้หมดคือมันรู้แบบคันห้าถ้าเผื่อเรารู้แบบคิดไม่รู้แบบรู้จริงมันเป็นรู้สองแบบบางทีรู้แบบคิดมันยังไม่จริงค่ะคือรู้แบบว่าอ่ะรู้แบบว่า ฆ่าขันห้าตายหมดแล้วเราก็ได้นวงตาเห็นธรรมคือได้แก่นแท้ของธรรมะได้ได้ตาปัญญาตาที่สามแล้วมันไปมองเห็นมองเห็นขันห้าว่าขันห้ามันเกิดขึ้นยังไงแล้วเราจะเอามันออกอยังไงก็คือคือรู้รู้ตรงนั้นค<ม>่ะแล้วก็ความโกรธความโลภความหลงอะไรก็เห็นหมดตัวขโ ม, มยตัวความโกรธตัวอิจฉาตัวอะไรก็เห็นหมดมันมันเด้งมาหมดคือช่วงที่ได้สภาวธรรมนี่มัน เห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแบบพระพุทธเจ้าคือเราล้างล้างจิตใจให้ให้ข่าวลอกไปแล้วก็ข่าวลอกทุกเห็นพระพุทธเจ้าแต่ครูได้ได้จิตว่างอีกหนึ่งดวงแล้วแล้วก็ใส่ธรรมะเข้าใส่ธรรมะเข้าหมดเต็มหัวเราเลยคือใส่แบบเหมือนตัวนี้จะเย็นหัวนี้จะเย็นเหมือนน้ำแข็งเลยแล้วก็เข้าทุกเส้นเอ็ดแล้วก็ธรรมะพุ่งมาอุ้ย่างแฉของธรรมะเป็นอย่างนี้เหรอถ้าใครไม่ เห็นการแท้ของธรรมมากก็เสียดายชาติเกิดอะไนี้มันดีมันอะไรจังอะไรเงี้ยว่าเห็นหมดคือตอนนี้เกือบเสมือนว่าเราฆ่าขันหน้าตายหมดแล้วไม่มีอะไรเลยเราถอนรากถอนโคนมันเหมือนเราไม่เหมือนเราถอนหมดแล้วเราไปทดน้ำพรวนดินอะไรมันก็ไม่เกิดขึ้นก็ตอนนี้คือเราสภาวะอะไรมาเนี่ยเราเห็นก็ไม่มีอะไรเข้ามาใกล้เราเลยเหมือนเอาเราเหมือนเราเหมือนเป็นไก่สุ่มครอบไว้เนี่ยความ อะไรมาเราก็มองเห็นดยเฉยๆแต่ว่าเห็นแต่ว่ารู้ไม่มีโกรธไม่เกลียดไม่ได้ใครเลยแล้วตั้งแต่เกิดมาก็คือแบบเป็นคนดีไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตเราไม่รู้ว่าเราเป็นความดีพอได้เห็นแกนทำที่แท้จริงโอ้โหเรานี่แบบสวนทางคนอื่นหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะเป็นคนที่ไม่โกรธไม่เกลียดไม่เคยโกรธอะไรใครตั้งแต่เกิดมาไม่เคยฆ่าสัตว์อะไรเงี้ยเป็นคนดีมาตลอด พอเห็นทำมากถึงจะรู้ว่าโหโดคนี้มันน่ากลัวอะไรเนี่ยแบบเราทำงานส่วนพางกับเขาหมดทุกอย่างคือเห็นว่าตายก่อนตายไม่คือเราฆ่าขันห้าตายแล้วร่างกายเรานี่ก็ยั่ลงดินไปเลยแล้วตอนนี้เรารู้ว่าเราจะไปอยู่ไหนเหมือนจิตเราไปไว้ที่อื่นแล้วเรารู้แล้วว่าตายก่อนตายเดี๋ยวเรารอตายจริงตอนนี้คือเรารอตายจริงขันห้าเราตายหมดแล้วตอนนี้เราดูไปดูตอนจริงว่าเป็นยังไงก็แล้วกันนะ ตอนนี้ยังยังไม่ไเจอของจริงเอถ้าเจอของจริงแล้วยังไม่ยังเฉย อ, อยู่ก็ใช้ได้นะแต่ยังไม่เฉ<จ>ยก็ใช้ได้เฉยคือคือมันสุกแท้สุขทาวรคือสุขสุกแบบสมมติว่ากิจไอ้กิจบ้างจิจเป็นอิสระเนาะสิ่งไรทางสิ้นนี้เปรียบเสมือนนักจริงบนในบบัวนีน่คือแบบของทางโลกนี่มาเจี่ยวเราไม่ได้เลยเหมือนเราเหมือนเราอยู่เนือเนือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ย ไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องเราเลยที่บอกว่านักกินบนในกวัวเนี่ยสุดย<ล>อดเลยค่ะนี่สุดยอด<า>นะ้าทุา่งโ ม, นมธนานะค่ะค่ะโอเคนะเห็นไปที่ท่านต่อไปคนยินดีจากซาแคลรอลนีเชิญเมื่อช้านี้น้องชายก็มาใส่บาตร ขอพระคุณมากค่ะท่านอาจารย์เมตตาเขาด้วยละกันละ่ะค่ะเอเมตตาเนลยถ้าไม่ไม่ไปตกตตครับว่า้าเราแสดงว่าเมตตาหนูอยากให้อาจารย์ตบหัวละค่ะตกก็จะเป็นเมตตาได้ยังไง <c oughs> มันจะได้แบบอะไรที่ไม่ดีแบบความคิดอะไรที่แบบจะได้กระเด้งออกบ้างค่ะอาจารย์อย่าไปยุ่งกับเขาเลยเอาตกเราดีกว่าอย่าไปตกคนอื่นเลย ไม่ได้ตกเขาค่ะหนูเฉยๆค่ะเพราะว่าเฉยกับเขามานานแล้วค่ะจา์ปล่อยวาง่อเรามาตกกิเลนล้าดีกว่านะไปตกยังไงไม่ค่ะหนูให้จานทำไงหนูไม่เอาาจก็ไม่สบายดีนะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ไปทำงานเหมือนเดิมนะค่ะก็เมื่อไหร่จะได้กลับฝรั่งเศสไปเที่ยวบ้านหรือยังอ๋อตอนนี้ก็ มันคือท่านอาจารย์ที่ฝรั่งเศสก็แย่ะค่ะอืราดังนั้นก็ก็ก็คือสถานการณ์ตอนนี้คือเราคุมอะไรกันไม่ได้เลยคือเฉยๆดีที่สุดรักษาตัวเองรักษาตัวเองเมืงไทยก็อยากมาเมืองไทยก็ตอนนี้ก็รลำบากทั่วประเทศค่ะเนี่แหละค่ะท่านอาจารย์ก็หนูก็ยังแบบดูดูอยู่ก็ยังไม่ทราบว่าจะต้องทําตัวยังไงคือ รู้แต่ว่าตอนนี้เราได้วัคซีนมาแล้วและเดี๋ยวหนูหนูจะไปทําเข็มสองก็คือวันศุกร์ฉีดเข็มสองวันศุกร์อีกทีค่ะแล้วก็จะ เ, เป็นงไงบ้างเข็มมีอาการอะไรไหมยังค่ะเดี๋ยววันศุกร์เนี้ยค่ะไม่เข็มแรก่เข็มแรกไม่ฉีดมาาไม่มีอาการค่ะของใครของไฟเซอร์แลของโมเดอร์นา ของไฟเซอร์ค่ะส่วนใหญ่พนัก ง, งานที่มิชลินจะได้ออสองสองอย่างคือไฟเซอร์กับโมเดอร์นาแต่คนที่ฉีดของไฟเซอร์จะไม่ค่อยเจะไม่มีอาการอะไรเลยแต่ของโมเดอร์นาจะมีไข้ค่ะถ้าอาจารย์ดก็จะได้ปลอดภัยนะค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านอาจารย์ไม่มีอะไรก็จะขอไปท่านต่อไปนะผูขอฟังค่ะอาจารย์คุณมออม า, าชนะจนัน า ก, การนมัสการพระอาจารย์นะคะแล้วสวัสดีคุณบอยคุณหลาค่ะขอบคุณคุณชัยด้วยก็วันนี้จะจะสรุปให้ฟังนะคะพระอาจารย์ที่ไปอยู่มาต้องขอขอบคุณพระอาจารย์มากๆเลยคือว่าที่ไปอยู่ที่เอเขาชินมาสองวันเนี่ยมันสรุปกับตัวเองได้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะพระอาจารย์ก็เลยรู้สึกเลยว่ามันเป็นดูบายของพระอาจารย์ที่ให้ลูกศิษย์เนี่ยไปฝึก อ, อ, อินซีย์ให้เป็นพราร ะ, ะคะ่ะพระอาจารย์เพราะรู้สึกว่าอันแรกเลยอะ่ะที่ไปตอนแรกก็ ไม่ไม่ได้กลัวเพราะว่าเราฝึกมาแต่ว่าพอไปถึงที่นู่นปุ๊บเนี่ยตอนที่เดินจงกรมอะไรเนี่ยคือเจอสิ่งที่ที่เราเตรียมตัวไปเจอจะไปเจองูไปเจอลิงอะไรเนี่ยมันไม่เจอมันไปเจอกวางตัวใหญ่มากซึ่งตอนแรกเนี่ยเราเข้าใจคำว่าใจสั่นเลยค่ะพระอาจารย์คือพอเดินผ่านปุ๊บเนี่ยมันใจสั่นแต่ลุาตอนแรกครั้งแรกเลยก็คือเดินกลับไม่ได้วิ่งหนีนะคะผ่านแต่ว่าเดินกลับขอไปทําใจเดินวงกลมบนรอบเนี่ย เราสามารถที่จะเดินเดินได้เพราะเพราะเราเชื่อมั่นว่าเอ๊ะเรามีศรัทธานเนี่ยพระอาจารย์ว่าท่านให้ไม่อยู่ที่นี่มันน่าจะมีอะไรก็เลยเดินรอบๆได้ตอนแรกเรื่องของกวางเนี่ยกลับไปฝึกสมาธินั่งสมาธิต่อยสักพักหนึ่งตอนหลังก็เดินออกมาก็เดินผ่านไปได้ก็คือพอเรารู้สึกเลยว่าพอมันผ่านความกลัวตรงเรื่องเรื่องของกลัวตายอะ่ะพระอาจารย์เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอตอนเจอกวางตัวใหญ่ๆอะ่ะคือรู้ว่ากวางมันวิ่งชนเราตายได้ก็เลยรู้สึกว่าอ๋อนี่ไงคือเรา ก็ยังมีกลัวตายแต่พอเรากลับไปปุ๊บเนี่ยออกมามันมันเปลี่ยนเลยพระอาจารย์มันเดินผ่านได้แล้วพอวันที่สองเนี่ยมันเจอลิงอ่ะอาจารย์ฝูกลิงอะค่ะเราไม่ตอนนี้ไม่กลัวเลยอะพระอาจารย์เดินผ่านเข้าไปในฝูกลิงเป็นยี่สิบกว่าตัวได้เลยอะคือคือรู้สึกว่ามันมันผ่านคือมันผ่านระดับเล็กนะคะคือรู้รู้เลยว่าวันเนี้ยมันมันทําให้ตอนที่เดินผ่านในเราแผ่เมตตาแล้วก็เราก็บอกว่าเรามาเพราะว่าเราเป็นแบบ อ น, นุักษ์ธรรมโต น, นะคะคือมาอยู่ในในที่ในใ น, ในป่าเนี้ยก็คือว่าอยากจะมาเขาแค่ขออาศัยอยู่แค่สองวันคือแบบเจริญเมตตาแล้วมันรู้สึกว่าเรามันได้สัมผัสความเป็นหนึ่งเดียวกับสัมภสิ่งคือมันมันเหมือนกับสัมผัสตรงนี้ได้เพราะาตอนที่เดินไปก็จเจริญพวทธมนตรนตนสติด้วยพระอาจารย์ก็รู้สึกว่ามันหายคํามกลัวได้แล้วกลางคืนตอนแรกก็พอตอนแรกก็จําไม่ได้ออกไปออกไปนะพระอาจารย์แต่ว่าพอรู้สึกว่าเฮ้ยเรา พูดกับพระอาจารย์ไว้ก็เลยแบบนั่งสมาธิแล้วก็เดินออกไปอาจจะเดินไม่ได้ทั้งรอบนะพระอาจารย์ไปเดินออกคือกล้าเดินออกมาพระอาจารย์เพราะรู้สึกว่ามันมันเอาชนะตัวเองได้อพระอาจารย์แล้วก็นั่งสมาธิยกับเดินจงกรมเนี่ยนั่งสมาธิก็นั่งอยู่นอกบ้านตลอดนะไม่ได้เข้าไปในบ้านก็นั่งนอกบ้านตลอดแล้วก็เดินจงกรมเดินจงกรมจะเยอะกว่าเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราเราฝึกเดินเพื่อตอนกลนงคืนในพระอาจารย์พยายามจําให้ได้ว่าตรงนี้เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะรู้สึกว่าถ้าเรารู้ทางปุ๊บเนี่ยตอนกลางคืนมันจะไม่กลัวไงพระอาจารย์ ก็ปึกตรงนี้ผ่านแล้วก็ไม่ได้ใช้แอร์ไม่ได้ใช้ไฟปิดไฟนะคะไม่ไม่ได้เปิดไฟเลยค่ะก็เพื่อจะฝึกตัวเองแล้วก็รู้สึกเลยว่ามันสงบแล้วแล้วชอบบรรยากาศมากเลยพระอาจารย์คือมันความความกลัวเรื่องความมืดไม่มีเลยค่ะพระอาจารย์มันคือมันรู้สึกว่านอนหลับสงบแล้วก็ดีมากๆเลยค่ะอาจารย์รู้สึกชอบมากเลยค่ะก็ผ่านเรื่องของศรัทธารู้สึกว่าเพราะเราศรัทธามันเลยทําให้ เนี่ยค่ะคอยพาอาจารย์ไปพอ้ราศรัทธาก็เลยรู้สึกว่าเราผ่านความอะไรหลายอย่างไปได้แล้วก็เรื่องวิทยะเนี่ยเราเราน่าจะเป็นภาร ะ, ะได้อยู่แล้วเพราะว่าความเพียรของตัวเองจะคือตรง น, นี้ ร, รู้สึกว่าเรามีความเพียรท่านอาจารย์ก็เหลือสติสติไปที่นู่นเนี่ยมีสติเยอะขึ้นมากเพราะว่ามันมันจะต้องแบบระวังเวลา เ, าเดินต้องมองข้างล่างมองตัวอะไรที่มันจะต้องเดินผ่านเราแล้วก็ต้องมองว่าจะมีสัตว์อะไรมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะทําให้เรามีสติในการเป็นจงกลมแล้วสมาธิเราก็นั่งสลับกับสติสมาธิก็จริงๆแล้ว ตั้แต่ก่อนไปเพราะเราเต็มตัวมามันก็เหมือนกับว่ามันมันมันคือมันก็นิ่งนะคะพระอาจารย์แล้วก็มีบางช่วงที่แบบปกติมันจะไม่เคยแบบมีงู้บเพื่อะไรเลยนะพระอาจารย์ก็คือจะแบบค่อยๆสงบไปเรื่อยๆแต่ว่าช่วงหลังมาเนี่ยมันจะมีบางครั้งบางวันที่มันแบบปุ๊บตกไปเลยก็มีเหมือนกันพระอาจารย์แต่ว่าก็ไม่ตอนนี้ก็คือตั้งสติไม่ไม่รู้สึกดีใจไม่รู้สึกกลัวนะคะคือคือเคยดีใจมาแล้วมันหายไปแล้วก็ปัญญาเนี่พระอาจารย์รู้สึกว่าตรงนี้ได้เยอะมากสุดเลยค่ะพระอาจารย์ก็คือว่า มันทําให้เราเข้าใจมันเหมือนเราเห็นไตรลักษณ์กับอริยสัจคือมันเข้าใจแล้วว่าเอ้ยอ๋อทุกเป็นอย่างนี้เออที่เรากลัวแล้วก็สมุทัยเนี่ยต้องตัดความอยากแล้วก็เราต้องดําเนินมากที่ได้คือตอนนี้ต้องคือต้องดำเนินมากให้ให้เยอะเพื่อจะได้กลับเนี่ยได้คือรู้สึกว่ามันเข้าใจมากขึ้นนะครับอาจารย์ไตรลักษณ์กับอริยกับอริยสัจ ในจากกันที่มาครั้งนี้ก็กะว่าเดี๋ยวจะตัดเวลาแล้วก็จะไปอีกครัาอาจารย์ต้องขอขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆเลยคืชอช็อกบากๆรู้สึกว่ามันมันได้เพิ่มอขอบไปครับ อ, อาจารย์อาจารย์มีอะไรแนะนําเพิ่มต่อกอปฏิบัติไปเพก็ชำนาญกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างก็ก็พยายามแล้วคอยสังเกตดูใจว่าเราโลภเราโกรธเราหลงเราอยากอะไรหรือไม่ มันอยากไปในทางกิเลสก็ต้องตัดมัน อ, อยากไปในทางธรรมก็ส่งเสริม อ, อยากไปบวชอยากไปอะไรเนี้ยไปเลย อ, อ, อยากไปปฏิบัติธรรมไปเลยปฏิบัติธรรมนี่อยากไปมากครับอาจารย์เดี๋ยวจะจัดเวลาให้มากขึ้นแล้วก็ที่บ้านาก็แบบเริ่มมองแล้วเอ๊ะเดี๋ยวก็จะอาจจะมาด้วยขนาดอยู่ที่บ้านก็ต้องปฏิบัติไม่ใช่ละเวนะ้นการปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็ต้องปฏิบัติ แล้วปฏิบัติมากปฏิบัติน้อยก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ชไม่ใช่อยู่ที่บ้านไมปฏิบัตินั่งรอไปปฏิบัติที่โน้นอยู่ที่บ้านขอดูทีวีก่อนทำให้นู้นนี่ก่อนุ้ยไ <ใน S 2> ม่อยู่ตั้งแต่จอมาจางดูเลยพระอาจารย์ไม่ดู<อ>ไม่ดูทีวีไม่ฟังเพลงเลิกหมดแล้วค่ะพระอาจารย์ปฏิบัติปฏิบัติอย่างเดียวไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเรื่องสติอยู่เรื่อยเรียนสมาธิบ่อยบ่อยเจริญธรรมอยู่เรื่อยอันนี้จางไม่เที่ยง สเพธมานาตาสเพสังขารานิจสังขารนับบ่วงไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์ทุกข์าะเป็นเพราะเราไปยึดไปติดมันเองมันไม่ทุกข์เราไปทำให้เราไปทุกข์เองเพราะเราไปยึดไปติดเขาอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าเราอยากจะทุกข์ก็ต้องปล่อยวางเขาเขาจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยเขาเป็นไปนังตารเราห้ามเราไม่ได้ ธรรมชาต mm hmm. ินี่คือการปฏิบัติแนวทางปฏิบัติต้องให้มันหมุนอยู่ในใจกับเมืเวลาเหล่านี้เพียงีย่าเดียวเห็นอะไรก็เห็นเป็นายรักไปให้หมด mm hmm. ได้ยินอะไร mm hmm. สัมผัสอะไรก็ให้มันเป็นตายรักไปให้หมดอา okay, จารย์มนะีคถามมีคำถามนิดนึงครับอาจารย์คือ ถ้าเรานั่งสมาธิือนเดินอยู่ที่บ้านแล้วเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยตอนระหว่างวันที่เราทํางานหรือว่าอะไรเราให้ให้เราเห็นให้เราจเจริญแบบเห็นเป็นใจรักแล้วก็ให้มองให้มันละความอยากให้ได้เอาแค่สองอย่างนี้เลยใช่ไหมคะอาจารย์มันคือระหว่างวันที่เราเจอคนทําซ้นสองอย่างนี้ใช่ไหมคะ น, น่ตลอดเวลาทําไม่นั่งสมาธิไม่เจริญสติก็ต้องใช้ปัญญ า, า, าอ า, าจารย์สลับกั น, กนโอเคนะ ขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์อาจารย์สายที่ตอนนี้อยู่คอนแก่นไมอยู่มาหาสารคามกลับนมัสการพระอาจารย์ค่ะวันนี้อยู่ขอนแกนค่ะเวิร์กฟ <Work S 1> อร์มโฮมอีกแล้วค่ะบ้านอยู่คอนแก่นอาจ์ไปชอวบ้านอย <B ahn S 1> ู่ตอนที่สารคามค่ะเราจะกลับบ้านปกตินูจะกลับอ่าจริงๆปกติจะกลับอังคารพฤหัสแล้วก็เสาร์อาทิตย์ค่ะ สลับกันกลับบ้านเป็นมาอยู่เป็นเพื่อนคุณพ่อกับพี่สาวค่ะตอนนี้ไม่ต้องกลับมาหาลัยแล้วตอนนี้อยู่อยู่อยู่คันกันคันกางตลอดค่ะจนถึงสิ้นเดือนสอนจากทางบ้านไปใช้ซูมใช่อหมสอนใช้ใช้ใช้ซูมใช้ MS Teams บ้างค่ะจะใช้ของมหาลัยค่ะผูาจางค่ะเป็นไงโปรแกรมก็สะดุดไหมไม่สะดุดเอ่อ ไม่ไม่ค่อยสะดุดค่ะใช้ได้ดีอยู่ค่ะบางทีก็ใช้ไลา์ก็ได้ค่ะได้หลายๆอย่างเลยค่ะแล้วแต่ว่าเรากับนิสิตเขาสะดวกอะไรค่ะแต่แต่ซูมใช้ง่ายค่ะพอาจารย์ค่ะอาจารย์นี่ต้องซื้อเป็นสมาชิกหระบาล่านะว่าเอาของฟรีใช่ของฟรีของของอะไรนะคะซูมหรือว่าอินซูมซูมจริงจริงหนูมีทั้งแบบของของคณะซื้อค่ะแต่ว่าไม่แพง แล้วก็ใช้ด้วยกันค่ะใช้ใช้อใช่ค่ะใช้ได้หลายคนค่ะแล้วก็มันก็ไม่ตัดแต่ถ้าใช้ปีนี้ที่เคยใช้ประมาณใช่ค่ะก็เข้าใหม่ได้ไม่เป็นไรค่ะก็มารายงานพระอาจารย์ค่ะอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้เท่าเพราะว่าไปบวชชีพามาค่ะแปดวันก็่วัดป่าเอ่อห้า ผาแดงพานิมิตค่ะเป็นวัดวัดป่าขอนแก่นอยู่ที่ขอนแก่นค่ะอำเภอน้ําพองค่ะห่างจากบ้านประมาณเจ็ดสิบกิโลค่ะก็ไม่ไม่ไกลเท่าไหร่อยู่บนเขาหน่อยหนึงเหมือนกันค่ะแล้วก็ค่อนข้างสบายยะค่ะพระอาจารย์เพราะว่าไม่ติดหมู่บ้านเลยห่างไกลค่ะแล้วก็มีแม่ชีเยอะหน่อยค่ะเลยรู้สึกว่าปลอดภัยสำหรับเราที่เป็นมือใหม่ที่จะเข้าไปอยู่ที่วัดค่ะแต่ว่าก็ไป ไปเรียนรูม้มาว่างานไม่ชีเยอะมากเลยค่ะท่านแทบไม่ท้วงเลยค่ะมันดัดความขี้เกียจของกิเลสค่ะตื่นเช้ามาตีสามท่านทาวัดแล้วก็มากินอาหารแล้วก็อาหานไปถวายแล้วก็ล้างจานเช็ดจานแล้วก็โอ้นี่แบบเดี๋ยวจะน่าไปฟงซ่านถ้าอยู่เฉยเฉยเดี๋ยวจะฟสร้านกัน <c oughs> ค่ะ แล้วก็มีกิจกรรมให้เราเหมือนเราเห็นเราก็อยากไปช่วยเพราะว่าแม่ชีก็อายุเยอะอะไรเงี้ยค่ะเห็นแล้วเราก็อ้อเดี๋ยวหนูช่วยอะไรเงี้ยค่ะ<ม>ก็ถือว่าปฏิบัติตอนที่ทํางานช่วยไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะต้องมีสเสถี ย, ยงรงานที่เราทำนะค่ะแต่บ่อยครั้งที่จะเสียสติค่ ะ, ะอาจารย์ก็จะตนี <laughs> ้แม่ข่าเหมือนเราเนีค่ะบางคนที่เขาพูดเก่งมากเขาก็จะแบบพูดแล้วเราก็แบบโอ้คือถ้าถ้าได้เพื่อนที่แบบ ทั้งกำนันจาเนี่ยค่ะสติหายเลยค่ะเหมือนเราก็แบบโอ้สู้เขาไม่ได้มันมีหลายๆแบบค่ะแม่ออกคือหรือแม่ขาวเนี่ยมีหลายแบบเป็นการฝึกสติปัญญาของเราไปในตัวค่ะอีกอันนึงใช้ปัญญาในแง่ที่ว่าทำยังไงเราถึงจะไม่เข้าไปในในในสัมพันธ ภ, ภาพกับกับอันนี้กับคนแบบนี้ถ้าถ้าเกิดทางทำเนี่ยคือแย่แน่ๆค่ะเพราะว่า เขาชวนออกนอกลู่นอกทางซเยอะค่ะเช่นเรากลับกันเถอะพรุ่งนี้เรากลับไม่ได้จะสัตตาคืออันนี้เพิ่งรู้จักกันคับพระอาจารย์อีกคนหนึ่งก็คือ อ, อชวนออกไปข้างนอกวัดอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเรามีรถแล้วก็บอกไม่ได้รถคือสัจจะเราเราไม่ออกอะไรเงี้ยค่ะพาหนูออกไปข้างนอกได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีคนประเภท น, นี้อยู่แล้วก็วเราต้องเข้มแขงเราต้องเข้มแข็ง แล้วก็ท้ายสุดเขาก็ขอไลน์ขอเฟซบอกพี่ไม่ให้เพิ่เป็นครั้งแรกที่หนูปฏิเสธไให้ไลน์กับเฟซคนเขาบอกพี่ให้เบอร์โทรแล้วกันเพราะว่าเรากลัวว่าท่านไะไรากับเฟซเนี่ยคงจะดิ้นดิ้นดิ้นตลอดเวลาค่ะเป็นครั้งแรกที่ปฏิเสธว่าจําเป็นต้องปฏิเสธจริงๆนะถ้าเป็นแบบเนี้ยคงไม่ไหวจริงๆอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เรื่องปฏิบัติก็เอไปวันแรกค่ะพระอาจารย์ได้ยุติใจันเดียว<笑><笑>เพราะว่าไม่มีไม่มี ชีพามแบบแบบหนูค่ะแล้วก็แล้วก็วกอ่ะอยู่คนเดียวก็ได้เพราะตั้งใจมาแล้ววันแรกไปนี่เจอเขาปิดไฟค่ะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่ามีคนอยู่อยู่คนเดียวด้วยปิดไฟด้วยร้อนด้วยแล้วก็เจอละวันแรกไม่เป็นไรก็จริงจงไม่ค่อยไม่จริงกับคลัวมากแต่ว่าในในข้างในใจเราก็เห็นว่ามีแอบสื่นๆอยู่นิดนึงนั่นก็คือเรามีความครัวอยู่ข้างในเหมือนกันค่ะ แล้วก็สองวันสุดท้ายเป็นนอนที่เหมือนเป็นผาค่ะพอาจารย์แล้วก็ใช้ใช้เป็นมุง้งเต็นท์มุ้งอ่ะค่ะลองดูว่าเราจะกลัวไหมวันแรกดูตกใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็อยู่ได้วันที่สองเนี้ยไม่เป็นไรก็ก็ด้วยความที่เราเหมือนแบบเออเราก็ไม่ได้กลัวอะไรไม่ได้คิดว่ามันจะมีอะไรหรือถ้ามี ก, ก็เจอก็เจออะไรเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเออก็ฝึกความกล้าของตัวเองแต่ก็เห็นความความกลัวด้วยค่ะ แล้วก็ได้ฝึกการนั่งสมาธิการสวดมนต์ค่ะพระอาจารย์กติอยู่บ้านสวดมนต์น้อยมากไปอยู่นูน่นอที่วัดสวดมนต์เป็นชั่วโมงเลยค่ะแล้วก็ <c oughs> แล้วก็นั่งพัเพียบหนูด้วยความไม่ชินค่ะพลิกไปพลิกมาอีกวันนึงหลวงพ่อ ก, ก็บอกเอเหมือนแบกว่าต้องอดทนไม่ใช่นั่งพลิกไปพลิกมาท่านท่านว่ารวมๆแต่เราคิดได้แค่ว่าโดนแล้ว <c oughs> ก็เลยอีกวันหนึ่งก็เลย งัลองดูว่าไม่ตายหรอกก็เลยเวลานั่งสมาธิหรือว่านั่งอสวดมนต์ก็ไม่เปลี่ยนท่าเลยค่ะก็ก็อยู่จนตบแต่ว่าถามว่ามีเวทนา ม, าม้างไหมก็มีค่ะแต่ท้ายสุดมันก็ผ่านไปได้เหมือนได้ฝึกตรงนี้เมื่อเจอครูบาอาจารย์แล้วได้เจอเจอท่านแบบดุอะไรเงี้ยค่ะแต่อาจจะไม่ดุ้เราตรงๆแต่เราก็รู้ว่าอ่าเราก็เป็นหน้าอะไรเงี้ยค่ะก็ทําให้ได้ฝึกเหมือนฝึกความอดทนแล้วก็ อยู่กับพินธนาได้ได้นานขึ้นค่ะอันนี้ก็ก็ที่ไปปฏิบัติมาเป็นคําถามค่ะอาจารย์อ่านหนังสือเจอคําว่าเตตะศิก ค, ค่ะก็เลยสงสัยว่าเตตะศิกกับจิตที่เห็นมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันแล้วในส่วนนี้เราจะทํายังไงหรือว่าเตตะศิกมันเป็นยังไงเราจะจัดการกับมันยังไงเพื่อให้การปฏิบัติของเราดีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ คือเจตสิกนี่ความหมายเท่าที่เราเข้าใจนั่นก็คือสิ่งที่ปรากฏขึ้นในจิตนี่เป็นเจตสิกเช่นอารมณ์ต่างๆนี่ก็เป็นเจตสิกแล้วมันก็เป็นตายรับอนทางทุกขงังอนัตตาส่วนจิตนี่เป็นตัวรูปถ้าเปรียบเทียมจิตก็เป็นเหมือนจอทีวีอย่างนี้แล้วส่วนที่ปรากฏในจอนี่เขาเรียกเป็นเจตสิก ภาพต่างๆภาพเสียงที่โผล่ขึ้นมาในจอเนี่ยเป็นเจตสิกเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเปลี่ยนไปเป็นมากแต่ตัวจอมันเหมือนเดิมตัวจอก็เป็นตัวตัวรับรูปเสียงกยิดน์เป็นที่ตั้มให้ควกเสียให้พวกเจตสิกมันผล่ขึ้นมาได้ยิ่งเราปฏิบัติก็ให้เข้าใจว่าเจตสิกเป็นไตลักอนิจจังทุกขงังนันตา ไม่ต้องไปยึดไปติดไม่ต้องไปอยากกับมันอาจารย์นะก็คืออะไรที่เข้ามาคล้ายๆว่าเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นก็ไปวันที่สักแต่ว่าลูกอารู้ไปนั่นเองไม่ต้องไปยุ่งกับเขาไม่ต้องไปไปควบคุมบังคับเขาไม่ต้องไปสั่งให้เขาอยู่สั่งให้เขาไปให้ลูกเฉยๆรู้ว่าเดี๋ยวเขาก็ไปรู้ว่าเราไปสั่งเขาไม่ได้ควบคุมบังคับเขาไม่ได้ ถ้าทำใจเฉยไม่ได้ก็อาศัยพุโทโธพุธโทโธช่วยให้มันเฉยให้มันนุ่งเฉยเฉยเหมือนเหมือนอะไรที่มันโผล่ขึ้นมาในใจของเราเราก็ก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงยก็ก็ไม่ต้องไปใส่ใจมันนะคะพระอาจารย์ก็คือมันก็เกิดขึ้นมาได้นหน้ากลัวหน้ารักหน้าชัางอะไรก็ให้นุ่งเฉยเฉยอย่าไปถ้าใจมันตื่นเต้นก็ใช้พุโทโธช่วยดึงมักลับมาพุโทโธพุธโทโธให้มันนิ่ง แลไปสักแต่ว่ารู้ไปค่ะอาจารย์ไหมเข้าใจค่ะ <แบ S 2> ต้องมีสติคอยใกล้ใกล้ตัวไว้เวลาจิตใจเริ่มรู้สึกไม่ดีก็พูดโธพูดโทไปค่ะเหมือนเราต้องมีสติมีเหมือนมีผู้รู้ให้ทํางานอยู่ตลอดแบบนี้ถูกต้องไหมครับอาจารย์ให้มีสติทํางานตลอดผู้รู้มันรู้อยู่ตลอดเวลา เห็นนะว่าถ้าไม่มีสติมันเดี๋ยวจะมันจะถูกอารมณ์อารมณ์ครอบนำามันจะรักชางกลัหลงขึ้นมาผู้รู้กับสตินี่ใช่ตัวเดียวกันไหมคะพระอาจารย์ไม่หรอกตัวสติเป็นผู้ที่คอยคอยควบคุมอารมณ์ความรักชางกลัวหลงแม่มันโผล่ขึ้นมา สติควบคุมผู้รู้ก็คือผู้ที่ดูหรือผู้ที่คอยดูค่คะคุณรับรู้ทำไมเป็นสติเดี๋ยวก็รักชังปูลงขึ้นมาออืเห็นอะไรก็รักขึ้นมาชั่งขึ้นมานพอรี้วาเรากำลังรักอะไรกํำลังชังอะไรเราก็ต้องหยุดพุชใช้วุโทโธวุทโธหยุดเลยให้รู้เฉยเฉยค่ะในที่ไปฝึกนี่อไปฝึกเพื่อจะได้ควบคุมจิต ไมให้นักชั่งกลงัวหลงให้ลูกเฉยๆใช้ปัญญาใช้สติสติก็พุโทโธพุโทพโธปัญญาก็บอกตายรักเป็นตายรักไปนะนินจังทุกขังอนัตตาพอามาเองเดี๋ยวเข้าไปเองอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยึดอย่าไปติดค่ะก็คือท้ายที่สุดก็คือเพื่อให้เกิดปัญญา เพื่อให้มีปัญญาเชนเพื่อจะได้ใช้ปัญญามามาหยุดจิตแม่ไปยุ่งกับสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาเพราะทุกอย่างมันโผล่แล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหายไปถ้าเราไปยึดไปติดไปชอบมันหายไปก็เสียใจใช่ไหมค่ะถ้าไม่ชอบเวลาโผลึ้นมาก็ก็ก็ไม่สบายใจก็คือเหมือน อ่รู้รู้ทันอืาว่าเขาจะมาแล้วก็ห้ามเขาไม่ได้เขาจะไปแล้วก็ห้ามเขาไม่ได้อืมเนี่ย่าไปรักอย่าไปชังให้รู้เฉ่เฉยรู้แล้วก็ต่อยอ่าจะได้ไม่ทุกข์อืมถ้าไปชอบรับเดี๋ยวเวลามันหมดก็เสียใจถ้าไปชังพบเวลามันมาก็ไม่สบายใจอืค่ะ เหมือนมีปัญญาเพื่อที่จะไม่ทำให้เกิดความทุกข์ใช่ไหมคะพู้อาวุโสไม่ให้เกิดให้ละความลกจางกลัวหลงมาค่ะเขเข้าใจแล้วค่ะพู้อาจ์ค่ะเห็นอะไรอย่าไปรักเห็นกระเป๋าโอ้ยชอบสวย้องเท้าสวยสวยก็อยากได้งพอไม่มีเงินซื้อก็เสียใจทราบค่ะ ถ้าไม่รักถ้าไม่รักไม่ชอบเห็นแล้วก็เฉยเฉยอยากซื้อไม่อยากได้คะ่ะอันนี้ก็เหมือนเป็นเป็นแบบทดสอบของจิตใจเราด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าเห็นเรายังอยากได้ก็คือต <c oughs> สติปัญญายังไม่ทันยังไม่เห็นว่ามันจะทุกข์ถ <c oughs> มาชอบอะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวมันหมดนึกเวลาไม่ได้ก็เสียใจทุกข์ใจเดล๋ได้มานี่หายไปก็เสียใจอีกค่ะ มีก็ทุกไม่มีก็ทุกแล้วไม่มีดีกว่าไม่มีไม่มีจะไม่ทุกข์ก็เพราะไม่อยากไม่อยากได้ถ้าอยากได้ก็ทุกข์ถ้าไม่มีแล้วอยากได้แล้วไม่ได้ก็ทุกข์นี่คือปัญญาสอนใจลดความอยากด้วยค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ปฏิบัติต่อไปแล้วเราจะไปอีกไหม ค, คิดคิดว่าจะไปอยู่ค่ะแต่ว่าคงจะหาวันอีกทีหนึ่งค่ะแต่ว่าคงคงหลังช่วงนี้เพราะช่วงนี้มีมีงานอีู่แล้วค่ะต้องงา น, นตัวเองให้เสร็จรก่อนวัดวั ด, ด, ดเขาปิดหมดแล้วมันไม่ให้คนเข้าอ่วัดที่หนูไปคนไม่เยอะมากค่ะท่านก็ยังบอกว่ามาได้ แต่ว่าก็ถ้าเป็นคนที่เข้าเข้าออกๆบ่อยๆก็ไม่ค่อยอยากให้เป็นแบบนั้นค่ะเหมือนเขากลัวอยู่เพราะว่าขอนแกนก็พื้นที่สีแดงค่ะเราก็ระวังใส่แมสค์ค่ะอยู่ที่วัดก็ใส่แมสหรือว่าทํางานก็ใส่แมสเค์ครก็ใส่หน้ากากไปใช่ค่ะนอกจากอยู่คนเดียวก็ไม่เป็นไรค่ะโอเคนะค่ะาอไปนะอย่าเลิกนะอย่ายอมแพ้นะ ไม่เลิกค่ะแทบไม่เลิกนะแทบนี้เอาจริงค่ะรถแถงทำชนะรถทั้งปวงนะสาธุค่ ะ, ะ, ะคุณบริสเชิญคุณบริสจกากระยองถ้าจำไม่ผิดค่ะกลับพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นยังไงมีอะไรไหมวันนี้มีคำถามเจ้าค่ะพระอาจารย์มามามีวันหนึ่งค่ะนั่งแล้ว ก่อนที่มันจะทะลุไปที่ความว่างค่ะพระอาจารย์มันจะมีช่วงจังหวะที่มันบีบคันทางทางใจอ่ะค่ะพระอาจารย์เหมือนมีอะไรมาแบบดึงหลังใจมีความเจ็บปวดที่ใจอะค่ะพระอจรย์เลนิเบีบใจอ่ะรูปสนใจแล้วก็ให้เกาะติดกับพุทโธแล้วเกาะติดกับลมไปเดี๋ยวก็ผ่านไนดะ้ ค่ะคระอาจพราะว่านึกถึงที่พระอาจารย์บอกก็คือติดแนบติดกับลมไปแล้วเหมือนตู้กันค่ะพระอาจารย์มันต้อนตอนตอ น, ตอน ล, ลึกลึกลงไปแล้วก็ต้อนต้อนความเจ็บปวดนั้นลงไปจนทะลุมันไปแล้วมันก็ว่างไปเลยค่ะพระอาจารย์พอเกลียดมันปล่อยปั๊บมันก็ว่างน่องสบายเหมือนมันไปอยู่ข้างๆค่ะพระอาจารย์มันเห ม, มือนมันยังอยู่แต่ว่ามันมันทะลุไป ได้มันมันมันเปิดทางให้เราแต่เหมือนเราต้องสู้สู้มีช่วงสู้กันอยู่อย่างเงี้ยค่ะช่วงนั้นแหละช่วงเข้าได้เข้าเข็มแพ้ชนะก็ช่วงนั้นแหละถ้าเราถ้าเราหยุดเมื่อไหร่เราก็แพ้มันถ้าเราไม่หยุดเดี๋ยวมันก็มันก็ถอยไปเองมันก็เปิดทางให้เราเองเปิดเปดิมันเหมือนเป็นเส้นตรงลงไปที่ความว่างเลยอย่างเงี้ยค่ะ ไม่เป็นไรจะลักษณะไหนก็ได้แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเนี่ยขอให้มันเข้าไปถึงความว่างก็ใช้ได้แล้วหลังจากออกมาจากสมาธิมันเหมือนว่าเราหายไข้อะคะ่พะพระอาจารย์มันสดชื่นอืโปร่งเลยะคะ่ะพระอาจารย์เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นไข้นั่งเข้าสมาธิออกมามันก็จะรู้สึกโล่งอาการใไข้ก็หา ย, ายพระท่านหนึ่งนิยมใช้เรียกว่าธรรมโอสถเนี่ย ธรรมะเป็นยาไม่ต้องกินยาแก้ปวดลดไขนะ้เข้าสมาธินั่งไปนั่งให้มันเหนือแตกพักไปออกมาี่จีวรเปลี่ยน <c oughs> เย็นสบายออกมาแล้วเย็นสบาย ส, สงบสงบค่ะอยู่ได้แล้วแล้วถ้าเป็นสภาวะนี้คือมันจะอยู่ได้นานกว่านานกว่าปกติค่ะพระอาจารย์มันจะว่างไปแบบเจ็ดแปดชั่วโมงอย่างนี้นะค่ะพระอาจารย์ ถ้ามันลงนึกมันก็จะมันก็จะอยู่ได้นานถ้ามันผ่านเวทนาแต่ละครั้งนี่มันจะมันจะมันจะอยู่ได้นานแต่ถ้ามันไม่ผ่านนี่มันก็จะอยู่ไม่ได้นานเพราะเวลาผ่านเวทนานี้มันต้องใช้ความอดทนใช้กำลังมากพอมันลงนล้นี่มันก็จะสงบได้นาน พราะปกติจะเจอแต่เวทนานทางกายแต่คราวนี้มันเป็นเวิธาีนานทางใจก็เลยแบบอไม่เจอบงางคร<า>ั้งค่ะเรียกว่าทุกข์เยอทุกข์เพราะสมุทัยก็ราะความอยากของจิตมันมันมันมันอยากให้เราออกมันอยากให้เราถอยมันไม่อยากให้เราเข้าไปแว่ า, าแล้วก็สู้มันด้วยสติมุทโตพุโทพโธไปดูลมไปจนสติชนะปั๊บมันก็ มันก็ยอมเมือนมันต้องคือสู้แบบจี้จีจ้กันเลยค่ะอาารย์มกกับสบู้ไทยกันสู้กันเนี่ยมักก็คือสติสบูทายก็คือกิเลสความอยากลบอยากเลิกอืยางไม่ไม่ทําต่อ <c oughs> ต้องเอาชนะตัวนี้ใหได้อะไรไหมนีม่ขอขออีกหนึ่งคำถามนะคะพระอาจารย์ก็คือ <c oughs> ส่วนไม่เช้าอะคะ่ะตื่นตื่นมานั่งแต่ว่าตื่นสายแล้วนั่งมันไม่ค่อยลงค่ะอาจารย์มันมันตัวเมื่อแต่ไปคิดว่าเอ้ยเราฝันอะไรเพื่อจะมาแก้ปรงุงตัวเองค่ะระหว่างที่มั<ค>มนใจใจไม่จดจ่อยอารมณ์มันก็เลยไม่เข้าค่ะว่าจารยแล้วเหมือนก็เป็นกําลังขบคิดว่าแบบเฮ้ยไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่เวลาคิดตอนนี้เวลานี้ก็คือสติคิดคิดแบบ แต่ก็อดคิดไม่ได้เพราะมันมันตีก<ด>ันมาตีกันไปตีกันมาจนยอยู่ๆมันเหมือนแล้วนักลมไม่ได้ต้องใช้ใพุโทโธแทน่ให้นั่นเราพุโทโธพุโทโธพุทโธพุทโธไป<อ>มันถึงจะเล็งความเล็งออกจากความคิดนั้นได้ถ้าลงนี้<อ>ดูลมนี้อาจจะไม่กำลังแม่คอัวค่ะพระอาจารย์แตถ้าเราเป็นกำลังใช้พุโทโธพุทโธได้มันก็จะเล็องออกจากความคิดนั้นได้ ค่ะแล้วสักพักหนึงมันก็เหมือนจิตมันถอยออกเหมือนคิดคิดจนมันมันถอยออกมาค่ะอาจารย์แล้วมันก็มันยอมแพ้มันยอมมักแพ้ที่ไหนค่ะมันยอมแล้วมันก็อยู่ๆก็มันมันสลับไปเลยค่ะจากหน้ามือเป็นหลังมือมันก็เข้าไปสู่ความว่างแล้วมันก็ไปมันตั้งแล้วมันก็ไปไป มันสว่างไปเรื่อยๆจนมันเหมือนไปอยู่ที่มันเป็นเหมือนอีกดินแดนหนึ่งมันว่างแล้วมันอนุมันละเอียดแล้วมันก็ดับดับติดติดับดเหมือนเหมือนเราก็ปิดตาเรื่อยๆอย่างนี้นะคะพรอาจารย์แล้วมันเป็นอนุเล็กๆมันในความว่างก็ประกอบด้วยอนุเล็กๆเล็กๆเกๆเล็ๆ็กๆใหว่าไปจะว่ารูไปก็ไปเรื่อยๆ ย, บบยังไม่ว่างเต็มที่ถ้าสง บ, บเต็มที่มันจะไม่มีอะไรนื้อเลยมันจะไม่มีเลยใช่ไหมเชื่อครับอะไ ร, รอค่ะอาจารย์ดูลมต่อไปถ้ามีดูลมหน้านก็ดูลมต่อไปค่ะยังมีลมค่ะพระอาจารย์ดลมต่อไปอย่ายไปดูให้ตัวที่มันปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นค่ะพระอาจารย์ก็โอเคนะพะอาจารย์นะ เข้าใจแล้วค่ะโ <Okay. S 2> อเคค่ะจ ะ, จะนั่งให้นานน่าจะน่าจะจะกล่าวมันจะว่างมันจะโล่งจะเย็นจะสงบแต่ยังไม่โล่งยังไม่ว่าง ค, ครับผู้ต้องดูลงไปได้ค่ะอขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์สาธุคุณะวิสาจากสุเอชลด์เชิญการนมัสการพระอาจารย์ค่ะ อวันนี้ก็ถือสินแต่งันเดิมค่ะเหมือนเดิมครับอาจารย์แต่แต่เอ่อแต่ไม่ได้งดอาหารค่ะวันนี้ก็คือยังยังทานทานมื้อเดียวมื้อเดียวเค่ะยังมื้อเดียวทุกครั้งก็งดค่ะอ่ะแต่วันนี้ก็เลยเป็นเหมือนคืออาจจะเป็นร่างกายคิดว่าตัวเองยังไม่ แบบเพลเพียๆๆนะคะพระอาจารย์ก็เลยแค้แค้กิเลสก็เลยขอทานอ่าไม่เวลาน่สลับกันไปว่าจะได้ดูดูความแตกต่างระหว่างกินกับไม่กินว่านายดีกว่ากันอ่าค่ะถ้างั้นอ่ยมขอถามครับพระอาจารย์ถ้าเกิดสมมติว่าเราเราเรางดอาหารเลยแต่เรารู้สึกว่าเราปฏิบัติ แล้วเราเร า, เราทํำนี้เรารู้สึกร่างกายเราเพียเราเหมือนเราจะไม่ไหวแต่แ ต, แ ต, แต่เราก็คือแต่มันมันก็ไปได้อ่ะ mhm, ค่ะพระอาจารย์ก็ก็เดืมเดิมน้ําตาลได้เดืมน้ํำผึ้งดิมของเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลช่วยให้ก็มีกําลังหน่อยก็ได้ออืน้าผลไม้ก็ได้น้ําส้มคันอะไรตรงนี้ดื่มได้ไ่ได้น้ำตลได้ค่ะพระอาจารย์แล้วอีกถ้าเกิดว่า วันที่สมมุติวันที่เราวันที่เราทานมื้อเดียวอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าเหมือนเรามีแรงมีกําลังที่จะเพิ่มมากขึ้นคือเราจะได้ดูที่แบบว่าเอออดก็ได้หรือไม่อดก็ได้อย่างเงี้ยคือไม่ไม่เป็นปัญหาใช่ไหมคะอาจารย์หรือว่าให้เราฝึกฝึกฝึกฝึกไรเพื่อดูผลของการปฏิบัติไม่ใช่ดูที่กําลังขอ ง, งร่างกายดูที่ความสงบดูที่สติปัญญา อันไหมันดีกว่ากันอันไหมันสติวันสติอย่างไรจะดีกว่าอดอาหารกับไม่อดอาหารนี่สติอย่างไรจยดีกว่ากันสงบจิตจิตสงบอย่างไรสงบมากน้อยกว่ากันให้อยู่ที่นั่นไม่ต้องไปดูที่ร่างกายอืร่างกายไม่ใช่เป็นตัวที่เราต้องการวัดผลอดูร่างก็ได้มันไม่ต้องดูว่ารู้้ากินมันต้องดีกว่าไม่กินร่างกาย ใ่ไหมแต่จิตอะที่เราต้องการจะดูว่ามันมันสงบอันางไรอย่างไรไมนสงบกว่ากันสติอย่างไรดีกว่ากันปัญญาอย่างไรดีกว่ากันการ่างานของสติสมาธิปัญญาวลาอดกับไม่อดนี่อย่างไรจะดีกว่ากันใหมดูตรงนีค้ค่ะค่ะรอาจารย์ก็ใช้เ<ส>ป็นแนวทางวลาอดมีสติดีกว่าสมาธิดีกว่าปัญญาคิด เห็นชัดเจนกว่าอันนี้นก็อนีจําเป็นก็ต้องอดก็อดอดเพียงวันเดียวไม่ตายหรอกจริงๆพระเจ้าอดถึงสี่หรือเก้าวันนั้นยอยู่ได้ค่ะพระอาจารย์เราสิศรัทธ<ข>าคนไปกลัวทำไมกับอดวันเดียวค่ะคือคือไม่ได้ไม่ได้กลัวค่ะพระอาจารย์แต่พอดีก็เลยคิดว่าเอ๊ถ้าเกิดว่าถ้าเราจะอดแล้วเราถือว่าอดแล้วเราฟุ้งกับไม่อดแล้วเราไม่ฟุ้งอย่างเงี้ยค่ะอันแบบว่าเอ๊แล้วถ้าเกิดเราไม่อด เราไม่อดแล้วเราไม่ฟุ้งเรารู้สึกดีขึ้นไม่ใช่ไปดีขึ้นคือดีดีมากกว่าอนี้เราจะเราก็ไม่ต้องอดหรือว่าเราจะแบบว่าอดมมัันเพื่อให้ทดสอบกําลังเอมันมันอยู่ที่เราที่ฟุ้งไม่ฟุ้งมันอยู่ที่เรามีสติหรือไม่มีสติไม่ได้อยที่อดหรือไม่อดออถ้าเราอดแล้วมันฟุ้งก็ฟุ้งเพราะหิวข้าวอย่นี่มันมันก็ธรรมดามันก็ต้องเราก็ต้องเราก็ต้องสร้างสติขึ้นมาตัวหยุดความฟุ้ง แต่ถ้าเรากิน hmm. อ <so ิ่มมันก็ไม well> ่ฟุ้งเพราะมันมันอิ่มันก็สบายมันก็มนก็มันก็ไม่มีข้อสอบให้เราทํามันไม่มีอะไรมากระตุ้นให้เราสร้างสติขึ้นมาสประัเหตการสู้ความฟุ้งของจิตอืที่ไออนนี้เขาจะได้ให้มันฟุ้งให้มันฟุ้งให้เราจะได้สติมาดับตรงนี้เอ๋อค่ะกินแลมันไม่ฟุ้งไงกมันอิ่มันสบายมันก็นอนได้ก็ อ, อเข้าใจแล้วค่ะคืออุบายของการอดอาหารก็คือว่าให้เร า, ามนกำลังให้เกิดให้มันเป็นคามทุกข์ขึ้นมาทุกกายแล้วก็ทุกใจด้วยกายก็หิวจิตก็อยากกินแล้วมันก็มันก็จะทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจก็ต้องใช้สติใช้ปัญญานี้หยุดมันให้ได้ถ้ากินมันก็ไม่มีเวลาถ้ากินอิ่มกายมันก็ไม่หิวเมื่อกายไม่หิวใจก็ไม่ทุกข์ด้วย มันก็ยไม่มีอะไรให้ถัำมไม่มีอะไรอืมแล้วก็เหมือนเลี้ยงกิเลสไปถ้าวันนั้นที่เราไม่กินอาหารนี่แล้วกายก็ทุกข์แล้วทุกข์บ่อขาดอาหารใจก็ทุกข์ก็อยากกินอาหาระก็ฟูถ้าปล่อยให้มันฟู้งเดี๋ยวมันทนไม่ไหวพอรู้มันจะฟู้นี่ก็เราใช้สติหรือใช้ปัญญาหยุดมันอถ้าใช้สติก็พุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้มันคิดถึงอาหาร ถ้าใช้ปัญญาถ้าปันจะคิดถึงอาหารการคิดถึงอาหารตอนที่มันอยู่ในปากอยู่ในท้องตอนที่มันออกมาจากร่างกายเราอาหารนั้นน่ะคิดถึงอาหารนั้นมันก็จะหายหิวหายอยา่ะจิตก็จ ะ, ะจิก็จะไม่ฟุง้งจิตก็จะสงบอืมค่ะค่ะก็เข้าใจมากขึ้นกบน้อมรับปฏิบัติค่ะพระอาจารย์ก็อาทิตย์ที่ผ่านมาที่บอกว่า เห็นตัวสติจริงๆว่าเห็นบ้างเราจะสูอย่างไงก็อาทิตย์ที่ผ่านมาสงบนิ่งไม่ฟุ้งซ่านคือรู้รู้ได้หลักอล้ค่ะพระอาจารย์รู้สึกว่าได้เดินได้ได้เห็นทางแล้วค่ะเห็นมีเทียนแบบนำแล้วค่ะตัวว่ า, วาสติมันเป็นยังไงก็เลยเออคิดว่าต่อไปสร้างกําลังจะทำไหมจะทําให้มันเป็นสตินี้มากขึ้นก็ต้องสร้สางสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วนะจะได้ใช้สติหยุดมันให้ได้ ค่ะพระอาจารย์เช่นโอตะห า, านี่เดี๋ยวความทุกข์ใจก็จะเกิดหรือไปอยู่ที่น่ากลัวเนี่ยความทุกข์ใจก็จะเกิดดังนั้นเ้าจะดับความทุกข์ใจเราใช้สติหรือใช้ปัญญาสองอย่างอย่างได้อย่างนี้าาาค่ะพระอาจารย์ค่ะตั้งกําลังต่อไปฝึกต่อไปค่ะพระอาจารย์ถ้าอยู่ที่สบายสบา ย, บายกินอนินอนหลับปลอดภยัยก็มไม่มีทุกขนะ์ในทางใจไม่มีทุกข์ทางใจมันก็ไม่มี มักมคือสติปัญญาที่จะมาแมาก้มค่ะอาจารย์อย่างางทีเราต้องฉีดรัคซีนใช่ไมฉีดวัคซีนเพื่อให้มันมีมีเชื้อก็ไปในะร่างกายอยู่้กระตุน้นให้ร่างกายมันสร้างภูมิต้านทานขึ้นมามการที่เราทรมานร่างกายด้วยการอดอาหารไปอยู่ที่เปี่ยวที่น่ากลัวก็เพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา แล้วเราจะเราจะกระตุ os os ้นให้สติปัญญาตามมาแก้ความทุกข์ใจใช่ loot, ค่ะอาจารย์ค่ะนี่ทราบละใช่ปฏิบัติน้อมรับปฏิบัติแล้วฝึกต่อไปค่ะพระอาจารย์ที่เรามีสติแล้วที่เรานำมาใช้ให้มันเป็นประโยชน์ค่ะพระอาจารย์คือเน็นแล้วดูดคามฟุ้งร้างนของจิตค่ะจากการอดอาหารก็ดีจากการไปเจอเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆก็ดี ถ้าเรามีสติเราก็จะหยุดมันได้ค่ะอาจารย์ค่ะกลับขอบพระคุณมากค่ะพอาจารย์โอเคฟังต่อไปค่ะสามจุ๊บค่ะฟังต่อไปนะค่ะอาจารย์ไม่ถอยค่ะคุณมาเลเชียนเปมาเลกลับเป็นบานเขาหรือถึงถึงวันนี้กลับเร็วค่ะหลวงพ่อคุณยังจะนินใช่ไหมเสียงค่อยไปหมดได้ยินไหมคะ ได้ยินไหมคะได้ยินนะคะโอเคค่ะหลวงพ่อันได้ยินอยู่ค่ะหลวงพ่อหนูหายไปอาทิตย์หนึ่งไปอยู่วัดมาตั้งแต่วันเสาร์อะค่ะหลวงพ่อแล้วเพิ่งกลับมาเมื่อวันอาทิตย์นี้ค่ะหลวงพ่อนไหนอะวัดเอ่อวัดรรำสาวิกาที่หลวงปู่มั่นท่านไปบรรลุอนาคาเมียค่ะหลวงพ่อค่ะก็ ไปไปอยู่มีมีพระกันเนนเนนสองลูปแล้วก็พระพระอีกสี่ลูปค่ะทั้งหมดหกลูปแล้วก็เป็นผู้หญิง <c oughs> อยู่คนเดียวตอนแรกโทรไปถามท่านท่านบอกว่าจะมีคนมาปฏิบัติแล้วเสร็จแล้วก็เลยท่านบอกว่ามาได้อะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยไปพอไปไปเสร็จไปเสร็จพอถึงเอวันวันที่สิบอ่ะเหมือนเขามีประกาศว่ามีเรื่องโควิดอะไรเงี้ยค่ะคนเขาก็เลยไม่มา นันแล้วหนูก็เลยต้องอยู่อยู่แบบว่าผู้หญิงคนเดียวอะ่ะหลวงพ่อแล้วก็คือปกติ<ะ>ถ้าแยกกันอยู่ก็ไม่เป็นไรก็คือก็อยู่อยู่อย่างนั้นนะหลวงพ่อมันไม่มีคนเลยอะ่ะคือแล้วแล้วพระท่านพอพอเสร็จท่านก็จะขึ้นไปบนเขาอีกชั้นหนึ่งค่ะหลวงพ่ อ, อ, อแล้วแล้วมันมีทั้งหมดนะ่ประมาณสามชั้นค่ะหลวงพ่อซึ่งปกติ ห, หนูหนูนึกถึงที่หลวงพ่อบอกว่า ต้องไปลงสนามและทีเนี้ยด้วยด้วยความว่าหนูไม่เคยไปอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแต่ใจมันก็ตั้งใจว่าเราตั้งใจจะมาปฏิบัติอะไรเงี้ยหลวงพ่อมันก็อยู่ได้ค่ะแต่ว่าที่บ้านน่ะเขาจะแม่จะเป็นทุกข์มากเลยเพราะว่าอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อ mm hmm. แต่ว่าก็อยู่ได้ค่ะแล้วพอเสร็จแล้วก็จะมี คนที่เขามาปฏิบัติเป็นผู้ชายมาอีกคนหนึ่งอเงี้ยค่ะแต่ว่าแยกกันเขาก็ไปปฏิพระเราก็แยกมาทางทางทางผู้หญิงที่เขาที่เขาจะมีที่ไว้ให้ค่ะหลวงพ่อ <c oughs> ก็ไม่ได้เปิดไฟหลวงพ่อคะแล้วก็ทํามาตั้งแต่วันที่สิบจนถึงวันที่สิบห้าเนี่ยก็คือเน้นปฏิบตัติคือไม่อยากเสียเวลาที่หลวงพ่อบอกอ่ะคือทําให้มันเยอะที่สุดอะไรเงี้ยมันก็มีส ง, งบมีฟุง้งจน วันที่สิบห้าค่ะหลวงพ่อคือมาอยู่ที่เนี่ยพอปฏิบัติเสร็จก็จะมีตอนเช้าต้องตื่นประมาณสักตีสามเพราะว่าประมาณตีสี่ท่านจะทําวัดเช้าค่ะหลวงพ่อแล้วพอประมาณสักหกโมงหน่อยๆพระท่านจะไปพร ะ, ะอาจารย์ท่านจะไปบินธบาอะไรเงี้ยคะ่ะเราก็เตรียมเหมือนแบบเตรียมเรื่องที่ว่าพระปฏิบัติจะมีฉันอาหารแบบรถเข็นอะไรอย่างนั้นนะคะ่ะหลวงพ่อที่ เต็มเตรมเตรมอย่างนั้นนะคะหลวงพอ่อแล้วพอเต็มของไว้แล้วพอท่านกลับมาก็จัดอาหารถวายพระเสร็จล้างเพื่องล้างชางเสร็จก็กลับไปปฏิบัติอีกหลวงพ่อหนูปฏิบัติแบบเนี้ยทั้งทั้งวันคือปฏิบัติทั้งวันจนถึงสี่โมงห้าโมงอะไรเงี้ยอยู่อยู่จากที่มันไม่สงบหลวง พ, อองพอ่ออยู่อยู่มันมันรวมมันรวม จิตมันรวมเข้าไปแล้วมันกายมันหยุดนิ่งมันเป็นอันเดียวกันไปเลยหลวงพ่อและความเจ็บความปวดอะไรมันก็ไม่มีแล้วมันก็มันความรู้สึกว่ามันมันไม่เหมือนไม่เคยรู้สึกแบบแบบนี้มามันรู้สึกดีจนบอกไม่ถูกเลยหลวงพ่อมันรู้สึกดีรู้สึกสบายรู้สึกรู้สึกแบบเหมือนไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยค่ะหลวงพ่อแล้วมันก็สงบสงบ จนแบบเป็นครึ่งข่อชมองประมาณนี้ค่ะหลวงพ่อแล้วหนูก็ลองพิจารณาทางทางปัญญาก็คือพอนึกถึงออตอนที่เราไปทำวัดนะคะหลวงพ่อจะมีบทสวดที่ว่าให้เราพิจารณากายตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับพังพอดฟังอะไรพวกปอดอะไรพวกนี้น้ำดีน้ำเสดอะไรเงี้ยหนูก็นั่งนั่งพิจารณาตั้งแต่ผม อะไรเลื่อยๆมาเหมือนความเป็นจริงที่บอกว่าเออผมมันก็ต้องหอกต้องหลุดต้องร่วงผิวหนังก็ต้องเหี่ยวต้องย่นร่างกายเรามันไม่มีอะไรเลยข้างในก็จะมีแต่ของแบบเน่าเน่าเหมือนเหมือนถุงขยะที่เขาเก็บของที่เสียแล้วอะไรเงี้ยหลวงพ่อจนเห็นถึงว่าเออเนื้ อ, อเมื่อมันหลุดออกจากตัวเราเน่าไปมันก็กลายที่หลวงพ่อบอกว่ามันเป็นอะไรธาตุสีดินนา้าอะไรเงี้ยหลวงพ่อ มันก็จะเหลือแต่กระดูกเหลือแต่กระดูกระดูกก็ยังไม่สามารถที่จะตั้งอยู่ได้มันก็จะร่วงร่วงหลุดลงไปทีละอันทีละอันจนจนไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยหลวงพ่อแล้ ว, แ ล, วแล้วไอ้ความรู้สึกตรงเนี้ยมันเหมือนอยู่อยู่มันมันน้ำตาล ม, มันก็ไหลออกมามันเหมือนว่าเออจริงเนาะเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนเหมือนที่หลวงพ่อบอกอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อห <ừ. S 1> นูก็รู้สึกแบบเออความรู้สึกเนี้ยมันไม่เคยมีมาก่อนว่าวเราไม่ได้อยู่ในร่างกาย ค่ะหลวงพ่อแล้วไม่มีตัวเราค่ะแล้วเสร็จก็หนูก็ไปไปทําวัดเย็นไปทํามันไปสวนมนอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วกลับมาก็ปฏิบัติต่อกลับมาก็เข้าที่พักก็ปิดประตูอะไรเนี้ยหลวงพ่อแล้วก็ไม่ได้เปิดไฟเหมือนที่หลวงพ่อบอกว่าอยู่ในความมืดหลวงพ่อมันอยู่บนเขาอ่ะมันมันสภาพป่าสภาพอะไรเนี้ยมันก็มันก็วังเวงนะคะหลวงพ่อแต่ว่า ก็อยู่ได้โดยโดยใจเราอะ่ะมันเหมือนมันก็มีเหมือน ม, มันก็บอกใจตัวเองว่าเออเราตั้งใจจะมาปฏิบัตินะคือจะไม่ต้องกลัวถ้าจะตายมันก็คือตายอะไรเงี้ยคือพอคิดแบบเนี้ยหลวงพ่อมันก็กลายเป็นปกติมันอยู่ได้ค่ะหลวงพ่อแล้วพอตอนนั้นก็จะมีพวกพี่เขาเขาก็เริ่มมาพวกคนที่เขาจะมาปฏิบัติะค่ะหลวงพ่อก็มีประมาณเก้าคนค่ะหลวงพ่อ แต่ว่าเขาก็จะเน้นทํางานให้ให้กับทางวัดแต่หนูก็จะช่วยเขาเป็นเป็นพักๆแล้วก็หนูก็กลับมาปฏิบัติทั้งวันพอพอไอความรู้สึกตรงเนี้มันมันได้มาหนุ่มพ่อหนูก็ไปถามพระอาจารย์ว่าหนูก็เล่าเหมือนที่เล่าให้หลวงพ่อฟังท่านก็จะบอกท่านก็จะถามว่าเออจิตตอนนี้เป็นยังไงคือท่านท่านจะถามตลอดเลยแลานหนูก็เล่าให้ฟังท่านก็บอกว่าอันเนี้ยมันเป็นเป็นฌาน แต่ว่าถ้าเกิดแบบบางคนจะติดฌานอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอพระอาจารย์แม่ก็บอกว่าให้ให้ให้เน้นไปทางปัญญาให้พิจารณาทางปัญญาบ้างอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วหนูก็ถามว่าถ้าเกิดเราทําแบบเนี้ยบ่อยๆพอจิตมันสงบแล้วเรามาพิจารณาทางปัญญาเนี่ยเราทําแบบเนี้ยบ่อยๆผลของมันคืออะไรท่านท่านก็จะบอกว่าผลของมันก็เปรียบเทียบเหมือนกับว่ามีดถ้าเรารับ รับบ่อยๆมันก็จะคมมันก็จะตัดไอ้กิเลสไอ้โลภไอ้โกรธอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อหนูก็เออเริ่มเริ่มที่จะเข้าใจแล้วเสร็จหนูก็มาปฏิบัติต่อส่วนที่สิบหกสิบเจ็ดหลวงพ่อเขามันเหมือนพอใจมันมีกําลังจากวันที่สิบห้าหนูก็อยากจะทําอีกหลวงพ่อปฏิบัติอีกปฏิบัติเยอะมากคือแบบไม่พักไม่กินข้าวกลางวันเงนี้ยหลวงพ่อคือปฏิบัติแล้วมันมันเลยเวลาไปเลยหนูก็ไ ม, ไม่ไม่กินข้าว ไม่ไม่กินข้าวเลยอะค่ะหลวงพ่อก็คือทำแล้วก็ปฏิบัติแบบนี้มันทีนี้พอมันเหมือนใจเรามันตั้งเยอะไปหรือเปล่าหนูไม่แน่ใจค่ะหลวงพ่อมันกลายเป็นแบบมันฟุ้งแล้วพระอาจารย์ก็บอกว่าอย่างนี้มันไม่มันไม่สายกลางมันทำเยอะไปมันไม่ดูสังขารท่านก็บอกเนี้ยพอพอร่างกายไม่ไหวมันก็ทำให้สติเรามันเหมือนแบบมันไม่ไม่ดีอะค่ะหลวงพ่อประมาณนี้ค่ะหลวงพ่อ เต่องต้องรู้จักแบ่งรับแบ่งสู้อยู่ร่างกายก็ต้องการอาหารต้องการการพักผ่อนคือหนูทำก็ไม่ดีน่าเกินไปก็ไม่ดีต้องพอประมาณหนูก็บางทีก็ชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงหรือชั่วโมงแล้วหนูพักแค่ห้านาทีไม่ถึงสิบนาทีหนูเล่นต่อเลยอย่างเงี้ยหนูพ่อมันมันถ้าทําได้ก็ทําไปถ้าทำไม่ได้ก็ต้องก็ต้องก็ต้องลดลดลงค่ะหลวงพ่อ แล้ว้้มากขึนวออพอหนูปฏิบัติแบบนี้พระอาจารย์ที่วัดก็บอกว่าบอกว่ามาถูกทางแล้วให้ปฏิบัติแบบเหมือนที่หลวงพ่อบอกว่าไม่ให้ทิ้งนะคะจะจะได้ไม่ได้ก็ให้ทําไปแบบเนี้ออค่ะหลวงพ่อแต่เรื่องเวลาจิตสงบเนี่อย่าเพิ่งไปพิจารณาให้มันสงบไปจนกว่ามันจะถอนออกมาค่อยไปพิจารณาค่ะหลวงพ่อหนูก็นึกถึงที่หลวงพ่อสอนนะคะว่าให้มันสงบนานๆจนจนมันหมด กำลั ง, ลงของ<า>แล้วเราค่อยหันค่อยๆมาลองพ<ร>ิ จ, จนารณาค่ะห น, หนูหนูก็เป็นแบบอย่างเงี้ยค่ะลหลวงพ่อหนูก็เริ่มเริ่มเข้าใจอ๋อที่หลวงพ่อบอกว่าความสงบอะไรนะคะหลวงพ่อที่เนื้อปลาความสงบสมบูรณ์อ่าใช่ค่ะหลวงพ่อกิณติพลังสุขังค่ะชฉลิเนี้อปบาความสงบไม่มีค่ะหลวงพ่อหนูก็คือรู้สึก ไม่คิดว่าตัวเองจะไปไปอยู่อย่างนั้นได้แล้วก็จะไปปฏิบัติได้ค่ะหลวงพ่อคือไม่เคยไปทําอย่างนั้นเลยหลวงพ่อถ้ามีธรรมะแล้วมันพาเราไปธรรมะจัดสรรให้เราเองน้องผัวค่ะหลวงพ่อแล้วทีนี้หนูก็คือตอนแรกที่มันไม่ค่อยสงบอ่ะหนูกังวลตรงที่ว่าเรากลัวว่าเอ๊ะเราเป็นผู้หญิงคนเดียวแล้วมาปฏิบัติเงี้ยแล้วแล้วเวลาเราขึ้นไปสวมนมณ์หรือไปในอย่างเงี้ย พระกับเนนที่นั่นดีดีมากๆากพะหลวงพ่ อ, พอท่านก็จะคอยดูว่าเาเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยพราะว่าหนูไม่เคยขึ้นไปแบบอย่างนั้นอะ่ะหลวงพ่อแล้วเสร็จแล้วแต่ในใจหนู่กังวลว่ามันไม่เหมาะไม่ควรหรือเปล่าผู้หญิงคนเดียวมันก็ทําให้หนูเหมือนจะวอกแวกไม่จิตไม่ค่อยสงบหลวงพ่ อ, พอถ้ากังมีท่านในหลายรูปเป็นอลไรแต่ว่าหนู<ต>เป็นผู้หญิงคนเดียวอยเอ๋อค่ะ ทางมี้าพหลายรูปมีในในเป็นเพื่อนไม่เป็นไรโยคนเดียวไม่มีปัญหาเลยค่ะแล้วท่านก็บอกว่าถ้าจะมาปฏิบัติเมื่อไรอ่ะมาได้เลยอะไรเงี้ยค่ะหนูหนูก็เออโอเคว่าพอพระอาจารย์ท่านอนุ ญ, ญาตหนูก็อ่าไประวังอย่ายไปอยู่สองต่อสองกับภพนึงด<ม>้วยกันไม่ค่ะพระอาจารย์เขาที่วัดเนี้ยพอท่านฉันอาหารจัหันเช้าเสร็จน่ะ ท่านจะไปไปปฏิบัติเลยค่ะหลวงพ่อแล้วท่านไม่ออกมาแล้วท่านบางทีท่านไม่ฉันข้าวสองวันอะไรเงี้ยท่านท่านบอกว่าท่านจะเล่งเล่งเพียรนะคะหลวงพ่อทอาหานี่ค่ะท่านอดอาหารค่ะท่าได้ปฏิบัติอย่างตอนนี้ไม่ต้องมากินไม่ต้องมายิ่งกับการบินสบายใช่ใช่ค่ะท่านเว่ยเว่เป็นเว่ค่ะหนูก็ครั้งแรกเลยที่แบบหนักหนักแบบเนี้ยหนูไม่คิดว่าหนูจะไปรอดนะคะหลวงพ่อเพราะว่า มันก็กลัวค่ะหลวงพ่อที่หนูบอกหลวงพ่อว่ากลัวแต่ว่าต้องไปลองทำดูแล้วก็จะรู้เองค่ะหลวงพ่อทีนี้ก็อยู่ได้พอวันสุดท้ายหนูก็ช่วยทําอะไรอ่ทําความสะอาดถูที่พักล้างห้องน้ําอะไรก่อนที่เราจะกลับอะไรเนี้ยค่ะหลวงพ่อดีทำคนประโยชน์ได้ครับค่ะหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อที่หายไปอาทิตย์หนึ่งก็ได้มาประมาณเนี้ยค่ะหลวงพ่ออ่าดี ทำต่อไปนะอยู่บ้านก็ทําที่ทํางานดูเวลาว่างก็ทําค่ะก็หนูก็ยังไปเหมือนเดิมค่ะตอนเช้ามีเวลาหนูก็ขึ้นไปปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะหลวงพอ่อถ้ามีวันหยุดก็ไปถ้าไปวัดได้ก็ไปค่ะหลวงพอ่อไปมันมันได้เยอะกว่าทําที่บ้านใช่ไมใช่ใช่ค่ะ<ม>คือหนูไม่ต้องมากังวลว่าเราจะเตรียมโน่นเตรียมอะไรเงี้ยแล้วแล้วมันก็ดีอีกอย่างค่ะหลวงพ่อพอที่บ้านเขาเป็นห่วงตอนเช้าอ่ะค่ะ หนูก็บอกว่างั้นก็ตอนเช้าก็หาอาหารก็มาถวายพระมื้อเช้าก็ได้ตอนเจ็ดโมงครึ่งอะไรเงี้ยคะ่ะคือแม่แล้วก็คนที่บ้านก็มาประมาณสามสี่วันคะ่ะได้มาถวายอาหารพระตอนเช้าแล้วเขาก็กลับไปอะคะ่ะหลวงพ่ อ, อหนูก็ทําปฏิบัติพอเสร็จธูระเสร็จหนูก็ปฏิบัติเลยคือคืนเน้นเลยคะ่ะหลวงพ่อจนแบบจนเขาเเขาไปจากกรุงเทพไปเชา้าเยินกลับนงี้ยนะเออ แม่ค่ะคือบ้านบ้านเดิมหนูอยู่นครนายกอะค่ะหลวงพ่อที่หนูเคยบอกหลวงพ่อว่าวันศุกร์หนูจะกลับไปหาแม่อะค่ะแม่อยู่นครนายกค่ะค่ะหลวงพ่อก็ได้ข้อมูลอยู่ยูกับครอบครัวใช่ค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่วุฒกาแต่ถ้าเป็นเป็นวันศุกร์หนูจะกลับไปบ้านที่บางบัวทองค่ะหลวงพ่อเพราะว่าวันวันทําวันทํางานก็จะมาอยู่ตรงคอนโดวุฒิกาค่ะหลวงพ่อ บางทีก็กลับไปเยี่ยมแม่ที่นครนายกค่ะจ ะ, จะกลับทุกวันสุกระค่ะเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะไปก็จะไปไปวัดบ้างไปส่วนใหญ่ก็จะไปอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนค่ะหลวงพ่อแล้วก็ปฏิบัติเที่ยวเหเราเราชอบาต้องเข้าวัดกันค่ะหลวงพ่อไปเข้าบาเข้าบ้านะค่ะหลวงพ่อหนูไม่ได้ไปงั้นหลวพ่อเขาตอนนี้ที่ออฟฟิศหนูมัน มันก็น่าเป็นห่วงอีกคือมีคนติดโควิดเนี่ยหนูก็อยู่แบบอยู่แบบต้องระวังอะไรเงี้ยมัอคอยใส่หน้ากากไว้ตลอดเวลาค่ะหลวงพอ่อวันนี้ก็เพิ่มมาอีกอเพิ่มมาอีกหนูอยู่อยู่ชั้นทํางานอยู่ชั้นเก้าก็มีคนชั้นชั้นแปดอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่กักตัวแล้วก็ไม่ป่วยกลับไปอ๋อเขาก็รักษาค่ะหลวงพอ่อเขาคือเขาไปตรวจแล้วว่าหมอเขาเฟิร์มแล้วว่าเป็นค่ะหลวงพอ่อแล้วก็บางคนที่อยู่สุ่มเสี่ยงก็กักตัวค่ะหลวงพอ่อ ถ้าเป็นเขาก็ไม่ให้ไม่ปล่อยให้มาทํางานใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้ก็มี work from home ค่ะหลวงพ่อก็มีสลับกันนะคะหลวงพ่อก็ค่อยใส่หน้ากากไว้แล้วค่อยเช็ดมือล้วมือค่ะแล้วก็อย่าอยู่ใกล้อยาอยู่อยู่ใกล้กันค่ะหว่อวันนี้หนูก็รายงานหลวงพ่อแค่นี้ยค่ะหลวงพ่อโอเคทำต่อไปนะใช่สิเป็นค่ะหลวงพ่อกลับเขาก็คุณหลวงพ่อค่ะสาธุด คุณโกเดียปัญญาใช่ไหมโกเดียวันนี้รับเป็นเพื่อนใน facebook ก้วใช่ไหมครับรับเรียบร้อยครับอขอบคุณครับมีอะไรไหมวันนี้อืไม่มีครับผมมารายงานตัวครับอยู่ปัญญาตายใช่ไหมครับก็กักตัวอยู่คอนโดครับเพราะว่านักเรียนปิดเทอมแล้วตอนแรกแทนไว้กับลําปางครับแต่ มมีประชุมที่กรุงเทพครับแล้วก็อยู่กุ่มเสียกงก็เลยคิดว่ากลับมาอยู่คอนโดพัทยาที่มาสายบาที่บ้านลำพางอยู่เรื่อยเรืออยใช่ไหมโอยผมขาดช่วงไปสอบอาทิตย์แล้วครับาชหน้าไปครับครับผมก็อยู่คอนโดเรทยใต้ครับโอเคนี่ครับนี่ไม่มีอะไรก็ขอไปที่ท่านต่อไปนะครับโอเคคุณทานาพลเชิญคุณทานานพลสวัสดีเจ้าค่ะ ได้ยินใช่ไหมเจ้าค่ะได้ยินชัดจ้ะว่ามันอะไรแต่นาตาคนเดินไปข้างนอกค่ะเลยหนูคนเดียวค่ะอ่ามีอะไรไหมวันนี้ก็ที่อาทิตย์กแล้วก่อนอนุญาตพระอาจารย์ให้ลูกชายเอ่อเขียนอ่าถอดคำพูดของพระอาจารย์นะคะอ่าอือค่ะก็คือจะหลอกให้เขาแบบได้ฟังทาเรื่อยอ่ะฟังทำไได้เสียงทำมาได้แต่แต่ว่าเขาฟังเป็นภาษาต้งเป็นภาษาอังกฤษอะค่ะค่ะก็ ก็บอกเว่าทําแล้วก็เดี๋ยวมาหลังโควิดให้ไปส่งพระอาจารย์นะเจ้าค่ะอพระอาจารย์แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเออพอดีตอนนี้ยโควิดก็ไม่ได้ไปออกกําลังกายเราก็เลยใช้วิธีวิ่งเอาอ่ะค่ะพระอาจารย์ตอนที่วิ่งเนี่ยเอาจิตไปไว้ที่อื่นจะไม่ค่อยเหนื่อยแต่ก็ยังดูลงอยู่นะคะแต่ว่าเมื่อดูลงก็ได้ดูที่ท้าก็ได้เวลาวิ่ง ใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะอาจารย์ ม, มันมันไม่ค่อยเหนื่อยอะค่ะแต่พ อ, อเรามันรู้ถึงความเหนื่อยมันเหนื่อยทันทีเลยค่ะพระอาจารย์อืะอพราะตอนมีสติที่จิตมันไม่จิตมันมีความความว่างความเย็นมันก็เลยไม่ได้ไปสร้างความรู้สึกขึ้นมาอ๋อเจ้าค่ะไม่ได้ไปสร้างเวทนาขึ้นมาใช่ค่ะใช่เอาไม่ถึงว่าถ้าจิตไปอยู่ที่เท้ามันจะไม่สร้างเวทนาใช่ไหมค่ะใช่ คือเวทนาทางจิตเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่รู้สึกเหนื่อยไม่แต่พอแต่ถ้าเราไม่ไปมีอะไรผูกจิตจิตไว้าเดียวมันก็ค่อยๆเหนื่อยใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะค่ะแล้วมันก็ทําให้เราวิ่งได้นานขึ้นยาวขึ้นพลังค่ะใช่ครับเจ้าค่ะถูกต้องดีแล้วนะเอ่อเจ้าค่ะค่ะอันนี้วิ่งมีสติดีกับแบบไม่มีสติออมันไม่มีสติคิดไปคิดมาเดี๋ยก็รู้สึกโอ๊ยเหนื่อยนะ ค่ะค่ะพยายามที่จะไม่ให้จิตไปคิดเรื่องอื่นนะคะในระหว่างวันอย่างเดียวใช่ค่ะค่ะในระหว่างวันก็เหมือนกันเจ้าค่ะอค่ะแล้วมันจะรู้สึกเบาโล่งว่างสบายไม่หนักหกหนักใจค่ะอาจารย์เจ้าคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยความโลภกดหลงเนี่ยยังเอาไม่ค่อยอยู่อะค่ะมันบางทียังชั่วมันไม่ได้แต่สติอ่อนปั้บโลภกดแล้มันก็จะผล่ขึ้นมาเจ้าค่ะ แต่ว่าถ้าได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เงี้ยค่ะมันก็จะมันจะจะเย็นใช่อ่ะใช่ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดไปเจอคนที่รอบตัวที่มีตรงนี้เยอะๆเราก็จะเสรอร์ฟไฟไปกระตุน้นค่ะใช่เจ้าค่ะเหมือนเราอินทรีย์อ่อนใช่ไหมเจ้าค่ะใช่อินทรีย์เรายังถูกเสียงแวดน้องมาคอยกระตุ้นอยู่ถ้าอยู่เสียงแวดล้องที่ดีมันก็มันก็สงบแล้วถอยู่ในเสียงแวดล้องที่ไม่ดีมันก็ฟุ่งขึ้นมา เจ้าค่ะพระอาจารย์รู้ตัวนะคะรู้นะคะแต่เอาไม่อยู่ะะอ่ะค่ะอาจารย์ถึงสอนให้ครอบคนให้ครบบัณฑด็จอย่าไปก็คนพานอย่างไปอยู่ใกล้คนพานคนพานก็คือคนที่มีกิเลสก็บัณฑด็จก็บันเด็จก็ถ ค, คนที่มีปัญญาไม่มีกิเลสเช่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้าค่ะนะค่ะเดินครอบคนนะอย่าไปครบคนที่ทําให้เกิดอารมณ์วุ่นวา ย, ยาต่างขึ้นมา นี่ทำให้จิตสงบเออย่างคนกันมาฟังธรรมเนี่ยจิตสงบถ้าไปเข้าห้องนี้ก็คุยเรื่องการเมืองกันนี่ร้อนถึงมาแล้วอย่างนค่ะค่ะค่ะใช่เจ้าค่ะอ่ะอาธนาพนมนแล้ววันเสาร์วันเาร์อ่าเป็นยังไงสบายดีไหมก็สบายดีครับอาจารย์มีอะไรจะถามไหมคําถามวันนี้ก็มีมีมีหลายท่านถามไปแล้วครับก็ได้คําตอบไปแล้วครับอคันนี้เพียงแต่ว่าจะ ขออนีต้ตอนเนื่องไปนิดเนี่ยครับคือคือบางครั้งเวลาภาวนาในบางวันก็ก็รวมเร็วพอรวมเร็วแล้วเราก็จะว่างจะจะสงบได้ได้เลยนะครับแต่ครั้นี้บางวันก็มันก็จะจะเปลี่ยนเป็นภาคเหมือนกับว่าจะมีผู้รู้ขึ้นมาเราก็นั่งดูความคิดไปอย่างเนี้ยครับแล้วก็เราก็แล้วก็เราก็ดูความคิดไปก็ก็โอเคมันก็จะเห็นเห็นมันเป็น แล้วจะเห็นมันเป็นเป็นเหมือนมันจะไปอยู่รอบนอกตัวเราอ่ะมันจะเป็นวงรอบแต่มันจะไม่สงบท่านดูครับทิ่นั่งจิตจะไม่สงบครับก็เลยคำถามก็คือว่าเราควรจะไปภาคไหนดีครับแล้วเราควรจะกลับมาที่พุทโธแล้วกลับมาดูลมดีกว่าให้ให้ให้เป็นสงบไปดีกว่าสงบดีกว่าเพราะตอนนี้จิตเรายังกําลังยังมีน้อยเดี๋ยวความคิดคิดไม่ดีมันพุ่งขึ้นมาแล้วก็หยุดไม่ได้ครับ เราได้ฝึกสติให้มีกําลังมากๆก่อนะให้มันมีสามารถหยุดความคิดหยุดอะไรได้ก่อนแล้วค่อยไปดูความคิดต่อไปครับคืออย่างนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะหยุดความคิดคือเราอกตัดเหมือนเราตัดออกเลยนะครับเหมือนกับเราโครับครับเหมือนกับเราปิดปิดสวิตต์ไม่ไปรับเขาเลยแล้วก็ใช้ถ้าเราหยุดได้โดยที่ไม่ต้องใช้พูดโธก็หยุดได้เลยก็ดีถ้าท่านหยุดไม่ได้ก็ต้องใช้พูดโธช่วยหยุดคนระับ ได้ครับมันสวนบนเ์ก็ไครับพราะปัจจุบันใช้ใช้ใช้ดูลมอะครับใช้อนาครับอื่ครับบางทีถ้าดูดูลมมันไม่หยุดก็ต้องใช้พุทโธได้ครับนะพุทโธเนี่ยของวิเศษครับอ๋อพอดีมีคําถามหนึ่งไม่ขึ้นมาได้ครับอาจารย์ไม่ขึ้นมาได้สดๆคือเคยเคยเคยไปเอเข้าอบรมกับคุณหมออมมาลาครับอคุณหมอ แล้วคุณหมออมมาลาก็เคยเคยพูดถึงเรื่องนึงว่าเอหลวงตาบัวเคยพูดคํานึงว่าเอ อ, อาวิชาเนี้ช่างผ่องใสยอย่างยิ่งอันนี้ไม่เข้าใจครับว่าว่าในใ น, ใ น, นในมุมเป็ายความว่าในมุมก็คือการปฏิบัติพอถึงท่านสูงสุดแล้วนะมันจะไปเจอตัววิชาครับแต่ก่อนหน้านัา้นมันจะส่งลูกน้องมาให้เราสู้กับมันอมเอาความโลภความโกรธอะไรมาให้มาสู้กับมัน แต่พอไปเจอที่ตัวถึงตัวอวิชานี่มันเป็นตัวความหลงอื mm. ้ความหลงเนี่มันทําให้เรามันมันทําให้จิตสว่างสวยัยตอนนั้นจิตมันละเอียดแล้วก็ตัวหยากหยากที่เดีดต่างๆมันหายไปหมดตัวกำกำจัดเหลือแต่ตัวอวิชาเนียตัวที่ละเอียดตัวนี้มันจะสว่างสวยัย ถ, ถ้าถ้าถ้าไม่ใช้ปัญญาก็จะไปติด ทวิชาไปติดกิเลสไปรับใช้ท้ววิชาไปรักษาปกป้องท่านที้จะไปฆ่ามันอ๋อโอนี่ตัวยากอื่างนคือคือถ้าถ้าเรียกว่าคือเหมือนกับว่าผู้ปฏิบัติถึงแม้ว่าปฏิบัติไปขั้นสูงๆแล้วก็ก็จะไปเหมือนก็ถ้าจะพลาดก็คือพลาดตรงนี้เลยไปเจอข้อสอบที่ยากขึ้นมันก็คือเป็นข้อสอบถ้าไม่มีครูบาอาจารย์คอยบอกคอยสอนมันก็จะหลง ก็จะไปน่าไปชอบแทนที่จะไปทําลายมันเพราะไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงเนี่ยอำนามันจะสว่างสวายแต่มันก็มีเวลาที่มันไม่สมันก็จะมันก็จะเฉาลงได้ครับพอเวลามันจะเฉาเราเราก็อยากให้มันสว่างเราก็เลยใช้สติใช้ปัญญาคอยปลุกมันให้ขึ้นมาสว่างอ๋อเพราะจิตมันที่มันสว่างสวายก็เพราะอำนาจของสติปัญญาที่เราใช้ในการปราบดีเรตต่างๆ พอมาเจอตัวสุดท้ายนี่มันกับแทนที่จะไปทําลายมันก็กลับไปรักไปรักไปไ ป, ปกป้องมันไปรักษามัน oh. อย่า ง, งนต้ตาท่านก็เคยพูดว่าอวิชชานี่ตอนต้นก็คิดว่ามันเหมือนเสือ oh. พอไปเจอตัวจริงมันบองมันเป็นเหมือนนางบางเงารู้จากนางบางเงาไหมปกศพนีไงศพนีนี่ยันยื น, ย, นยืนอยู่ข้างหลังบางเงาไงเวลาอ๋อครับ hmm. มันสวยมันน่ารักนะฮะอ๋อมันไม่ใช่มันไม่น่ากลัวมันเสือครับแต่เวลาที่เรายังไม่เจอตัวมันเราคิดว่ามันคงจะโหดร้ายทารุณในตัวนี้เพราเห็นลูกดองมันแต่ตัวนี้มันได้ดายทั้เนี้นค่ะตัวขังโกดคาดภาพครับคือเรียกว่าถ้าเห็นเสือยังดีกว่าเพราะว่าเสือมันดูแน่กลัวแต่พอไปเจออย่างนี้ปุ๊บมันมันหลงไปกลัวเอ่ากลาไปรักไปชอบมันมันเป็นเลื่อนกับมัน ครัแทนที่จะทําลายม is, be, like, es, s <S ันส like. uh ู้มันนไปรับใช้มันไปปกป้องรักษาให้มันสว่างนี้เรื่อยครับอืๆเข้าใจแล้วครับอาจารย์ได้ได้เราเรื่องเรื่องที่ให้รูปแบบ์ออบอกเลยเฉยแล้วก็แประก็เขาไปถอดถอดคาเป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้จะเป็นก็โรงเรียน โรงเรียนที่เป็นอังกฤษโปรแกรมอ่ะครับโรงเรียนรัสอ่ะครับ E.P. ครับคือไปถอดเอาเอาใน YouTube ชุดที่เขียนว่าที่เป็นเรื่อง The Key to Meditation เนี่ยครับแล้วก็ให้เขาไปถอดดูแล้วก็ไปใช้ Google ถอดให้นะเดี๋ยวนี้มันมีโปรแกรมใช่ใช่ใช่ค่ะแอวดูอยู่ค่ะก็แอบดูอยู่เราก็ไมมีโปรแกรมภาษาที่ให้มันให้มันให้มันถอดเครื่องมันถอดให้เองเพให้เลย ก็จะมีบางอ่าจะมีบางคําที่เป็นเขาใช้คำว่าเทคนิคเติมค่ะใช่ค่ะเขาก็จะหันมาถามเราว่าไม่เข้าใจคํานี้ครับพระอาจารย์บอกคําว่าสติปัฏฐานสูตรสติปัฏฐานสูตรตาราเนี่ยครับเขาก็เขาก็หันมาถามว่าว่าอันนี้คือก็คือสติปัฏฐานสูตรนะครับสติปัฏฐานสูตรค่ะถ้าเอาแปลทับศัพท์ไปถ้าเจอเจวิญญาณสังขารอะไรก็เอาแปลตาม ตามทั้งคันไม่ต้องไปแปลความหมายเวทนาอะไรเงี้ยคันห้าให้เขาค่อยๆซึมไปเนี่ยใช่ใช่อะศีลทายลักอะไรเข้าเใจโอเคนะเอาเถอะเดี๋ยวไปคุยต่างๆไปคุณเจ้าค่ะคสนพัฒนาอยากบอวินเชิญได้ยินไหมเจ้าค่ะ ได้ยินจากชัดเจการระมัดระวังพระอาจารย์ทศคาก็เอมีข้อสงสัยอยู่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วแต่ว่าไม่ได้เข้ามาที่สุโขทัยปฏิบติไปต่างจังหวัดเมื่อเอพระอาจารย์มาวันนี้มีมีเทปธรรมะของพระอาจารย์นะฮะก็มาตอบอตรงข้อสงสัยที่ว่าพระอาจารย์สอนว่าตัวเราเนี่ยประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟแล้วทีนี้มันก็ ทำให้เลยมองไปเห็นไม่ว่าไม่ว่าพืชไม่ว่าสัตว์ก็ประกอบออด้วยธาตุดินน้ำลงไฟเชื้ิการทีนี้ก็มีข้อสงสัยว่าไอ้ที่ที่เรามองเห็นตรงนี้มันเกิดจากอะไรพอดีวันนี้มีโยมถามพระอาจารย์นะพระอาจารย์ตอบว่าถ้าถ้ามองพระ อ, อาจารย์อบอกว่าถ้าเห็นแล้วทิ้งได้วางได้ก็จะเป็นปัญญาที่ที่ ที่คําตอบตรงนี้นะคะโยงขออนุญาตให้ฟังคําตอบจากพระตัานอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับไม่รู้อะไรจำไม่ได้คือให้เห็นว่าต้องอย่างเป็นดินน้ําลงไฟก็แล้วตัวตนร่างกายเราถ้าทามาจากดินน้ําลงไฟต้นไม้ก็ทํามาจากดินน้ําลงไปะหฟของบางอย่างมันก็เป็นน้ําำธาตุน้ํำอย่างเดียวเช่นน้ำในแม่น้ําก็เป็นธาตุน้ํานมที่บ้านก็เป็นธาตุลม ค่ะมันก็เกิดความร้อนค่ะมันก็มีแค่นี้เพื่อมีตัวตนนี่เราพอมาได้ร่างกายนี้เราก็เลยไปหลงไปเรียกว่าเป็นตัวเราของเราอนตัวที่ไปวิดตัวนี้เรียกว่าธาตุรู้เคยตัวจิตค่ะค่ะตัวจิตมันหลงตอนนี้มาปฏิบัติเพื่อมาสอนให้ตัวจิตให้รู้ว่าสิ่งที่ไปที่ว่าเป็นตัวเราของเรานี่ความจริมันเป็นแค่อยูน้ำล ง, งไปยูน้ำลงไปค่ะเแล้วมันก็ต้องแยกตัวออกจากกัน มันมีตัวกันชั่วคราวทําให้เป็นผมขนเล็ดฟันหนังเนื้อขึ้นมาความอยุดหายใจเมื่อไหร่มันก็เรา่มยกกันไปเจ้าค่ ะ, ะนั้นแหละนี่คือปัญญาเป็นอนัตตาอุปังอนัตาร่างกายนี้เป็ น, นาตาไม่มีตัวไม่มีตนเป็นเพียงดินน้ำลมไปเจ้าค่ะ ที่ที่เห็นชัดเจนก็คือตอนที่คุณพ่อเสียเนี่ยพอพอลมพอลมดับปุ๊บเนี่ยตัวก็จะเย็นค่ะก็ค่ะแล้วก็จากตัวก็ผิวก็จะแข็งอันนี้ก็จะเห็นชัดเจนว่าที่บอกว่าเออเหมือนเป็นท่อนไม้และท่อนฟืนนะคะอาจารย์ก็ค่ะอก็เห็นชัดชัดมากขึ้นอันนี้ก็ คือพอดีมีมีมีมมโยมเขาถามว่าโยมถามอาจารย์วันนี้ว่ามันเป็นภาวนาไมายะปัญญาหรือเป็นปัญญาอะไรอย่างเนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นจินตใจอยู่ถ้าเป็นภาวนามันจะปล่อยมันจะไม่ทุกข์กับร่างกายอ๋อเจ้าค่ะคยังยังทุกข์อยู่ป่ะยังยังยังหวงยังกลัวอยู่ป่ะกลัวร่างกายจะเป็นนู่นเป็นนี่ป่ะ ออถ้ารเป็นภาวนาไม่ยามปัญญามันก็จะไม่ไม่กลัวไม่ทุกข์กับร่างกายต่อไปแล้วค่ะไม่ว่าไม่ใช่ตัวเราเหมือนร่างกายคนหนึ่งเรากลัวมันไม่กลัวใช่ไหมร่างคนหนึ่งก็จะตายจะเป็นจะเจ็บจะไม่เจ็บน้อไม่ไปตืเต้นหวาดเจียวไปกับเขานี่ไงจะไปร่างกายของเราแล้วต้องไปตื่เต้นหวาดเจียวกับมันด้วยมันก็ไม่ใช่ตัวเราอย่างเงี้ยใชค่ะ เป็นตอนนี้ยังเป็นจินตาอยู่จินตานไม่บรรดาจินตา น, น, น, นาการนึกคิดไปนึกคิดว่าเป็นดินหน้ำลงไปแต่ยังไงเล็กเล็กมันก็ยังเป็นตัวคูของคูอยู่เนี่แหละใช่ไหมใครมาตัดไได้นะคะยังเป็นยังยังเป็นยังไม่ถึงขั้นที่ที่เราจะวางได้ ใ, ไใช่ัหมจ้ะค่ะใช่ใครยัมโกนหัวเรานี่ฝ่ายมันโกนได้แล้วมันไม่ใช่ตัวเรา ยังหวงอยู่ใช่ไหมยังหวงของอยู่อันเป็นของเราอยู่พระอาจารย์เจ้าคะทีว่าเอ่อการที่เราหวงเนี่ยคือหวงเหมือนเขาว่ากลัวเราจะตายก่อนที่เราจะทําอะไรได้มากกว่านี้อันนี้ถือว่าเป็นกิเลสใช่ไหมเจ้าคะหรือว่าเป็นความคิดว่าเป็นตัวกลัวของกูค่ะอาจารย์ตัวนี้ที่บอกกลัวตายเพราะว่าถ้าตายไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําอะไรไม่ได้มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นกิเลสใช่ไหมเจ้าคะมันก็ มันมันเป็นคำถามที่มันปนกันมันก็เลยตอบยากเคยถ้าให้ยาถ้าถ้าอยากให้มันอยู่เพราะมันเรายังเพราะคิดว่าเวลาร่างกายตายเราจะตายวิริมันเนี่อย่านี้ก็เลยเป็นกิเลสแต่ถ้าอยากให้มันอยู่เพื่อที่จะมาปฏิบัติธรรมนี่มันก็เป็นเป็นธรรมเป็นคนละเรื่องกันอ๋อค่ะเราต้องแยกแยกประเด็นเป็นสองประเด็น เราไปอยากให้มันอยู่เพราะว่าไม่อยากตายยังรักตัวกลัวตายอยู่นี้เพราะคิดว่าเราจะตายไปกับร่างกายอันนี้ก็เป็นกิเลสแต่ถ้าเราคิดว่าร่างกายนี้มันเป็นเครื่องมือใช้ในการปฏิบัติธรรมเราต้องรักษามันเพื่อให้เราจะได้มาปฏิบัติธรรมได้ให้อยุดทวนก่อนหลังจากหยุดเพราวาามันจะตายก็ไม่เป็นไรเหมือนขับรถเนี่ยราเราเรามีรดไว้ก็เพื่อ กลับไปที่บ้านแะแล้วก็ต้องพยายามคอยให้รถมันวิ่งให้ได้ถ้ามันเสียก็ต้องรีบซ่อมถ้ามันไม่มีก็ต้องเติมแต่พอไปถึงบ้านแล้ที น, นี้จะจะมันจะเป็นไงก็ทิ้งมันก็ไม่เป็นไร อ, อันนี้อีกกรณีหนึ่งอกีกรณีหนึ่งนะคะนะคะขอขอบคุณนะคะคุณตอไม่รู้จะตอบอยังไงก็ต้องตอบแยกเป็นสองคำถามไป ล้วรักตัวปวตายอย่างนี้ก็เป็นกิเลสแต่ถ้าสมหวน ร, าาร่างกายรักษาร่างกายเพื่อให้มันมาปฏิบัติธรรมนี่มันก็เป็นธรรมเอาค่ะตอนนี้ก็ในเรื่องของการฝึกสติก็จะจะเห็นว่าตัวเองเผลอบ่อยก็พยายามท่องเป็นการที่เราบอกตัวเองว่าให้มีสตินะให้มีสตินะอันนี้ไม่ใช่เป็นการบังคับใช่ไหมครับอาจารย์ก็เรื่อธิฐานควาไปความตั้งใจ คตั้งใจให้มีสติถ้าเราไม่มีความตั้งใจแล้วก็ปล่อยไปแล้วมันจะมีก็มีไม่มีก็เหมือนเมื่อก่อนที่เราไม่มีความตั้งใจไม่มีความตั้งใจที่จะให้มีสติมันก็มันก็เป็นไปตามอารมณ์บางทีก็มีบางทีก็เพ้อบางทีแต่ตอนนี้เราจะตั้งใจให้มันมีสติไมให้มันเป็นไปตามอารมณ์ให้มันเป็นให้มีสติอยู่อย่างต่อเนี่จนให้มันเป็นสมบัติชั้นะให้์ได้แล้วตอนนี้เวลานั่งสมาธิค่ะ ค, ค่ะอาจารย์เชิญค่ะเรียกว่าเรว่าอธิษฐ า, า, านแล้มีอธิษฐานเรามีควา ม, มตั้งใจที่จะสร้างสติขึ้นมาเรียว่าอธิษฐา น, เ, าาน เ, เพราะว่าตอนนี้เวลานั่งนั่งสมาธิก็ที่ตอนนี้อาจารย์บอกว่าเป็นการหลับช่วงนี้ที่เวลานั่งสมาธิมันไม่หลับแล้วจา้าคะอาจารย์อมันเหมือนกับว่ามันรู้ตัวมากขึ้นมีสติมากขึ้นมันก็ไม่หลับ ก็ะคะ่ะแล้วก็เออมันมีสภาวะเหมือนต่อนหน้าที่จะเป็นการหลับเนี่ยก็คือเวลาเรานั่งไปนานๆเราเนี่ยมันมันเกิดแสงสว่างขึ้นมาในในใ น, ในตอนเหมือนเมื่อก่อนนะคะอันนี้ก็น่าจะน่าจะดีกว่าการที่นั่งแล้วหลับกันค่ะอาจืมมันจะมีอะไรก็ให้รู้เฉยๆแล้วกลับมาดูที่ลมนะพุโทโธต่อไปอย่าไปสนใจนะคะ อ๋อเพรก็จะพยายามรู้ว่าแต่ก่อนมันจะนิ่งสงบกจะว่าตอนนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรให้รู้เฉยเฉยเ้าค่ะโอเคนะนทำมาขอบพรคุณเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะจากคนจากคนสุวัฒนาไปสู่คุณพัฒน์เนี่ยมีเจตการใช้คุณพัฒน์ครับกราบธรรมสการ์ครับพระอาจารย์ครับ สวัส ด, ดีพี่บอยพี่หลาพี่พี่ทุกท่านด้วยนะครับอยู่ประเทศท่นอยู่ลบลีครับรลบอง ค, ครับมีอะไรไหมวันนี้อ๋อครับก็จะสอบถามพระอาจารย์นะครับว่าถ้าแบบว่า เ, เขาไปนั่งสมาธิตรงหน้าผากันเนี่ยเขาไปนั่งกลางวันหรือนั่งกลางคืนนะครับได้นั่งกลางวันนั่งกลางคืนคือเป้าหมายก็คือเพื่อไม่ให้ง่วงนครับธรรมดามันคนบางคนที่ง่วงนั่งตรงไหนมันก็จะสับสน ก็เลให้มันไปนั่งที่หน้าผาถ้าสงบโอกโหมันจะทิ่มลงไปครับแล้วเรามีไหมครับพระอาจารย์เคยได้ยินไหมครับคนที่หวดทิ่มหน้าผาตายไหมครับนั่งไม่มีเราทําไปมันก็มันล้นแต่มันมันจะทิ่มมันก็สติมันก็มาทันทีอ๋อครับครับไปก็ให้มันปลูกสติขึ้นมาครับในบางคก็ไปเดินที่ตรงไหนไปนั่งสมาธิแถวที่มีทางเสือผ่าเห็นรอยเท้าเสือตรงไหนก็ไปนั่งครับพอที่ถึงเสือมันจะมาได้มันมันหายง่วง คงวง่วงอันนี้เป็นอุบายวิธีแก้ความง่วงแต่ไม่รู้นะว่ามีคนตกเหวตายมี้หรือเปล่าไม่มีใครมาเล่าให้ฟังถ้ามันตายก็คงยังไม่มี ม, มาเล่าให้ฟังไม่ได้แต่ก็ไม่มีหรอกอันนี้ครับอันนี้ที่ที่ที่บาเล่านี่ก็จังอ่านหนังสือของน้องตาที่ท่านเขียนปฏิปทาของพ่อทวดองธรรมาทานนีค้ค่เราไปอ่านหนังสือเร่นี้ดูเลยครับ ไปเสด็จหาก็ได้ปฏิปทาพระธุรดวงสมถานพวกเราปฏิบัติเท่้งหลาเนี้เยเปอ่านหนังสื่นี้ดีนะว่าหลวงตาท่านไปไปสัมภาษณ์ครูบาอาจารย์แต่และองค์ว่าท่านปฏิบัติกันอย่างไรบ้างแล้วท่านก็เอามาถ่ายทอดทําเป็นหนังสือออกมาแต่ท่านจะไม่กล่าวถึงชื่อของอาจารย์ น, นั้นเพราะบางท่านท่านยังมีชีวิตอยู่ไม่อยากจะไปลบให้คนไปรบกวนท่าน แต่บางที่ท่านเสียไปแล้วบางทีท่านก็จะจะเอ่ยชื่อยังงี้นัหนังสือของหลวงตาที่น่าอ่านสองเล่มก็คือประวัติพาาระาพาาาาพาอาจารย์มั่นแล้วก<ะ>็ปฏิปทาพระธุนโงนกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่นครสองเล่มนี้จะเป็นคู่มือขอ ง, ของผู้ปฏิบัติประวัตินี้จะเน้นไปทางด้านผู้ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติให้เกิดศรัทธาเกิดความเชื่อในเรื่องธรรมต่างๆ แต่สารบผู้ปฏิบัติแล้วในอันนักเซิรตปฏิปทานี้จะเป็นเหมือนคู่จะมีรูปายวิธีแปลกๆไว้อย่างวิธีศึกสมาธิวิธีอดอาหารวิธีสู้ต่อสู้กับทุกเวทนาวิธีต่อสู้กับความกลัวอย่างละเอียดมากครับวันนี้มีโอกาสนึกถึงได้ก็เลยแนะนําไว้ครับเมื่อกี้ขออนุญาตไปพิมพ์ไว้ในโทรศัพท์แล้วครับเดี๋ยวจะได้ไปไปหาด <ไป S 2> <า>ูได้ครับ เอาวันนี้มารายงานตัวพระอาจารย์ครับแล้วก็ขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ครับไม่ต้องฝากแล้วก็ไม่รับฝากไม่รับฝากจะเป็นก็เป็นใครจะไม่เป็น <c oughs> ก็ไม่เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไม่เป็นก็จะมาขอถอนอีกอ๋อค ร, ครับเราไม่รับรู้ทั้งนั้นใครจะเป็นลูกศิษย์เราต้องให้เป็นลูกศิษย์เรามันอยู่ที่ใจมันทุ่นครับผู้อาจารย์ก็ปฏิบัติตามก็แล้วกันถ้าไม่เป็นลูกศรริษย์ก็เลิกปฏิบัติตามแก็เท่านั้นครับ ช่วยแบบวันแบบวันไหนที่เิกพระาจารย์ช่วยมาต บ, ตบตบให้ปฏิบัติตอ่อไงครับไม่าไม่มีเวลาไม่ต้องเสียเราเป็นคนติดตามเป็นหนุนเป็นจานมีเป็น <c oughs> ก็ปล่อยให้ตามคนทําไปตามอัธยาศัยครับ <c oughs> ถ้าปฏิบัติตามก็ถือเป็นลูกศิษย์โดยปริยายไปโ <c oughs> ดยอัตโนมัติถ้าไม่ปฏิบัติตามก็ถือว่าไม่ใช่เป็นลูกศิษย์ก็มีท่านี้วิธี <c oughs> ไม่ต้องมาตั้ง อไม่ต้องมาเอาดอกไม้ทูบเทียนมากราบมาไหว้แล้วมากราบมะยังพันเตอะไรไม่ต้องนี่เพราะนั้นมันเป็นเพราะนั้นมันพิธีเก่านะครับสิทธะไม่แท้นะี่อยู่ที่ปฏิบัติตามผู้บาดยาหรือไม่ครับงั้นดูตรงนี้ก็แล้วกันเราเป็นศิษย์พระพุทธเจ้าต้องทําพระสงฆ์หรือเปล่าถ้าเราไม่ปฏิบัติตามเพราะที่พระพุทธทพระธรรมพระสงฆ์สอนเราเราก็ไม่ได้เป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้า แต่ม้จะกล่าวพุทธทางจะนางกระฉา้ไม่จนปากเปียกปากฉี่มันก็ไม่เป็นลูกศิษย์นะครับพระอาจารย์ครับพระพระกับพระภพพิกษุเนี่ยมาสนทนานในซูมกับพระอาจารย์ได้ไหมครับแล้วไม่ได้ห้ามอย่ะไรเลยท่านอยาก <ๆ S 2> จะเห็นว่าเป็นมีแต่ญาติโยมท่านก็เลยอาจะไม่ไม่ <ๆ S 2> ขเข้ามา ค, คแต่ใครก็ามาได้้นะเพราะเราไม่ได้ถือว่าเป็นพระหรือเป็นคารวะเราถือเป็นพระเป็นผู้ปฏิบัติครับ บางผู้ปฏิบัติต่างคนนี่เป็นก็เป็นคารวาอาจจะปฏิบัติมากกว่าผู้เป็นภพระก็มีเพราพระมัแต่ไปศึกษาบาลงบาลีไปศึกษานั่งทงนั่งธรรมเสร็จแล้วก็ไปพาญาติโยมไปทําบุญทอดปลาทอดกะทิเนี่ได้ตัวปฏิบัติจริงๆไม่ก็อยได้ปฏิบัติกันสังเกตุพระส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้ปฏิบัติกันหลอกใช่ไหมค่ะชอบทํากิจกรรมแบบนี้มากกว่า คชว<า>นญาติโยมทำบุญสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างแม่นสร้างอะไรสร้างกุฏิสร้างอะไร<ช>แต่ท่า<ช>นก็จะ ช, ชวนเราไปปฏิบัติกันถ้าเป็นพระที่ปฏิบัติต้องชวนเราไปนั่งสมาธิในปา่าช้ากันอย่างนั้นถึงจะเป็นพระปฏิบัติครับท่านท่านของคงเป็นสายกิจกรรมครับาาอาจารย์สายกิจกรรมหลายวัตถุมงคลสายกิจกรรมสายสาย สายพิธีกรรมขายบุญบางสังส่วนครุณจักบุญบางสังส่วนนะไหมงานบุญนะการบุญทุกชนิดสังสก์ก็สังกทานบังกะบังสกุลทานศพก็บังสกุลบุญบางสังสก์ก็สังกทานส่วนก็ส่วนส่วนผ่านยากส่วนอะไรกันเป็นพิธีใหญ่โตมโหฬารพวกนี้ไม่ใช่ปฏิบัตินะไม่ใช่ถือว่าเป็นพระปฏิบัติ บทที่เป็นบุญบางสังส่วนเป็นพวกพิธีกรรมครับซึ่งไม่ใช่เป็นแก่นของศาสนาเป็นเป็นิร์บของศาสนาครับเราเวลากินผลไม้เรากินเปิร์บแล้กินเนื้อกินตัวเรียงนี้กินเปิร์บตัวเรียงแล้วกินเนื้อทุเรียนครับทำไมศาสนาพุทธเราชอบมากินเปิร์บของศาสนาพุทธเราไม่กินเนื้อของศาสนาพุทธกันครับ เนื่อศาสนาพุทธก็ทานสิปฏิบัติโดยเฉพาะภาวนาศีล ส, สมาธิปัญญารันนี้แหละคือตัวตัวเนื้อหนังบางสาของตัวศาสนานะครับอันนี้ก็คุยกันเล่นๆให้ฟังนะพูดเกี่ยวข้องกันนานก็เลยไม่เลิไม่พูดไปจ ะ, จะขอเกาะพระอาจารย์ไปด้วยครับพระอาจารย์ไปไหนผมเกาะไปด้วยครับ <laughs> ขอเกาะไปด้วย <laughs> เราก็ไม่ได้ไปไหนเราก็อยู่ที่นี่มาตลอดก็ก่อะทำจ้อนอยู่กั น, นอย่าเกาะรับตัวนีมน้มันก็มีอาการสาม32เหมือนกันนะ่ะคมีน้าลงไฟเหมือนกันใครเกาะธรรมะยังก็วิทธเจ้าบอกผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราคพุทธาจ้าบอกก่อให้เกาะชายพระเหนแต่ไม่ปฏิบัติก็เหมือนอยู่กันห่างไกลเป็นโยนคอด ถ้าอยู่ห่งางไกลกันเป็นโยต์แต่มีการปฏิบัติก็ถือว่ามันได้ก่อชายเพิ่มนะอยากจะกอ่อติดก็ปฏิบัติหน้ภาวานานสติสมาธิปัญญาให้มากมากจะจ ะ, จะบอกว่าอาจารย์วันก่อนหนังสือผมได้ไหมครับจะขอโชว์ได้ไหมฮะจะได้เผื่อท่านใดหนังสือที่พิจารณาสุภะกรรมฐานเนี่ยอของที่อาชีพอะไรใช่ใช่ที่คล้นานที่ช้อปปีเเล่นมาอะไรเขาคิดเถอะเออ มันเขามันในนี้มันสองร้อยแต่เขาคิดร้อยแปดสิบแล้วมันก็มีค่าส่งอีกสี่สิบห้าเป็นสองร้อยกว่าบาทครับอืมก็ีอคุณบริ e เป็นคนแนะนำใช่ไหมน่าจะเป็นชื่อพี่มาเหมี่ยวหรือยังไงผมไม่แน่ใจชื่เป็น user อร์บริษยิงอยู่ข้างบนคุณนะอ๋อครับดีไหนดูโปกอีกทีแลุ้ณให้เต็มหน้าหน้าเต็มเยกขึ้นมาหน่อยครับอเป็นโปะแข็งเ ครับปกแข็งครับข้างในภาพมีภาพตัวอย่างไม่ดีมีฮะมีเป็นเป็นอ่ารูปเดี๋ยวเราเปิดมาดูข้างหน้านี้เป็นรูปอ่ร่างกายเนี่ยครับชิ้นอาการสามสิบสองครับแล้วก็เป็นรูปอ่าศพครับศพไม่รู้โชว์ได้ไหมพญานได้ได้บางคนจะปวดแล้วก็เป็นศพเดินได้อยู่ตอนนี้อันนี้ก็เป็นอสุภะที่แบบแต่ละชนิดชนิดจะครับเอมีร่างกายแล้วมันมาจากไหนมันก็มันอยู่ในร่างกายของเราตอนนี้ครับเห็นแต่ตอนนี้ร่างกายเรามันยังไม่ตายนะ คนไทยเขาก็เลยเขาก็จะชำแหละได้ครับนี่เป็นมีแบบอสุภะทั้งสิบอะครับเอ่าดีครับครับดีมากเราดูแล้วเป็นยงานเราเสิดจิตจกลัวไหมหดหู่ไหมอืมไม่กลัวไม่หดถูครับเอาไว้แบบว่าระงับอ่าตัวกามครับพิจารณาเนี่ยครับจัากามวิ่งนี้เลยนะบางทีมันมันเป็นบางครั้งครับมันต้องสู้กันดุเดือดอยู่ครับอาจารย์ครับ ครับเพราะมันถุดเดือดครับมันแบบมันมีกําลังมากครับบางทีเราก็แพ้บ้างชนะบ้างครับเราไม่มีกําลังที่จะไปเปิดดูเห็นไหเปิดเปิดอยู่ครับอาจารย์แต่ว่าบางทีเราสู้แล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าพลังมันกล้าแข็งครับพลังเราก็อ่อนบ้างเองกับเรานะบ้างสู้กับเรานะครับแต่รู้สึกมันก็ดูแล้วเนี่ยมันภาพมันจะชัดขึ้นเรานึกเป็นอารมณ์มันจะทําให้เราสู้ได้มากกว่าแต่ก่อนเนี่ยครับ พยายามนึกบ่อยๆหลังไปให้มันเอาเข้ามาอยู่ในใจเราจะได้ไม่ต้องคอยไปเปิดหนังสือครัามันเกิดการมาลงขึ้นมาในถึงภาพกับมันขึ้นมาดีดีมากที่คุณถ้าไม่ใช่ถามเฉยๆแสดงว่าเอาจริงเอาจานครับต้องเอาจริงครับตามพระอาจารย์บอกว่าต้องต้องทำเต็มร้อยครับถึงจะได้ของอมีคุณค่าครับของสูงต้องปีนป่ายครับอาจารย์ครับถูกต้องครับ โอเคเอาเท่านี้ก่อนนะครับการประมาสการครั บ, บ, ร ค, รบคุณตั้งรดาจากสตีหิมเป็นยังไงมีอะไรไหมครับการประมาสการค่ะหนูก็มีเหมือนกันค่ะอะ่ได้สั่งมาเหมือนกันเนี่อ๋อดีไหมดีค่ ะ, ะหนูกำลังจะบอกว่าใจตรงกับพี่เมือ่อกี้ได้มาแล้วค่ะอะ่ดี ก็ดีค่ะพยายามดูแล้วพยายามนึกให้มันขึ้นให้มันขึ้นใจมันท่างสุดคุณตอนใ้มองไทยเวลาเห็นก็ประกวนนางงามประกวนนายแบบจะได้นึกถึงภาพเหล่านี้ขึ้นมาอยู่แล้วก็ปรงออคอาจารย์ไม่มีอะไรใช่ไหมก็อ๋อหนูจะถามนิดนึงค่ะว่าเอออย่างเรานั่งสมาธิไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราตั้งเวลาหนึ่งชั่วโมงไว้ค่ะแต่ว่ามัน พุทโธแล้วก็อยู่กับพุทโธตลอดไปเกือบหนึ่งชั่วโมงเลยเท่าที่จําได้คือแต่มันสบายนะคะแต่ว่ามันไม่ไปไหนเลยอยู่แต่พุทโธไปจนหมดเวลาเลยะคะ่ะมันไม่รวมแต่ต้องใช้พุทโธไปตลอดเวละแต่เหมือนเราไม่ได้ต้องไปแบบไปพุทโธพุทธอะไรขนาดนั้นแต่ออไปอรู้ว่ามันพุทโธไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ได้นอนอนองหยุดดูพรกะนั้นอ๋อถ้าเป็นอย่างนี้เราลองหยุดดูได้ล อ, องหยุดดูแล้มาดูรวมแทนก็ได้เหมือน แล้วมันจะแลมันจะลงองเลอกไปกว่านั้นไดถ้าดูลงเฉยๆอ๋อมันเพิ่งเป็นครั้งนั้นก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทําไมทําไมมันอยู่แต่พุทโธอยู่ที่เดียวตรงนี้แล้วก็ทุกทีบางทีมันอาจจะมีคิดแล้วดึงกลับมาหรือบางที ม, มันก็อาจจะลงแต่แตครั้งนั้นสัมปะชญะสติสัมปะชญะสติถาวรไม่ไปคิดอะไแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นเราลองหยุดดูได้เราหยุดเราดูลมแทน ว่าถ้าหยุดดูเราเจิตจะได้ไม่ต้องทำงานจะได้นิ่งมากขึ้นค่ะค่ะอ๋อค่ะคเข้าใจแล้วค่ะมีมีแค่นี้ค่ะพระอาจารย์คุณวิชาด้วยคงวิชาเชิน้นมาจากที่ไหนอันมิ้วปุ่อันมิ้วเห็นไหม อยด้านหาาาน้ที่อจอด้านล่างตรงกลา ง, อ ง, อง <Okay. S 1> เอกนะ่อนละวูดได้แนละ้วครับกับรัศกรผู้จัดครับมาจา ก, าากที่ไหนพ่อแม่ผู้บาอาจารย์มาจากเกาหลีครับเกาหลีเหรอครับคือทางานที่เกาหลีเลยก็กลับบ้านาไม่ได้เลยนะงั้นกลับไม่จด้ผู้จั เป็นยังไงมีอะไรไหมเตื่นตันใจครับอาจารย์ครับที่ได้มาสนทนากับพระรีเจ้าครับก็ดีไปอยู่ที่เกาหลีมานานหรือยังสิสิบปีครับสิบปีเลยอาจารย์ครับแล้วช่วงที่มีโรคระบาดนี้ไม่ได้มาไม่ได้กลับมาเมืองไทยเลยคครับผมตอนนี้สงบแล้วครับอาจารย์ครับ ที่เกาหลีไม่มีแล้วสบายปลอดัยครับแตเมืองไทยเริ่มระบาดอีกแล้วครับเกาหลีเขาแขนง้กร่งนะก้าวจึงพระเจ้าก็ดีมีอะไรจะถามไหมจะถามพระอาจารย์สี่ข้อบพระอาจารย์ถามว่ามาเลยข้อหนึ่งพระสุรเดชันเพอเพอครัพระอาจารย์เพอติดจินข้อสี่ได้นหครับ ก็สิการไม่นะไม่เมุสาคระผูมุสาพระพระอาดิยัตุทุกท่านท่านรักษาสิห้ายิ่งกว่าชีวิตท่านจะไม่ผิดเสียนข้อใดข้อหนึ่งห้าขุกเผยครับพระอาจารย์ครับเผยปากปากไปพูดไปปากพูดปกนมีสติปัญญาท่านสติปัญญาท่านก่อนจะพูดจะทํำอะไรท่านท่านรู้ตัวอยู่ตลอดเลย ไม่ไม่มีวันไม่ไม่ไม่มีวันที่จะที่จะทําผิดศีลได้สำหรับพารียบุคคลตั้งแต่พารโซดาบั่นขึ้นไปเพอผิดผิดผิดใช่ไหมครับอาจารย์ครับฮะคำคำว่าเพอหนิผิดผิดใช่ไครับเพราะว่าเพอก็าประทังไม่มีสติครับไม่มีสติควบคุมการกินจะจะขาดไหครับจะด่างเจียวพอยไหครับอ๋อถ้าทําผิดศีลไม่ว่าจะเพอหรือไม่เพอก็ถือว่าบาป ต้องมีความตั้งใจด้วยมีความตั้งใจไม่ไม่ตั้งใจครับอาจารย์ครับถ้าไม่ตั้งใจมันเป็นอุบัติเหตุเราไม่ถือว่าเป็นผิดเสียงก็ร่างใจคิดครับแต่ปากพูดไปก่อนครับอาจารย์ครัะนั้นมันมั น, มนถ้ามันพูดด้วยปากนี้มันแสดงว่ามันต้องมีเจตนานถึงพูดออกไปอาการครับขันครับอาจารย์ครับแบบกำลังเสีคงองครั บ, ไ, รรบได้ยังไงแล้วลูก ลูกค้าก็เยอะครับอาจารย์ครับไดค่า<ล>ถามครับแล้วเป็นงานคุณกออกไปนี่ก็ต้อนจะคิดกับตบปากพูดไปก่อนครับอาจารย์เรีเนี้ผิดนห<อ>มครับผิดผิดถ้าถ้าพูดออกมา ก, ก็ผิดนถ้าไม่ไม่เป็นความจริงก็ถือว่าผิดครัผู้สารวาเธอผิดแล้วเสียมจะเสียมไหมครับเสียมจะมาเป็นปุติชนธรรมดาไหมครับอ๋อถ้าเป็นพระสวดาบังถ้าไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่พูดผิดถ้าไม่ ถ้ามีสติท่านจะรู้ทุกคำพูดก่อนที่ท่านจะพูดเลยไม่มีการท้ามือในเรื่องศีลเป็นโซดาแล้วไม่มีวันเสื่อมนี่เรามาเป็นผุุ้ชนอีกต่อไปข้ อ, อ2แล้วเที่ยวเที่ยวผู้หญิงใครบริการให้ปิดจินข้อสามครับจันทร์ ให้จะเหตุการณ์นี้เอาเฉพาะแต่คู่ครองของเราเช่นสามีภรรยาของเราเราไปเที่ยวสามสอนนี่ถือว่าเป็นเป็ น, ปนสุนัขเป็นเดินหมาเดินก้าวเดี๋ยวตัวไหนชอบว่าเนะก็เสพขมันไปเสพเสร็จแล้วก็ทิ้งมันไปแยกมันไปอันนี้ไม่ใช่เป็นตัวเองนี่ของมนุษย์มนุษย์ต้องเป็นนักเดียวโพดเดียว ัวเดียวมีเดียวอยู่กันเป็นคู่ไปเพื่อสร้างครอบครัวขึ้นมาข้อสามเอา้าพระสวดมนตซืโรตีได้ไหมครับอาจารย์ครับเราอยากจะเป็นสาวาบันนะเรื่องอะไรเนีเ่ยนะพระสดาบันท่านไม่ไปหาเงินแล้วท่านหาแต่ทำอย่างเดียวท่านจะไปนิพพานอย่างเดียวท่านไม่สนใจเรื่องลากดุจฉล ร, ส, ร, ส, รสุดนะซืโรตีติดใช่ไหครับ ซื้อลอตเตอรี่ครับก็ไม่ทําหรอกมันมันมันหลงทางมันคนเซื้อลอตเตอรี่มันพวกคนหลงองที่พูดว่าคนฉลาดก็หาสติคนโง่าหาสตางกันนี้นะปารีสท่านเป็นคนฉลาดท่านไม่ไปหาสติถ้าไม่ไปหาสตางให้เสียเวลาท่านจะหาแต่สติให้มีสติมากขึ้นมีปัญญามากขึ้นจะได้มารู้ทางขั้นสูงขึ้นไปตามลําดับจนเป็นขั้นสูงสุด ก็สี่หมดหรือยังยังไม่หมดครับอาจารยครับแว่ามาแล้วแล้วเป็นสโสดาบันแล้วควรจะบอกข้างหน้าไหมครับอาจารครับไม่บอกก็ทําไมลนะ่ะถ้าก็ไม่ถามวันทีถามก็ไม่พูดบางนี้มันเป็นเรื่องภายในใจเราอาจจะบอกเฉพาะคนที่ปฏิบัติด้วยกันเลยเราคุยเรื่องเดียวกั น, นอาจจะพูดได้แต่ไม่ใช่อยู่ดีๆแบบพ่าผมเป็นโซดาบัล น, นะครับ คนนึกโมทนาให้หมหน่อยนี่นี้ก็เรียกว่าบ้าแล้วโซดาบ้าอาจไหมก็พอใจรับโอเคงั้นใครมาบอกว่าเป็นโซดาบ้านก็เชื่อได้เลยวบ้าแล้วโซดาบานันท่าไม่ไปบอกใครหรอบอกบอกว่าแล้ดาอะไรึ้นมาจากการไปบอกไม่ได้เลยมันบอกให้เสียเวลา ก็ดีไม่ดีฮะจะถูกคก็ว่าเราบ้าสิใช่ไหมถึงแม้เป็นถึงแม้จะเป็นโซดาบันแากไปบอกเขาเาก็ไม่เชื่อเราอยู่ดีใช่มครัพระอาจารย์ครับถ้าเราเห็นทำแล้วจะไม่บอกพ่อแม่เลยครับพระอาจารย์ครับบอกทําไมล่ะไม่เกี่ยวกับพ่อแม่เรื่องของเราไม่ถึงถ้าพ่อแม่ไม่ถามก็ไม่บอกถ้าพ่อแม่ถามก็บอกได้ที่นันทางนี้พ่อแม่เห็นทำครับพ่อแม่ยังเป็นสมาสติอ่า ก็สอนได้ก็สอนสอนไม่ได้ก็ไม่สอนแต่ไม่จําเป็นจะต้องบอกว่าเราเห็นธรรมเอาทําไปสอนเลยนี่ท่านจะฟังไม่ฟังก็เรื่องของท่านเองเด่นเด่นหมแล้วใช่ไหมนี่คนหนึ่งครับ อ, บอาจารย์เวลาหนั้กนกรรมฐ า, านจิตไ ป, ไ ป, ไ ป, ไปเป็นประมาทพวกทุตุลองค์ครับเป็นเพ่าะอะไรครับแล้วจะบาปหรือครับก็ไม่ได้เป็นโสว์ตามบันทึก ถ้าเป็นโซดามามิตะกามิตะเขาลพระพุทธประธรรมพระสงฆ์เต้นหัวใจนี่เป็นแบบเกสินครับพยานครับเป็นกสินครับนั่งกรรมฐานเพ่งเกสินรับเป็นเกสินนั่นทาไมจินไปปามาตพุทธเจ้าครับก็ไม่มีไม่มีสติไม่มีปัญญาคนที่มีปัญญาจะไม่ไปปามาตพระพุทธประธรรมพระสงฆ์ แต่คนโง่ทั้งคนที่ไม่รู้ว่าพระพุทธตาธรรมประรมสงค์นี่คือใครเป็นยังไงคนที่ดูแล้วจะไม่กล้าไปปลามากทาั้งนะไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ตึงใจครับไม่ก็นั่นแหละเพราเราโงไงเราไม่รู้ว่าพระพุทธตาธรรมประรมสงค์นั่นเป็นพว้มีพระพระคุณมีพระเดชอย่างไรเราก็เลยไปปลามากพยายามศึกษาประวัติของพระพุทธตาธรรมประรมสงค์ไว้ จะได้ไม่กล้าปลาลมา ท, า, าท่านเพราะท่านทําในสิ่งที่เราทําไม่ได้กันนั่งเหนือเราทุกสิ่งทุกอย่างปาามาทขคณะนั่งเพื่ออะไรสิครับอาจารย์มันเป็นสันดาณของเราไงสัญญาณนิสัเเ ย, สสยเดิมของเราชอบปาลามาทชอบดูถูกดูแพงคนอื่อ น, น, น, นชอบยกหางตัวเองยกตนของท่านอันนี้มันเป็นนิสัยของที่เลยบาปใช่ไหมาครับอาจารย์ครับ ก็ไม่ถึงกับบาปแต่มันไม่มันไม่ควรทําเป็นการกระทําที่เป็นอกุศลนะอย่าไปทําะเพราะมันไม่เกิดประโยชน์มันจะทําให้เรากลายเป็นคนที่น่ารังเกียจไปเป็นพ้นเลยครับอาจารย์ทั้งที่ผมถวายชีวิตให้เก็บบูชาให้เก็บปุ๊ใดใจเ่ิมของเราเลมันเป็นอย่างนี้มาพระธรามพระสงฆ์นะครับมันฟังใจเรา มันฝังอยู่ในใจฝังลึกอยู่ในใจเนาต้องใช้สติปัญญาที่จะถอนมันได้ดนทุกครั้งที่เราประมาพระพุทธเจ้าก็ตกปากเราทั้งทีตกหัวเราทั้งทีลงโทษนะมั้งอ่าไปมันจะได้ไม่กล้าประมาเข้าใจไหมครับ มันจะเป็นอะไรช่างมันไม่ต้องไปนสนใจนรู้อย่างเดียวว่ามันไม่ดีมันผิดมันไม่ควรทําถ้ามันป่ามากก็ลงโทษหนือ น, อนทีตบปากมันทุกครั้งาโอเคนะหันแรกใช่ไหมวัมนแรกประชบดครับอ่าจะไ ด, ได้ไปที่ท่านต่อไปได้นะเพราะมนมีนกับสองพี่มึงนะคุณราศีเป็นยังไงได้ยินไหม เไโฟนกันมิอยู่ข้างหน้าอยู่กลางอยู่ข้าง่างกลบนมัสการจ้ะคะตอนนี้อยู่ข่าชีโอนเป็นยังไงสงบไหมอยู่คนเดียวจ้ะคะคนอื่นเช็คเอาท์หมดทาหมดแล้วเนี่ยจ้ะคะก็สงบดีจ้ะคะมีอะไรจะถามป ก็ส่วนมากก็ได้ยินคนอื่นถามก็คําตอบก็ออกมาหมดแล้วเจ้าค่ะทำไมก็ไม่มีอะไรสงสัยเจค่ะมีแต่ว่าได้ฟังทำก็เพลิดเพลินก็เลยเข้ามาฟังจ้าค่ะวันนี้เข้ามาอย่างตะกุกตะกักไม่เคยเข้าตั้งแรกก็อย่างเนี้เพราะไม่เคยใช่เจ้าค่ะใครก็จะชํานาญเองใครก็จะเข้ามานะะค ถ้าไม่มีอะไรก็จะเลื่ไปที่ท่านต่อไปนะเจ้าค่ะสงบดีกับขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะพยายามปฏิบัติให้เต็มที่เลยนะเจ้าค่ะถาถึงคุณอ้อมจากปอวินเชนคุณอ้อมค่ะนมัศการค่ะพระอาจารย์ไม่มีคําถามค่ะมากับพระอาจารย์ค่ะเอกำลมงจะกุดอยแล้วเลยค่ะไปตักบาตรพระอาจารย์อยู่ค่ะเอวันเสาร์ะค่ะ ได้ไหมปที่วัดป่าบ้านตาหรือเปล่านาบ้านวัดป่าบ้านตาไม่ได้ไปค่ะวันที่สิบห้าใช่ไหมวันที่สิบห้าเนศที่ผ่านมานี้มีงานฉลองเจดีย์หลวงพตา่มอ๋อไม่ได้เข้าไปค่ะพระอาจารย์หนึ่งไปวัดนั่นใช่ไปอัดบ้านไหนอยู่อำเ่อไหนอยู่อาเภอเมืองค่ะแต่ไม่ได้เข้าไปวัดป่าบ้านตาค่ะพระอาจารย์แต่เคยไปอยู่ที่ไหม ค่ะเคยไปตักบาทค่ะแต่คราวนี้ไม่ได้ตั้งใจจะไปงานนั้นค่ะมีอะไรไม่มันนี้ไม่มีคำถามค่ะกับตันต่อไป ม, มีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างไหมไม่มีอะไรของดีๆมาเล่าให้ฟังมไม่ไม่มีของดีเลยค่ะมีแต่ก็พยายามฝึกสติไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ยังไม่ก้าวหน้าขึ้นไปค่ะเพราะว่าเหมือนอาทิตย์นี้รู้สึกไม่ค่อยสบายก็เลยนั่งไม่ได้นานค่ะพี่เกดจะนั่งสติพี่เกดพุทโธพุทโธค่ะ ก, ก็พยายามจเจริญสติอยู่ค่ะพระอาจารย์ค่ะก็กจะ นั่งให้เพิ่มขึ้นค่ะเพราะว่าไม่ค่อยสบายก็เลยเหมือนมัน น, นั่งไม่นั่งไม่สำคัญสำคัญที่สติค่ะนั่งสตินั่งมันก็ไม่สุกค่ะนั่งหมันพุทโธพุทโธแล้วส่วนอินทีโซล้อยจบไปค่ะเราจะได้มีสติต่เวลานั่งจะนั่งให้นานให้สงบได้เร็วค่ ะ, คะโอเคนะค่ะขอบพระคุณค่ะคุณค่ะคุณฟ้า ที่วิสุทธิ์ที่อเมริกาแมทติยอน้ามาสการเจ้าคะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ ค, คุณแม่ทำเล้วมากเลยใส่หมกใส่หมกโค้ <c oughs> เลยใช่ครับว่าหนูอยู่ในป่าในเขาอะก็ติดลมทะเลด้วยแล้วก็แม่น้ำอยู่ข้างหน้าก็เลยแบบคนอื่นที่อื่นเขาร้อนอะหนูเย็นตลอดค่ะมีอะไรมีอะไรไหม มีค่ะหลวงพ่อเอ่อข้อที่หนึ่งก็คือว่าตั้งแต่รับเอ่อคำแนะนําหลวงพ่อให้ฝึกสมาธิคือหนูเริ่มเริ่มเลยแล้วก็นั่งได้นานขึ้นวันแรกก็ประมาณชั่วโมงครึง่งแล้วก็ต่อมาก็เดินเดินสองนั่งนั่งสองได้ค่ะหลวงพ่อแล้วมันสงบมันสงบคือมันนิ่งตอนขณะนั่งอ่ะค่ะคือกล้ามเนื้อหรือเอ่อเส้นเอ็นอะไรนี้ก็ตก ไปอย่างนี้เรารู้หมดเลยทุกวินาทีแล้วก็จังหมดเวลาค่ะหลวงพ่อสงบส บ, บายไหมสงบแสบายไหมส บ, บายเลยค่ะไม่เคยแบบหนูเคยสัมผัสตอนที่อยู่วัดอภัยคีรีเราปฏิบัติข้ามคืนคือสง บ, บแบบนั้นคือเหมือนที่หลวงปู่ชาบอกว่าน้ําน้ําอะไรนะหนูจําไม่ได้แล้วน้นํานิ่งนะใช่ค่ะคือสง บ, บนิ่งเลยท่านท่านบอกเยอะครั้งหนึ่งแล้วก็ วางแล้วก็ครั้งนี้ก็คือทําเข้าถึงแล้วอะค่ะที่สิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนมาคือเริ่มเข้าใจกิ่งไม้ในรับใบไม้ในกํามือของปูชาค่ะคือขันห้าใช่ไหมคะหลวงพอ่อคือให้ปิจารณาใบไม้ในกำมือนี่หมายถึงคําสอนของพระเจ้าที่สที่เอามาสอนพวกเรานี่เหมือนใบไม้ในกํามือแต่ความรู้ที่พระอาจารส่งรู้เนี่ยเหมือใมในบอใบไม้ในป่า <ม>ค่ะมากมาย ก, ก่ายกอแต่ถ้าไม่เอามาสอนทั้งหมดเอาสอนเฉพาะเรื่องจําเป็นจําเป็นที่เราต้องรู้เท่านั้นค่ะแค่นี้ก็จะตายแล้วหลวงพ่อหนูว่า <c oughs> <c oughs> คือคือมันสงบมากค่ะแล้วก็วันต่อมาคือหนูก็เริ่มกินน้อยมันพอปฏิบัติมากๆเข้าแบบมันมันไม่หิวอะค่ะหลวงพ่อแล้วหนูก็กินน้อยน้อยเกินไปหรือยังไงไม่ทราบนะคะตอนเช้า แล้วก็ตอนเที่ยงกูไม่หิวเลยแล้วมันเหมือนกับมันจะหวงเวลากับการที่เสียเวลากับการกินแล้วก็ตื่นแล้วก็แปรงฟันแล้วก็ต้องต้องทำความสะอาดทุกอย่างเวลาเราต้องกินเราต้องใช้ร่างกายหรือเครื่องหม้ คไปก็อดกินมื้อเดียวเลยกินมาแล้ค่ะ ก, ก, ก็ก็เริ่มแล้วคะ่ะหลวงพ่อรู้สึกว่ามันถ้าถ้าฝึกไปเรื่อยๆอย่างนี้คือตอนที่ที่อยู่ปฏิบัติที่วัดเดี่ยวก็เหมือนเนี้ยคะ่ะต้องดูการการกินพอกินน้อยลงน้อยลงจนมันมันอิ่มไปเลยอะคะ่ะหลวงพ่อแล้วมันก็จะห่วงการปฏิบัติหนูหนูข้ามไปเลยมื้อนั้นคือเที่ยงเที่ยงก็ไม่กินเลยกินเช้ามื้อนึงแล้วพอแค่นี้มันไปนั่ง นั่งได้สักพักเพราะว่าสุขภาพหนูมันไม่ดีอะค่ะหลวงพ่อแล้วร่างกายมันเหมือนมันไม่ได้มีน้ําตาลอะค่ะน้ําตาลมันมันไม่พอสมองมันก็เลยเจ็บส่วนประสาทระบบสมองตัวเนี้ยมันเลยดื่มเครื่องดื่มได้ดื่มน้ำปานะดื่มน้ำข่ลไม่ได้ค่ะเดี๋ยวจะจะทํําาา้ตลค่ะจะทําเพิ่มตรงนั้นแล้วก็รู้สึกว่าสงบนิ่งลงไม่ได้ดิ่งแบบไม่รู้ตัวแล้วค่ะคือรู้ รู้ทุกอย่างแต่แบบเข้าใจแล้วค่ะหลวงพ่อตอนนี้ก็จะพยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะฝึกสติให้มากนะสติจะเป็นอย่างนี้สำคัญที่สุดคือสติค่ะหลวงพ่อมีสติแล้วสมาธิก็เข้าตามมาปัญญาก็ตามมาต่อไปค่ะแล้วหนูจะไปหาหนังสือปฏิปทาของหลวงตาที่หลวงตาเขียนไว้อะค่ะใช่เราเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้ค่ะ ดูเข้าไปเว็บไซต์ของวั่นตามันต่าก็ได้นลงตา dot com ดังนั้นก็จะมีให้ดาวน์โหลดบทปฏิปทาเป็นไฟล์ PDF ดูไปที่เว็บไซต์ lawpasutcha dot com ก็ได้เพื่อนุ่กจะไม่แน่ใจไม่แน่ใจมีหร่ะแต่ไม่ค่ะจหนูไปหาได้ค่ะหลวงพ่อแล้วก็การปฏิบัติธรรมคือ มันมันมันมันไม่อยากจะไปทําอะไรเลยหลวงพ่อครั้นี้มันมันไปไปคนละแบบมันอยากจะรัลาแสดงว่าเราเริ่มมีอะไรก็เริ่มมีไฟแล้วยินซียินซีเริ่มกลายเป็นพลังแล้วอาจารย์เริ่มมีพลังแลถ้าเป็นรถกัลตาร์ติดแล้วไม่นอนคอยเข็นมันก่อนนั้นคอยเข็นคอยบังครั้งมันปฏิบัติโอ้พระเจ้ายงก่อนเ็นเข่า อ่าในนี้ไม่ต้องเข็นแล้วมันไปอยู่มันเองนะะเครื่องมันติดแล้วเครื่องติดแล้วดีอย่างเงี้ยดีทั้งโลกมันมีแต่ทางตันนะทั้งโลกก็มีแต่เมียนไม้ตายเกิดนี่นะหนูเห็นแล้วเบื่อแล้วก็นั่งนั่งใช่ตอนที่หนูนั่งรู้สึกว่ามันก็มีอยู่แค่นี้แล้วมันก็จะเอาอะไรกับมันอย่างเงี้ยค่ะมันต้องกินต้องต้องทํางานถ้ามันกินไม่พอก็ต้องหิวแล้วแล้วก็ต้องไปทําความสะอาดมันตลอดเวลาจนแบบ มันเป็นขยะเลยความรู้สึกแค่ว่าขันมีไว้สำหรับปฏิบัติธรรมนีม่สิ่งที่ต้องทำงใช่ไหมคะเอ้านั่นแลงก า, น, า น, นี้มีไว้เพื่อพาเราไปนิพพ า, านพาจิตใจไปนิพพานด้วยการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาค่ะแล้วก็อ่านหนังสือพระตอยปิฎกก็ใน YouTube ก็มีเอ่อเหมือนเป็นอาจารย์อบรมคณะแพทย์ศิริราชเนี้ยคะ่ะก็มีตารา เปิดอ่านไปแล้วก็ศึกษาไปเหมือนวิถีจิตมันทำให้การปฏิบัติควบไปด้วยมันทำให้เข้าใจอะค่ะหลวงพ่อแต่ไม่ได้ไปอ่านมากเพราะปวดตาไม่ต้องอ่านมากให้ปฏิบัติให้มากหนึ่ <ฮะ S 1> งก็จากเวลามีความสงสัยก็ค่อยมาคนหาํำตอนใช่ค่ะหนูก็จะใช้พระไตรปิฎกเ ป, เป็นเป็นเป็นเหมือนกับคู่มือแล้วก็มาหาหลวงพ่อเนี่ยค่ะอ่มีได้รู้ ว, ว่าอ <ตก S 1> ้า จะได้รู้ว่าใครพูดถูกว่าไม่ถูกถาาพู่เหมอนเราพระชาพูดหรือเปล่าใช่ค่ะแล้วก็หนูก็หนูก็ดีใจที่ว่าหนูได้เจอหลวงพ่อเพราะว่าหนูก็กลัวตกหน้าผาเนี่ยฮะกลัวประสาทเนี้ยแหละคะ่ะใจเรามันต้องรักษาใช่ไหมคะหลวงพ่อเพราะมันมันอยู่ๆมันก็ไปพลเลยเพราะหนูเกิดเป็นไปตอนนั้นหลวงพ่อประสาโนท่านแบบร้องมันที่วัดเลยคือไม่ให้ไม่ให้โยมฝ่าออกจากวัดท่านบอกว่าไม่ไม่ไม่ได้ไม่ผ่าน ถ้าจิตแตกคือแตกใช่ไหมคะจิตแตกก็บ้างจิตใช่สติแกเนิตกพวกนี็นปฏิบัติแล้วเป็นบ้างครับพวกนี้พวกที่สติแตกกลัวมากใช่หนูตีใจที่เจอหลงพ่อแล้วก็กะละยานมิตรทุกคนเลยขอประคุณมากเลยค่ะต้องมีครูบาอาจารย์ต้องมีเพื่อนเวลาเขาทาดเขาเทงองไรเราจะต้องฟังเขาบ้างไม่ใช่ฟัตัวเราอย่างเดียว อุ้ไม่ไม่กล้าแล้วค่ะแต่ก่อนเป็นแบบนี้ค่ะแล้วแล้วหนูชไม่ฟังเลยฉันรู้จันดีอยู่กคนเดียว mm. ดีแล้วอยู่กับหลวงพ่อประศัดหลวงพ่อท่านตีเขาเลยคือ mm hmm. ถ้าตีแล้วตวาดตรงนั้นเลยแล้วหนูชอบแล้วหนูก็อยู่กับท่านก็คือแบบอยู่กับพระป่าดี่แหละค่ะถูกเจริญที่สุดแล้วเพราะว่าตรงตรงเลยคือถ้าถ้าถ้าพูดดีๆไม่หาหาไม่ได้ท่านก็หาไม้ตรงนั้นนะคะ่ะก็อยู่ตรงนั้นไปเลย อแล้วก็มีเพื่อนที่ปฏิบัติธรรมเขาก็จะเฮ้ยกลับมาหน่อยกลับมาหน่อยแกไม่มีสติแ ล, และอะไรอย่างเงี้ยฮะ<ต>ก็มีคนเจอกันคนหนึ่งไว้ค่ะแล้วเอคุณแม่เขาทําบุญไปแล้วไม่ทราบทางวัดใจหลับหรือยังไม่แน่ใจเพราะตอนนัทหนูก็ถ้าถ้าโอนไปทางทางวัดก็ก็คงจะได้รับแล้วเพราะว่าตอนหี่ส่งมงาหนูไม่ใช้เอ ง, งไม่เป็นส่งไปบัญชีของวัดบัญชีของใคร อที่คุณแม่ส่งเป็นหนีดวัดยานนะสองวรารนะค่ะ <c oughs> ต้ององให้เขาบอกเราต้องบอกลายให้เขาบอกให้เขาช่วยแจ้งมาว่าเขาได้รับเงินอ๋อค่ะก็คุณแม่ส่งมามันมีลายอย่ะฮะอืมก็ไม่แน่ใจแล้วก็ที่หลวงพอมีมถ้ า, ถ, าถ้าส่งไปที่วัดบัญชีของวัดเขาทางวัดก็ได้รับแล้วเห็นแต่ว่าเขาอาจจะไม่รู้จักวิธีติดต่อกับเราค่ะ ก็าคนในจ้งเราทราบไม่ได้อ๋อค่ะแล้วก็นายเสร็จสรนงามพี่เชษคุณแม่ครับอระอันนั้นพรบอกเสรษฐสั น, นสางามพี่เชษท่า น, นเป็นคนที่ช่วยทําพวกพเฟซบุ๊กให้กับเราอ๋อค่ ะ, ะ ท, ท, ท่านเป็นทีด้านก็เห็นท่านส่งมาอย่างเงี้ยค่ะทางไลน์ตอนที่พี่มหมูส่งออกมาหนูก็ใช้ไม่เป็นในตอนที่ที่ซูมกดไปออกไลน์แทนไปไปไหนก็ไม่รู้หาไม่เจอ ก็เลยให้คุณแม่เข้าไปในเว็บไซต์หลวงวัดหลวงพ่อนั่ละค่ะก็ได้มาโอเคไม่มีอะไรมากครับก็ส่งไปนั้นแล้วก็โรงเรียนผู้รู้ยอสอนเนี้ยใช่ค่ะเข้าไปโดยตรงเลยเออได้ส่งไปตามวันีแล้วนั้นก็โอเคนะเดี๋ยวให้พี่หมูหรือ ใครกลายเป็นคนแทบบัญชีคุณล่ามง่ายนะคุณล่าแล้วพี่หมูพี่หมูส่งมาในทางทางนี้แหละค่ะแต่หนูว่าไปกดหนูหาไม่เจอหนูใช้ยังไม่เป็นไม่ถนัดเทคโนโลยีก็เลยก็เลยตอนที่พี่หมูส่งมาหนูเห็นแมตต์เต็ดมันมันขึ้นมาปั๊บเดียวแล้วมันก็หายหนูก็เลยใช้ไม่เฟนพี่หมูไหนพี่หมูที่อยู่ในในซูมพี่มิชนนี่แหละค่ะพี่มิชนพี่บอยเขาไม่ใชชื่อเขาชื่อพี่บอยไม่ใช่พี่หมูอ้าว ช่วยขอตัษแล้วไม่สบายกันแบบนี้อะฮะไม่หูหูเริ่มแบบหูเริ่มไปแล้วแล้วก็แล้วก็ตาก็เริ่มไปและก็คือบอลเป็<ะ>นคนส่งบัญชีไม่ได้บัญชีไปให้ใช่ค่ะในในในซูมใช่ปะมันรอบร อ, อบที่แล้วหรือเปล่าฮะใช่ค่ะใรอบที่แล้วแล้วหนูก็คลิกไม่เป็นยิงใช้ไม่เป็นอะคะ่ะในระบบเนี้ยอ๋ออยู่ในอยู่ในแชทนะฮะเวลาส่งเทีนะ ทันีเราเร า, เราจะปิดปิดแชทกันนะฮะแต่ว่ามันมันจะเกิดในกรณีพิเศษ ใ, ใช่ใช่อย่างนี้อ๋อใช้ไม่เป็นดีหลวงพ่อคนโลเทคโอเคนะเดี๋ยวขอไปที่ท่านต่อไปนะคุณรัตนาพรเชิญเนี่ยรัตนาพอรอยู่ที่ไหนคสวัสดีพระจันทร์ค่ะ อยู่คูเวตค่ะคูเวตอเคยเข้ามาแล้วค่ะต้อค่ะเป็นยังไงจะกลับเงไทยเมื่อไหรปีหน้าค่ะปีหน้าก็ลาออกแล้วก็กลับไปแล้วค่ะค่ะวันนี้ถือศีลแปดค่ะพระอาจาร์รอบสองดีไหมตั้งแต่ถือศีลแปดขึ้นมาดีไหมก็ดีค่ะมีหิวข้าวนิดหน่อยแต่ว่าอดทนอืมนอนเขานอนต้องมีคันติเข้าไมนนอนต้องมีสติคอยควบคุม ค่ะค่ะค่ะตอนแรกจะถือตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าเมื่อวานไปฉีดวัคซีนกลับมากว่าจะกินข้าวมันเลยเที่ยงไปแล้วก็เลยมาเริ่มวันนี้ดีกว่าโควิดนี่เหรอใช่ค่ะยี่ห้ออะไรพี่ไฟเซอร์ค่ะถ้าเป็นเออค่ะถ้าเป็นฟอนไลที่ดีเขาจะฉีดไฟเซอร์ให้เอ่ค่ะก็ฉีดได้ทีเนี่ย ใช่ค่ะเจ้าค่ะลงพ ย, ยเบียนไว้ประมาณสามสี่เดือนที่แล้วค่ะมีฉ <รอ S 2> ีดว่าเราเป็นเราเป็นคนทํางานในโรงพยาบาลค่ะาาก็เลยได้ฉีดเจ้าค่ะถึงเป็นนักดนตรีแต่ว่าก็อยู่ที่โรงพยาบาล เ, ออ เ, ออเล่นดนตรีที่โรงพยาบาลใช่ค่ะใช่ค่ะก็เลยได้ได้ฉีดก็โชคดีไปมีอาการอะไรไหม เป็นค่ะยังตกใจที่พี่พี่คนที่อยู่ที่ไหนนะคะที่เขาบอกว่าฉีดไฟเซอร์ไม่มีอาการวันนี้หนูเป็นไข้อ่าเป็นไข้ค่ะแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันใช่ค่ะแต่ก็ตอนนี้ก็โอเคอะค่ะก็กินพาราไปก็โอเคค่ะมีคําถามค่ะจะไปเร็วๆเลยค่ะหลวงพ่ออะไรบ้างคค่ะคือเอ่อก่ อ, อ, อนจะถือศีลแปดนะคะหนูก็บอกเพื่อนบอกว่า เออจะไม่ได้คุยกันนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้โทรศพัพท์แต่ทีนี้เพื่อน <S <S เพื่อนเขาพาลาญอยอ่ะค่ะเรื่องโควิดที่ไทยด้วย <S 1> <S 1> เขาก็เลยบอกว่าถามพระอาจารย์ได้ไหมว่าถ้าจิตตกมากๆจําเป็นต้องคุยกับอาวานอย่างเงี้ยจะคุยได้ไหมอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคุยกับใครนะคุยคุยกับหนูอะค่ะคือเขาใช่ค่ะได้ยังคุยกันได้อยู่ถือศีลแปดไม่ได้ให้อาไม่ให้คุย เป็นอะยพูดเรื่องเพื่อเจ้าพูดนนทาการพูดทำอย่าถ้าพูดเรื่องนี้เรื่องวิชาความรู้ได้ปรึกษากันได้มีปัญหาอะปรึกษากันได้คือคือเขาชอบพาานอย์อะค่ะเรื่องโควิดที่ไทยอ่ะค่ะคือกลัวมากแล้วก็นอนไม่หลับอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะชอบไม่ได้ไม่อย่าไปคุยเรื่องบันเทงอย่าไปคุยเรื่องค่ะ คุยเรื่องที่มันสำคัญมันจะเป็นใี้ได้อยู่อ่าเจ้าค่ะ<ม>เอ่อแล้วก็อีกอีกเรื่องนะะึงค่ะเคยถามหลวงพ่อไปเอ่อเมื่อเมื่อนานมาแล้วะคะ่ะเรื่องกลืนน้ำลายเมื่อก่อนไม่รู้ว่านั่งสมาธิไม่ให้กลืนน้าลายอะคะ่ะ<ม>แต่ก็เพิ่งมารู้ค่ะทีนี้เอ่อพอหลังๆเนี่ยมันมันก็ดีขึ้นค่ะก็คือพอถ้ามันอยากกลืนก็ไม่กลืน<ม>ทีนี้มันก็ไม่มีน้ำลายออกมาเลยค่ะ อ่าใช่มันไม่มีหลังก็ไปคิดมันเองมันก็เลยไปผล่ตมันออกมาพอเราไม่คิดถึงมันมันก็ไม่มาใช่ค่ะก็เลยลองทดลองพอคิดปุ๊บมาเลยทีนี้ก็เลยไม่คิดเลยทีนี้ก็ไม่มีค่ะนั่งมางทีครึ่งชั่วโมงก็โอเคไม่ได้เกินน้ำลายอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเอ่าอย่าไปเกินเพราะถ้าเกินมันจิตมันต้องมาทํางานกับร่างกายมันก็จะเข้าข้างในไม่ได้จะสำงานไม่ได้อืมเจ้าค่ะทีนี่เอ่อ เจ้าค่ะทีนี้เอ่อจะเป็นจะเป็นเรื่องเวลาเวลานั่งสมาธิแล้วมีอาการปวดขาปว ด, ดแขนอยากเกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเดียวกันแบบแบบแบบแบบน้ําลายอย่าไปสนใจให้อยู่กับาาพุโทโธไปไม่อยู่กับนมไปไม่ต้องไปเพ่งดูใช่ไหมเจ้าค่ะไม่ต้องไปเพ่งดูไม่ต้องไปให้ความสนใจแต่ยิ่งเพง่งมันก็ยิงง่งดูใหญ่เจ้าค่ะให้อยู่กับเราใช้อะไรพุโทโธเราใช้นมไม่อยู่กับมันไป พุทโธค่ะแู่พุทโไปไม่สนใจอะไรจะเกิดขึ้นจะคันตอนนั้นจะเจ็บตอนนี้ก็ปล่อยมันเจ็บไปคันไปไม่ต้องไปยุเดี๋ยวมันเจ้าค่ะเจ้าค่ะโอเคค่ะหมดคําถามเจ้าค่ะอ่าดีปฏิบัติต่อไปนะค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะเดี้กลับเข้านี้ของใครเนี่ยของคุณผู้ชมนะครับครับของของทางผมครับให้ดูเป็นตัวอย่างนะ ครับตอนนี้นมีสิบครับมีสิบเอ็ดคนนะฮะอยู่ในทัานะคุณนายโคนจากสวรรเกตใช่ไหมนายโคนธ ร, รัมนะสาาออกรสารนะขับพระอาจารย์เอาเอาชื่อเราออกไปแล้วนะเอาภาษาเราอไปแล้วใส่ภาษาเกศแทนนะถามพระอาจารย์กีอยหอ่าจะมารายงานค่ะพระอาจารย์ อ, รอาชีพที่แล้วอะค่ะ อ่าคือไม่ได้เข้ามาฝนตกหนักมากเลยไม่ได้เข้ามาค่ะอาจารย์ได้มีอะไรไหมไม่มีไม่มีอะไรค่ะ<ม>ก็เข้ามารับฟังค่ะพระอาจารย์ได้ประโยชน์ไหมฟังไปอย่างเดียวค่ะมีประโยชน์มากเลยค่ะพระอาจารย์ okay. เอาไปช่วยให้เราปฏิบัติให้นี้ขึ้นนะค่ะนําอ่าหลานเอามาปฏิบัติอ่าค่ะพระอาจารย์ โอเคดีเดี๋ยวฟังต่อไปน ะ, ะนค่ะสคุณออนลงมาแก้บวบัวทำงานเจดีน้องน้องตาเรียบร้อยดีไหมงานฉลองาาการ a มัสกา a พระอาจารย์เจ้าค่ะเจดีเจดียังยังไม่ได้คือกำหนดเลื่อนออกไปเจ้าค่ะ วันที่สิบห้าไม่ได้ไม่ได้จัดงานวคะ่ะทางสำนักพระราชวังเขามีเลื่อนมาแล้วเจ้าค่ะก็คือจนกว่าสถานการณ์จะขี้คายอ่ะเจ้าค่ะแต่้แต่ก็ทางหลวงพ่อสุธรรมกับหลวงพ่อยินถวายก็จะเน้นเป็นวันสำคัญขององค์หลวงตาคืออาจจะเป็นวันที่สิบสองสิงหาแล้วก็วั น, วนที่สามสิบมกราเจ้าค่ะแล้วแต่แล้วแต่ช่วงไหนจะทาได้ใช่ค่ ะ, คะก็คือต้องดูสถานการณ์ก่อนเจ้าค่ะ แต่ <imen> ทุกอย่างเรีย hmm. บ so, mm ้แ hmm. ล so, mm ้วพร้อมที่จะฉลองได้นะใช่ไหมก็เรียบร้อยเจ้าค่ะอืมงานก่สร้างอะไรต่างๆวบแล้เสร็จบวบแล้ก็ที่หนูไปดูล่าสุดที่หนูไปล่าสุดก็คือเมื่อวันเมื่อวันจันทร์วันพามาเมื่อกี้เนาะก็ตรงที่สนามหญ้าด้านหน้าคือด้านหน้าหน้าตรงเจดีก็คือปลูกหญ้าเรียบร้อยก็คือจะเลือฝั่งด้านข้างค่ะที่ติดกับเอ่อพิพิธพิพิธภัณฑ์อัฐามูลคานค่ะฝั่งนั้นคือจะยังไม่ได้ปูยังยังไม่ได้ปลูกหญ้าเจ้าค่ะ ค่ะเออจะดูแลนี้คงจะลําบากง่ายเลนะใช่เพราะพื้นที่กว้างมากค่ะใหญ่โตค่ะเนีย่ยจะเป็นเหตุผลที่หลวงตาสั่งไว้ว่าอยากสร้างทดีๆนเพราะว่านกว้างจริงๆประมาณสองเป็นสองไร่ได้ประมาณนี้นคะคะแล้วลูกศิษย์ก็เขาล้มร่างหลวงตาก็ก็ค่ะก็ดือ ท่านบอกว่าจะสร้างฉันก็จะสร้างท่านให้ได้ฉ mm. ันรักเขาลบหลงตาเจ้าคะ mm. ก็ดีต่างแล้วก็ดีสวยงามาค่ะสวยงามเจ้าค่ะ mm. สาธุเนี่นจะรักษามันสวยงามไปได้นานเท่าไหร่น mm. ะหนูก็ก็น่าจะนานอยู่นะเจ้าคะก็ mm. ถ้าต่าใจงมีูอาจารย์ามครร่ะถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ต่อไปก็ศรัทธามันก็จะลดน้อยถอยไปก็อธิจำก็แล้วกันนะอธิจำทุกฐานะตาไว้มีอะไรจะถามไหมไม่มีเจ้าค่ะร่วมฟังธรรมค่ะอนุโมทนาครุกับกัรยานันททุกท่านด้วยนะคะโอเคสาธุค่ะ คุณนุ่มทิวาเชืคุณท่วาก็ฟังอย่างเดียวใช่ไหมฟังถึงเดียวใช่ค่ะพอาจารย์อันนี้ก็ขอขออ่านไปเลยนะไหนที่คุณดาเรต่อนเรนาเเชญอ่าดได้กล่านักกาในมรสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอ่ามามาก อยู่ที่ไหนนะฝรั่งเศสใช่ไหมใต้หวันค่ะอ๋อใต้หวันค่ะก็คือช่วงนี้ท่องพุทโธไม่ได้เลยเจ้าค่ะแล้วก็ดูลมหายใจไม่ได้แล้วเจ้าค่ะก็สวนมนไปได้เลยที่ไปสวนได้ออไม่ได้สวนเลยเจ้ค่ะออต้องสวนต้องบงังคับมันถ้าจะปล่อยให้มันทาํทาตามที่อารมณ์มันพอไม่มีอารมณ์จะทําก็ไม่ทํานี่มันก็มันก็ไม่ก้าวหน้าไม่ขึ้นนะเจ้าค่ะงอน มันจะมีอารมณ์ไม่มีอารม์ก็ไม่กินข้าวมองมันไม่มีอารมณ์จะกินก็ต้องมองข้าวให้มันกินเจ้าค่ะวันนี้ถราพุทโธไม่ได้ก็สวดอิติปิโสไปก่อนเจ้าค่ะวันนี้วั น, นวันนี้ช่วงประมาณเ อ, อ่อสองทุ่มสามทุ่มของที่ใต้วันนะเจ้าค่ะมันมีอารมณ์แบบว่าเ อ, อ่อเหมือนกับคิดเรื่องของสามีเจ้าค่ะแล้วก็มีอารมณ์โกรธขึ้นมาแล้วก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ก็จะ จ ะ, จะพูดแล้วก็จะโมโหออกมาเจ้าค่ะแต่ก็ก็จะดูเขาเฉยๆเจ้าค่ะดูเขาแบบเขาดูอารมณ์เขาเกิดขึ้นเกิดขึ้นประมาณสามสี่ชั่วโมงแล้วเขาค่อยหายไปอย่างเนี้ยจ้าค่ะเขปล่อยเข้าไปเลยไม่ย่งเขาไม่ใช่เรื่องของเราจะเป็นตายรักอันนี้จำพลัตตาเราไปสั่งก็ไม่ได้ไห้ามเขาไม่ได้เอ่ แไม่ทราบว่าเป็นพวาะเราเข้าไปร่วมกับเขาหรือเปล่าถ้าคะรู้สึกมันมันทุกข์ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเราอะเราเป็นเรายังมีความผูกพันอยู่เขาอยู่เนี่ยเรายังอยากให้เขาดีอยากให้เขาสบายเราจะได้สบายตามเข้าไปถ้าเขาไม่ดีเราก็เดือดนรน้อนตามเข้าไปด้วยแต่ใจ <c oughs> แต่ใจไม่อยากไม่อยากอยู่กับเข า, ขาอะค่ะพระอาจารย์ใจอยากออกไปอยู่คนเดียวนอ้ี่นั้นมัน ชีวิตคู่มันก็มีทั้งขมมีทั้งหวานเนี่ยมันแต่ก็บอกกับตัวว่าถ้าถ้าแบบว่าเหมือนกับเหมือนกับความคิดเราก็เขาบอกเราว่าให้ออกไปอยู่ข้างนอกคนเดียวอย่างเงี้ยมันจะเป็นกิเลสหรือเปล่าคะแล้วถ้าเกิดเราออกทําตามที่เขาเขาบอกความอยากของตัวเองนะคะว่าออกไปอยู่ข้างนอกอยากจะไปอยู่ข้างนอกคนเดียวอย่างเงี้ยจ้ะคะหรือถ้าไปเพราะความเบื่อ น, น่ายนี่มันก็เป็นกิเลส อย่างนั้นไปเพราะว่าเรารักความสงบรักความสงโดอยอยากจะปฏิบัติธรรมของเราคนเดียวอย่างนี้ก็เป็นทำได้นะคเพราะว่าต่เดี๋ยวจะอ้างเอาว่าไปปฏิบัติธรรมแต่ความจรงเบื่อสา ม, มีเบื่อแฟนไม่ใช่เจ้าค่ะแต่ว่าใจจริงๆก็อยากอยากไปปฏิบัติธรรมด้วยเจ้าค่ะหมายถึงว่าอยากจะมีที่ที่หรือว่าเป็นส่วนตัวเพราะว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยมันไ ม, ม่มันความเป็นส่วนตัวไม่ค่อยมีเจ้าค่ะ ก็อลองทําดีเสดทําได้ก็ดีนะครับ แ, แล้วก็ลองปรับความเข้าใจกับคนที่เราอยู่ด้วยว่าเขากพาเราไปเหมือนปลาท้องโกละอยู่ดีๆจะไปแยกกันออกเข า, า, าก็จะงงว่าทำไมอยู่กันมาต้องงานอะไยตอนนี้จะยากดังเลยยากวงแล้วแล้วอีกอย่าง น, นที่โกรดนี่คือเหมือนกับภาระหลายๆอย่างเขาโยนมาให้เราเกือบจะหมดนะเจ้าค่ะ ถ้าเราก็ยอมรับเนี่ยว่าเวลาที่เราแต่งางานกันเขาก็บอกแล้วว่าจะอยู่ด้วยกันทั้งสุขทั้งทุกข์แ ต, แต่แต่สุขสุขเราก็อยู่ด้วยทุกข์เราก็อยู่ด้วยแต่เวลาที่ที่ทุกข์เนี่ยแต่เวลาที่แต่เวลาไม่ทราบจะพูดยังไงคะ่ะเหมือนกับเขาเขาไม่รับผิดชอบอะคะ่ะเหมือนกับเ้าเขาแสดงว่าเขาผิดสัญญาถ้าเขาผิดสัญญาแล้วก็ผิดสัญญาได้ ก็ก <_ the stream> ็ก็ค <right> ิดในแง่ธรรมะว่าเอ๊ะแบบนี้เราจะไม่เป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบหรือเปล่าอเมื่อเขาไม่ทําส่วนของเขาเราก็ไม่ต้องทําส่วนของเราก็ได้เจ้ค่ะใช่ไหมนอกจากเราจะเป็นแม่พระก็เราก็ทําส่วนของเราต่อไปเขาไม่ทำก็เรื่องของเขาไปก็ได้ก็เป็นบุญหนึ่งกุศลไปแต่ก็พยายามคิดแบบนี้เจ้าค่ะแต่บางทีเวลาอารมณ์โกรธเขาขาขึ้นมาเนี่ยมันก็ คนไม่ไหวเหมือนกันนะเจ้าค่ะก็ะต้องใช้เมตามาระณ์ถแต่เมตตา ส, สัตสัตาเวลาหงุดหงิดอย่ามีเวรกันเถิดให้อภัยเขาแล้วความโกรธก็จะหายไปเจ้าค่ะก็ต้องยอมแล้วว่าเราเป็นก้าวของเขาเหมือนกับเป็นเป็นเป็นผู้ขอต้านบริษัทก็ต้องอยู่ด้วยกัน นึกถ้าจะเลิกล้มเลิกบริษัทก็ต้องคุยกันให้รูเ้เรื่องมาเราปิดบริษัทปิดกิจการครอบครัวนี่ดีไมหมต่างไปยายกกันอยู่ไปแล้ก็โอเคโอเคแล้วก็โอเคแล้วก็ แ, กแกยกกันไปได้ทําให้มันเป็นกิจารักษณ ะ, ะถ้ายังไม่แยกกันก็ต้องทําหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์เจ้าค่ะต้องใช้ความอดทนอดกลั้นมากนะจะอยู่ร่วมกันได้เมตตาต่อกัน อยากคิดแต่เอาแต่ประโยชน์อย่างเดียวอมันมีทั้งผิดมีทั้งชอบอย่าเอาแต่ชอบเลยผิดไม่เอาเอย่างนี้ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ได้ค่ะถ้ารู้ว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้จริงๆก็คุยกันเลยพูดกันให้รู้เรื่องมูา้าวแยกยากกันเป็นทานการไปเลยได้ค่ะอย่าทำแบบลูกครับลูกครับหรอก จะอยู่ด้วยกันก็ไม่นอยู่ด้วยกันจะยากก็ไม่ยากก็เลยเจ้าค่ะเเจ้าค่ะหมดคำถามแล้วเจ้าค่ะโอเคอย่าหาว่าเรายิ้ให้ยากกันก็แล้วกันเราพูดได้ไม่ไม่ใช่เจ้าค่ะตัวเองตัวเองรู้ดีที่สุดเจ้าค่ะเพราะว่ายี่สิบกว่าปีมานี้รู้สึกว่าเหมือนกับถูกเขาถูกเอาเปรียบตลอดตลอดมาเลยค่ะคิดว่าตัวเองรู้ดีที่สุดนะเจ้าค่ะ ถ้าราคิว่าอยู่ด้วยกันไม่จเจริญก็ยากกันอยู่เพราะกันเนีเจ้าค่ะออคขอบพระคุณเจ้าค่ะคุณสุภัตราจะแยกไหมยังไม่ยากพัดเนื้อของคุณสุภัตราดีไหม <c oughs> <c oughs> ไม่เอาล่<ม>้ำค่ะ <c oughs> ไม่เจ้าค่ะก <c oughs> <c oughs> รรมธรรมาสักเจ้าค่ะไว้แล้วค่ะเขให้ให้เวลาทุกอย่างตอนนี้ก็สมาธิก็พยายามเข้ามานั่งมากขึ้นเขาก็ เขาก็เงียบอะค่ะเขาไม่ส่งเสียงดังพอ เ, เข้ามาในห้องเขาก็พยายามไม่รบกวนเจ้าค่ะ <Okay. S 2> ให้ให้เวลาตลอดเจ้าค่ะสนับสนุนทุกอย่างโชิญด <Okay. S 2> <laughs> ีนะโชคดีเจ้าค่ะก็ไม่มีคำถามอะไรเจ้าค่ะลูกก็รู้สึกว่านั่งนั่งได้นานขึ้นก็เริ่มเริ่มแบบลองสองชั่วโมงต่อเนื่องเจ้าค่ะก็ก็คือไม่รวมแต่ว่าเวลาสวด อิติปิโซไปอะเจ้าค่ะก็คือปวดขาแต่ไม่รู้สึกทรมานเจ้าค่ะก็เหมือนกับแบบใจก็ก็สบายแต่ขาก็ปวดเจ้าค่ะมีความสุกเหมือนแยกกันนะเจ้าค่ะใจไม่ไปทุกข์กันเจ้าค่ะก็เลยตอนนี้ตอนนี้ก็พยายามเพิ่มนั่งมากขึ้นเจ้าค่ะวันนึงเมื่อก่อนพยายามพยายามให้ได้ประมาณสามชั่วโมงตอนนี้ก็ กัดสมชั่วโมงกว่าแล้วเจ้าค่ะก็พยายามจะให้ได้วันละประมาณสี่ชั่วโมงอะไรอยากก้ยได้ยิ่งมากเท่าไหร่ได้ยิ่งดีนะคะแล้วก็ฝึกสติต่อเนื่องทั้งวันเจ้าค่ะก็ฝึกเรื่อยๆเจ้าค่ะไยงานเฉยมีความเวลเกี่ยวข้องอะครก็ใช้ตายนักบ้างก็ได้นีจรั <laughs> ก็ก็เวลาแบบมีอารมณ์ขึ้นมาก็จะบอกว่าโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะไปนิพพานจะอยากได้นิพพานก็ต้องอย่างนี้แหละแค่นี้ยังรับไม่ได้แล้วจะไปนิพพานได้ยังไง <Okay. S 2> <laughs> พยายามนึกเสมอเจ้าค่ะเจ <Okay. S 2> ้าค่ะกราบสาธุเจ้าค่ะ <Okay. S 2> กราบธรรมจักรค่ะในสิ่ง <laughs> ที่ท่านตอบไปนะใครเอ่คุณสิาตาวิตราก็คนฟังว่าอะไรนะคุณฟังว่าอะไรเช่น ครับนักาสค่ะอ่โยมมีมีกันบ้านที่จะส่งพระอาจารย์นะจ๊ะค่ะอ่าลาไเลยเมื่อเมื่อวันอ่าศุกร์เสาร์อาทิตย์ก่อนนะคะพอดีโยมเกิดวยวัติเหตุก็คือประตูห้องบิดนิ้วแล้วมันก็ทำให้โยมรู้สึกเจ็บเจ็บมากแต่ว่าช่วงที่เจ็บก็ไม่ได้ทำอะไรก็เลยล้วพอดีมันก็มีสติอยู่นะคะ เราก็เลยลองมานั่งนั่งเฉยๆแล้วก็หลับตาแล้วก็ลองอาภาวนาโทค่ะอาการเจ็บที่มันชาขึ้นมาที่แขนเราสั่งนะคะมันก็หายปุ๊บไปเลยมันก็ไปพร้อมกับโทค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อการมีสติแล้วก็การการการใช้สมาธิที่เราไปทําทุกวันเนี่ยมันก็สามารถช่วยทําให้เราบรรเทาอาการเจ็บปวดหรือว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับกับเราได้ในขณะเดียวกันก็คือปัญหาที่เคย มีคําถามถามพระอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอความโกรธความโมโหความหลงอะไรเงี้ยค่ะมันก็หายไปเลยช่วงนี้ก็เลยรู้สึกว่าไอ้ปัญหาที่มันเข้ามามันคือมันเป็นการบ้านให้เราพิสูจน์ถ้าเราผ่านไปได้เหมือนที่เคยบอกพระอาจารย์เอาว่ามันก็จะเป็นข้อพิสูจน์สาหรับเราซึ่งตอนเนี้ยโยมก็คิดว่าโยมทําได้เกือบหมดทุข้อคํา ต, ตอบส่วนใหญ่อยู่ที่การปฏิบัติปฏิบัติไปปฏิบัติไปความสงสยัยอะไรต่าก็จะ ห, หายไปหายไป แล้วค่ะถ้าไม่ปฏิบัติถามถามไปอีกครั้งเนี่ยก็กลับมาถามใหม่ถามแล้วก็เลยให้หาคําตอบจากการปฏิบัติเองใช่แล้วค่ะจริงจริงนอกจากถ้าจะ ถ, ถามว่าถามเรื่องวิธีการปฏิบัติได้แต่เรื่องอื่นอย่าไปถามไม่เสียเวลาหาคำตอบมันคําตอบอยู่ที่การปฏิบัติของเราค่ะทีนี้ในในช่วงปฏิบัติช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีช่วงหนึ่งที่ยอมหายใจ นั่งนั่งภาวนาพุโทโธไปเรื่อยๆค่ะเราก็หลังจากที่นั่งภาวนาพุโทโธนั่งหุดไปมันจะเป็นช่วงหนึ่งที่ยุดที่ยมหายใจไม่สะดวกทีนี้โยมก็ก็ใช้ใช้การปฏิบัติจากที่เคยมีญาติโยมถามแล้วก็จับที่เคยได้ความรู้มาก็คือให้นั่งเฉยๆจนกว่ามันจะนิ่งนะคะตรงตรงนี้ก็คือเราเรานั่ง ให้นิ่ง น, ะนานได้เท่าไหร่เพราะว่าหลังจากที่หายใจไม่ออกปุ๊บมันก็เหมือนกับทําให้เราก็กระเด็นออกมาอยู่แว บ, บหนึ่งอ่ะถ้านั่งเฉยๆได้เดี๋ยวที่จิตไม่คิดปูแต่งก็ใช้ได้แต่ถ้านั่งแล้วมันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ต้องใช้วิธีอื่นอีกมันถ้าดูรองไม่ได้ก็ต้องใช้พูดโถ<อ>ง น, นะยังพอหนักถ้าจิตมันไม่เฉยๆสักแต่ว่าราู้แล้วไม่คิดุูแต่งอลไรก็ ให้รู้เฉยๆแบก็ได้แต่ม่ใช่ท่านพยายามกำลัฟุ้งขึ้นมาใหม่ส่วนความคิดเราค่ะที่ที่พระอาจารย์เคยพูดว่าธาตุรู้ธาตุรู้ธาตุคิดนะคะยงยงเคยฟังคลิปอยู่อยู่ส่วนหนึ่งก็คือธาตุรู้ธาตุคิดมันไม่ได้อยู่ในร่างกายทีนี้ยงก็เลยมีคำถามว่าตัวธาตุรู้กับธาตุคิดนะคะ ถ้าพูดถึงในร่างกายที่ที่อยู่กับเราไม่ว่าจะเป็นหัวใจปับ๊บ ม, ม้ามอะไรเงี้ยค่ะปกติแล้วเขาจะอยู่ตรงไหนเหคะค่ะอ๋ออยู่ในโลกไงที้เราเรียกว่าโลกทิพนี่ยอ๋อโดยธาตุนี้เป็นดวงวิญญาณเพียงแต่ส่งกระแสะมากกนเกาะติดที่ตามจะมองเห็นกายอ๋อก็คือเป็นอยู่อีกมีปิดมีอยู่คนละโลกกันเหมือนกับเขาท่สงสง่สงทรง ส, ส่งยาเอากาศเปสานวจดาวอัคารแลาคนที่ควบคุมเครื่องอยู่ที่โลกนี่ oh. อหมือร่างกายเราอยู่โลกหนึ่งแล้วคนที่ควบคุมร่างกายเรานี่อยู่อีกโลกหนึ่งที่โลกทิพย์ุษขึ้นอยู่ในโลกทิพย์แต่็นผู้ควบคุคคคมทำให้ร่างกายเราเคลื่อนไวหวทาอะไรต่าง ดึงธาตุู้ให้ออกจากร่างกายชั่วคราวในการใช้สติพุโทโธพุโทโธพอหยุดคิดปั๊บกระแสที่ส่งมาเกาะติดกับร่างกายมันก็จะหายไปชั่วคราวจิตสงบก็จะไม่รู้สึกไม่รับรู้เรื่องร่างกายไม่รับรู้ก็ไม่ไม่วุ่นวายไม่มีความรู้สึกอะไรกับร่างกายใช่ไหมจารย์นะในเวลาคุณเจ็บแล้วคุณพุโทโธพุโทโธดึงดึงเจิตเอาให้ออกจากร่างไป มันก็จะไม่รู้สึกเจ็บปวดไปกับความเจ็บของทางร่างกายอืม อ, อ๋ออย่างนี้นี่เองก็คือเหมือนที่โยมอธิบายเมื่อตะคุณีว่าโยมสเจ็บมากจนพอโยมภาวนาพุโทโธความเจ็บมันก็เลยมันล่างกายลาลงไปว่าเราจะจิตเอาใจมันไปน ไ, ไปไมัไปรับรูอ้อ๋าสาธุค่ะขอบพระคุณค่ะส่วน อ, อีกอ่าอีกตัวหนึ่งค่ะคือโยมไปดูคลิปอ่า YouTube าหาของอ่าชีวิต ชีวิตชีวิตวัดป่าบ้านตาอะค่ะเป็น <Yeah. S 2> เป็นพอดีประมาณห้าตอนนะคะ <Yeah. S 2> ยมก็เลยนึกถึงครูบาอาจารย์ก็คือพระอาจารย์สุดใจอะคะ่ะที่ท่านที่ท่านมรณภาพไปยมอยากรู้ในส่วนของจิตสุดท้ายก่อนที่ก่อนที่จะเสียหรือว่ามรณภาพของพระอาจารย์สุดใจคือทราบว่าท่านนั่งสมาธิหลังจากที่มีเพลิงไหม้ที่กุฏิอะคะ่ะอันนี้ก็คือ เป็นการฝึกมรณะหรือว่า ก, ก็แบบเดียวก็แ <c oughs> บบเดียวกับคุณดึงจิตออกจากความเจ็บปวดของร่างกายของคุณไปแล้วก็ดึงจิตนั่นออกจากร่างกายไปเท<ม>่ากับว่าเราก็ทำ่ า, า ง, <ม>งไฟเผามันก็ไม่เดือดร้อนจิตก็ไม่เดืนอดร้อนโอเคอะ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะอืมันดึงจิตได้สองวิธีดึงด้วยสตยิ พุทโธพุทโธหึ่งได้ปัญญาก็ปล่อยวางพิจารณาว่ามันเป็นใจรักไม่ใช่ตัวเราของเรามันก็แยกมันได้สองแบบถ้ายากในปัญญามันก็ยยกได้อย่างถาวรถ้ายากในสติก็แยกได้เป็นพักๆไปพอเราไม่พุทโธก็มันก็จะกลับเข้ามารวมอยังไงซึ่งตอนนั้นตอนนี้เนี่ยอ่โยมและเพื่อนๆอีกหลายๆท่านก็ยังอยู่ในขั้นสติเช่นที่เจ้าค่ะก็คือต้องฝุดไปเรื่อยๆฝุดไปเรื่อย พเข้าถึงขั้นปัญญาเราฝึกปัญญาพิจารณาร่างกายว่าไม่มีตัวเราของเราแล้วตัดมันได้ปั๊บเราก็เรก็จะไม่ทุกข์กับมันอีกต่อไปออเหมือนการเล่าให้ฟังมาไปพิจารณาเรื่องร่างกายมันตัดความกลัวตัดอะไได้เท่านีนะ้ใช่ไหมต่อไปใครเอยคุณหมอนะทาทวุฒิอ่ะ คุณหมอนาตวุฒิหรอวาใช่ครับคุณหมอนาตวุฒิครับครับกลับท่านอัดครับกรรมการอาจารย์ครับนะเป็นยังไงบ้างครับสบายดีครับก็ก็มีคําถามอสองคําถามครับนะะผมมสังเกตว่าไอ้ตนหลังผมก็รู้สึกเหมือนกับเวลาทําอะไรมันชอบมันชอบจะสติจ่อไปอยู่ที่จุดที่ที่ที่ไอ้งานที่ทํำบางที อย่างเ่อก่อนออกโอปีดีอะไรเงี้ยครับบางทีเราก็คุยมาคุยแล้วเราก็ไปรีวิวชาบอะไรเงี้ยแล้วก็สุดบางทีพอเขาคุยเราก็จะเริ่มมีอารมณ์แต่ว่าไม่ได้ไปแสดงออกนะครับบเหมือนกับใจมันอยากไปอ่าไปทํางานทีลรอย่างแล้วเขาพอเสร็จอยากนิดแล้วก็โอเคก็รอเขาว่าอีเดี๋ยวเราขอแป๊บหนึ่งนะแล้วไปรีวิวมันก็จะมีความสุขไปตรงนั้นแล้วเราก็ค่อยมาคียกับเขาอะไรเงี้ยอันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่ที่ที่ที่ดีไหมครับหรือว่าก็เวลาเราอยู่คนเดียวเราก็จอดได้ แต่พอเราต้องเีข้อกับคนอื่นเราก็ต้องต้องแบ่งเวลาเขาด้วยครับอ่าแต่มันก็จะไม่มันจะขาดความเมตตาไปอ๋อครับผมอ่แต่ก็คือยังยังยังตรวจยังอะไรครับทีนี้ก็เหมือนกับก็จะขอหรืบขอเวลาขอหมอไปอะไรดูสักนิดหนึ่งแล้วก็พอเสร็จแล้วก็ก็จะก็จะมาคุยกับเขาอะไรเงี้ยใช่ก็ก็ให้รักษามายาไว้แล้วก็เราไอยาไปผิดนกียรติเนอะบางทีเราต้องยอมรับว่าเราบางทีไม่สามารถที่จะทำในสิ่งที่เราอยากทําได้ ว่าเราว่ามีเรื่องอื่นมาเกี่ยวข้องเราเขาก็ต้องผ่อนผันไปเป็นเกิดเป็นความรู้สึกในใจเองแต่ว่าไม่ได้แสดงออกอะไรครับแต่ว่าพอไมันเต็มไปมันก็เหมือนกัทุกได้ครับอ่ะแต่ว่าก็เป็นเราทำงานแล้วก็อาจจะพยายามโฟกัสไปที่หนึ่งจุดอะไรเงี้ยถ้าไม่มีครมาเกี่ยวข้องด้วยเราก็โฟกัสไปที่จุดนั้นจุดเดียวได้ครับอ่ะแต่ถ้เกี่ยวข้องเราคอมีคนมาเกี่ยวข้องแล้วว่ก็ต้อง ผ่อนผันผ่อนพันไปก่อนชัว่วเราวได้ครับเจ้คนนั้นให้เสร็จให้เข้าไปกันแล้วเราก็กลับมากลับมาครับแล้วก็อันที่สองวันีตอนช่วงที่ไปปฏิบัติทั้งครั้งล่าสุดก็ก็ดูเรื่องของเวทนาครับก็ปกติก็จะเหมือนจะพยายามดึงใจให้อยู่จุดเดียวไม่ไปยุ่งกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ตมนนั้นก็เหมือนรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่ไปไปดูมันก็เลยก็เลยก็เลยไปไป ไปเพ่งมันคแต่ว่าก็เพ่งโดยใช้เป็นอนิจจังนะว่าดูว่ามันมันก็อยู่ของมันไอ้ใจของเราความรู้สึกเราก็อยู่ไอ้จุดที่รวมอยู่ตรงกลางอกเนี่ยมันก็มันก็ดูแล้วมันก็เกิดมันระดับแล้วก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็มันก็เมื่อก่อนมันโง่เองที่เอาไปรวมไปผสมรวมกับมันแต่ตอนนี้เหมือนกับ เราก็ดึงมันมันมันจริงมันคนละสวนกันแต่เรามันจะเห็นก้องไฟแต่เราไม่ติดไม่กระโดดเข้าไปในกองไฟผู้รู้กับผู้ถูกรกนคนละคนอย่างเคยครับนะครับนะถ้าดู้ถ้าดูแล้วไม่มีความอยากก็ดูได้แต่ถ้าดูแล้วมความอยากก็มันจะมันจะทรมา ดูว่าอยากให้มันทายหรือว่าจะทรมานใ้มาครับแต่วันนั้นก็รู้สึกเหมือนกับสติมันมันมันมีกําลังก็รู้สึกว่าเอ๊อเราก็มีเราก็ไม่ไม่กลัวมันนะรู้สึกเหมือนกับเออเองจะมาก็ก็ก็ก็มาแล้วก็เราก็ดูว่าเออมันก็เป็นเหมือนกัรมองดูกองไฟแต่ว่าเมื่อก่อนเราก็ไปคลุกอยู่กับกองไฟแต่ตอนนี้ก็เหมือนแย่กว่าใหส่วนดนะครับปฏิบัติอย่างนี้ถูกถูกต้องแล้วนะครับแล้วเราต้องทํายังไงต่อไหมครับว่า ก็สารใจไปในตัวเรียกว่ามันเป็นของอนัตตาเราห้ามมันไม่ได้ับขาดไดที่ยังมีขันอยู่นี่มันก็จะต้องเจอกันอยู่เรื่อยๆก็อย่ะไแต่เราไม่ไปยึดกับมันอย่าไปยึดอย่าไปกลัวมันครับมันมาก็ให้มันมามันไปก็ให้มันไปครับนต่อไปเราก็จะอยู่กับมันได้เวลาร่างกายเจ็บไข้ในป่วยเราก็เฉยกับมันได้ไม่ต้องกังวล มีการพิจารณาเวทนาครับนะส่วนร่างกายพิจารณาสักวันหนึ่งก็ต้องหมดลมหายใจครับนะก็ต้องยอมรับสภาพมันจะตายก็ต้องให้มันตายไปครับนะแล้วก็ดูเป็นอนิจจังเป็นนะครับมันลามไม่ใ่ตัวเราครับเป็นเราเราไปยึดปัญหาว่าอยู่ที่ใจไปไปไปไปยึดไปอุปทานนะถ้าเราปล่อยนั้นเราจะไม่ทุกข์ประมาณนเป็นยังไงจะเป็นจะตายเราก็จะเฉยๆได้ครับนะ ได้ครับทำถูกทางแล้วพยายามฝึกไปเรื่อยๆต่อก็นั่งครับถ้ามันเป็นภาวนาม่คปัญญาครับทําให้ใจปล่อยวางได้ครับปล่อยวางเวทนาได้ปล่อยวางร่างกายได้ครับจะไปพยายามปฏิบัติครับโอเคครับต่อไปแล้วนะครับ ไวันักวันวันก่อนที่อยาจะถามอะไรหออย่างอย่างรับเรื่องวัคซีนป่ะครับอาจารย์ครับนะอบอกว่าอะไรนะของแอสตราเรื่อครับกับของของจีนครับที่มันมีมีสองสองชนิดครับนะครับของของซีีลาดเองก็ของถ้าเป็นอายุต่างกว่าหกสิบก็จะเป็นซิโนแวคครับ แล้วก็ถ้าเป็นอายุเกิด60ก็เป็นแอสตาผมก็ฉีดเป็นซิโนแวคฉีดไปสองเข็มเรียบร้อยครับแ ม, ม่มมาาเห็นมีข่าวแต่ว่าผมคิดว่าคงไม่น่ามีอะไรอาจจะเป็นสารปนเปื้อนอะไรมากไม่ไม่แน่ใจใ เ, เรื่องของมีปัญหาเรื่องเลือดใช่ไหมครับนะฮะใช่ครับแต่ว่ามันก็อินซสเด้นต์มันน้อยครับอันนี้ถ้าดูโดยประโยชน์กับอ่ากับโทษเนี่ยผมคิดว่าการฉีดเนี่ยมีประโยชน์เยอะกว่าครับเพราะว่าถ้าเราเป็นเนี่ยมันจะลดการ อ่ะมันมันลดการติดไปบางส่วนแต่ว่าที่แน่แน่เนี่ยมันจะลดโอกาสที่จะเป็นรุนแลกครับ<ง>มูทแทนเราเป็นที่เราอาจจะลงปอดเสียชีวิตไอ้ออการตรงนั้นมันก็จะลดลงไปครับเพราะเราจะมีภูมิในการเรียน <deutlich S 1> <based S 2> เรื่องเลื่อนๆนี่ก็เป็นทางก้ไขาได้ป่ะถ้าอยู่ใกล้โรงพยาบาลกล็ก็ก็ได้ครับแต่ว่ามันโอกาสมันน้อยครับนะอันก็จะเป็นไอ้พวกอ่ามีเซ็นทรัลวีนัสธ rombosis มีปวดหัวมีอะไรมันก็อาจจะรักษาแล้วเาก็ต้องไม่ให้เกิดเลือดไม่อะไรมันก็มีมีแนวทางแต่ว่า มันโอกาสมันน้ mm. อยมากครับนะมันถ้าโดยความน่าจะเป็นที่จะไปติดแล้วเป <kin> ็น <Magazine. S 2> โรคเล้วระบาดแล้วมันจะเป็นเยอะมันน่าจะเป็นเยอะกว่าที่ที่เราจะไปไปเกิดไอภาวะไอไอหรือไอเรียคชันจากจากจากวัคซีนนะครับแล้วภูมิภูมิการที่มันเริ่มเริ่มเริ่มเริ่มเริ่มมีภูมิคุ้มกันตั้งแต่ กี่่หลจาาทเรส่วนส่วนใหญ่มันต้องใช้เวลาเป็นเดือนมันอันนี้มันแล้วแต่ชนิดวัคซีนใช่ครับวัคซนพวกนี้ก็ยังสามารถติดเชื้อได้ยังติดเชื้อได้ครับนะอย่างตัวซิโนแวคที่ผมฉีดก็ยังโอกาสติดเชื้อได้ถึงห้าสิบเอร์เซ็นต์คแต่ว่าไอแต่ว่าโอกาสลดอาการรุนแรงเนี่ยร้อยเปอร์เซนที่จะไม่ไม่เป็นรุนแรงครับนแสดงว่าเรายังสามารถเป็นพาหะได้มีเชื่อได้เออเราหน่าจะมีภูมิกับกับเขาเขาอาจจะ คือโลกตอนไอโควิดมันอันตารายเพราะาเราไม่มีไม่มีภูมิกับมันนะครับนี่พอไม่มีภูมิกับมันเนี่ยมันก็เลยทําให้เวลาเป็นแล้วล<ะ>มันเป็ น, นรุนแรงครับเพราะว่า เ, <abel ox S 1> เพราะว่าเราไม่เหมือนมีทาหารแต่นี่เรามีมีเชื้อเออเชื้อตายอยู่หรือว่าจะเป็นวิธีไหนก็แล้วแต่มันก็จะมันมีมีกองทหารที่เรู้จักว่าเอ็นี่เป็นตัวไม่ดีนะทจะมาทํร่างทำลายร่างกายหรอกครับแต่เราสามารถแพร่เชื้อคนอื่นได้ตอนที่เราเป็น นนถ้าถ้าเราเป็นถ้าเราเป็นนี่เป็ น, เ ป, นเป็นแพร่เชื้อให้คนอื่นครับก็จะเป็นช่วงช่วงต้นเนี่ยเชื้อมันก็จะแพร่จากเอ๊มันก็จะไปติดท่าทางการใช้เพระเรามีน้ำมูกเส้นหัแล้วก็อาจจะไอจามด้วยว่าไปไม่แตะที่พื้นเราคนอื่นมาจับที่พื้นแล้วไปจับหน้าก็จะทําให้เชื้อเข้าไปที่ตัวครับอนะสมมติว่าถ้าเราเป็นแล้วเราหายเราก็จะมีภูมิคุ้มกันเราก็จะมีภูมิคุ้มกันครับใช่ครับดูก็ะชีพักเสียงดีไหมก็ มันก็เหมือนหวัดนะครับเชื้อมันก็พัฒนาไปเปลี่ยนสายพันธุ์ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทั้งทางหน้าก็ยังเป็นได้ใช่ครับะใช่ครับใช่ครับใช่ครับแต่ว่าพอมีภูมิแล้วมันก็มันก็มันก็จะลดความรุนแรงลดความนี่ไม่ยังหวัดนี่ก็ปีหนึ่งก็เป็นกันเยอะแยะมีเชื้อชีวิตบ้างแต่มันก็ไม่เยอะขนาดนี้เพราะว่ามันมันมีมีภูมิกันอยู่บ้างใช่ครับนะเล้นภูมิเราก็สามารถสร้างเลยอันหนึ่งติดเชื้อแต่ว่าติดเชื้อเราก็ไม่รู้จะเป็น เยอะแล้วเป็นก oh, okay. so ็ถ so ้าเป็นก like ็ก็สบายใจนะว่าโอกาสที่จะมัน็นจจะมันจะมีโอกาสเป็นได้อีกแต่ว่ามันก็อาจจะลดความรุนแรงแต่ว่าถ้าเป็นฉีดวัคซีนก็จะง่ายกว่าเพราะว่าเราก็เอาเชื้อที่ตายแล้วที่มันมันไม่มีกําลังแล้วเราก็มาสร้างภูมิกบมันมันก็เป็นวิธีที่ี่ก็เหมือนจะไปติดเชื้อแต่ว่าเป็นติดเชื้อที่ที่เราเราเราไปสู้กับทหารที่เขาไม่ค่อยมีกำกำลังแข็งแรงครับนะครับผม พอแล้วก็อาจจะเปลียนเรียนอาจารย์พอดีสักเรียนที่แล้วผมตวดท่านอาจารย์บุญจันทร์ท่านฝากเรียนอาจารย์ว่าเดี๋ยวท่านพรรษานี้ท่านจะมาอยู่แถวสัตหีบนะครับออาจจะมาครับเหมือนว่าพักพรรษาที่ใช่ครับท่า น, นบอกว่ามีคนถวายที่ท่านอยู่ตรงสัตหีบท่านก็เลยว่าจะมามาอยู่ช่วงพรรษานี้ครับฮะก็เลยฝากคำพิสติน์มาให้อาจารย์กลับมาครับผมนะครับท่านต่อไปใคร วันนี้ก็มีความรู้พิเศษเลยนะผมไม่เป็นไรนะไทยคุณคุณไทยแลนด์นะคุณไทนไทยแลนด์ห น, น้าม า, มมาเคยถามเคยที่ชอบถามแต่ไม่ชอบให้ให้ดูห น, หน้าใช่ถามว่ามาทำไมสิงห์งคลมีปัญหาพูดได้ถามว่ามามีคำถาม เสียงมันก็จะยินเลยมีใกล้ๆหน่อยช่้ไหมคาถามเจ้าค่ะโอเคถามได้เลยคือแบบว่านั่งแบบแบบคือมัทสวนนั้นจะจะตวดมลเจ้าค่ะ แ, แล้วก็แก็แบบพอแบบมาฝึกฝึกนั่งภาวนาอะไรแบบนี้เจ้าค่ะแล้วก็แล้วก็จะท่องพุโทโธเจ้าค่ะแบบแบบน้ แบบหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทแล้วก็พอมีความคิดอะไรก็จะพยายามแบบทุกคือแบบให้มันอยู่กับพุทธโทแต่ว่าแบบบางเทียนท่องพุทโธอยู่แต่ว่ามันก็ไปคิดแบบเยอะแยะมากมาดูแต่ว่าจริงจริงกันไม่อยากคิดแบบไปไปหลายอย่างแต่พอแต่มันก็ท่องพุทโธอยู่แต่ว่าแต่วมันก็คิดอยู่อยู่ทั้งๆที่ท่องพุทโธแล้วก็มันก็ไม่มันก็คิดอยู่เรื่อยๆแล้วก็ได้ว่าใจไม่จดจ่ออยู่กับพุทโธ ถึงแม้จะเท่าอยู่แต่ม yeah. mm ันไม่ได้จดจ่ออยู่วุ่นโทรมันหนไปไหนไปเที่ยวนีไปที่นั่งไหนท่องไปก็เท่อาไปแบบปากเปล่าเนี่ยเไปแบบไม่มีไม่มีสติจดจ่ออยู่กับมัคือแบบว่ามันก็ยังฟุ้งสร้างอยู่แล้วก็พอต้องไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าพูดโธมันจะแบบชัดขึ้นกว่าเดิมแบบจากแบบที่มันที่มันแบบไม่ค่อยชัดมันก็จะชัดขึ้นกว่าเดิมแล้วก็พอหน้าไปสักพักแล้วมันจะรู้สึกแบบเมื่อยขาอะไรเนี่ยแล้วก็ แบบคือแบบอยากทนทนความเมืยได้แล้วก็ก็แบบก็ก็นั่งต่อไปอีกแล้วก็มันก็มีความรู้สึกมันก็ว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแล้วก็มันพุ่งทนออกมาอีกแล้วก็แบบก็แบบว่าไม่สามารถผ่านจุดนี้ได้สักทีแบบพอแบบเมื่อยเสร็จแล้วก็ทนออกมาไม่เสร็จแล้วก็ทนออกมาแบบเนี้เท่าไหร่ก็เราต้องฝึกสเตจให้มากขึ้นสเตจเรามีกําำลังไม่มากก็จะมานั่งเน้นต้องฝึกสเตจเยอเยอะก่อน ทำอะไรก็ได้มีสติอยู่สิ่งที่เราทําท่องพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเวลานั่งมันจะมีกำลังมากเมื่มันจะทั่งน้องมันก็จะผ่านไปได้เวลาเจ็บมันก็สามารถทะนั่งต่อไม่ได้แล้วแล้วพระอาจารย์สุชาชอาริชาโตทําังไงถ้าเกิดว่าเวลานั่งแล้วแบบมันมีความปวดเมื่อยขึ้นมาอะไรแบบนี้ก็ได้แหละถ้าเราไม่มีสติกําลังไม่พอมันก็ทนไม่ได้ก็จะลุก แต่ถ้ามีถ้าถ้าเรายังไม่อยากจะลุกเลยนั่งต่อแล้วก็ต้องท่องรูโทรไปไม่ต้องดูเอาแต่รูปโทรหนึ่งเดียวอะไ่าี้คือแบบว่าให้นั่งแบบทั้งปวดเมื่อยเลยไหมอ่านั่นแะนั่งต่อไปมันจะปวดจะเมื่อยก็ไม่ต้องไปสนใจแต่ว่าแต่ว่าแบบตั้งเดทที่ฝึกแบบนั่งสมาธิมานี่แบบแบบไม่เคยมีข้างไหนที่แบบนั่งแล้วแบบจิตแบบรวมแบบสงบแบบจริงจริงได้แบบก็เสถียรมันยังไม่พอยังต้องพยายามท่องรูโทรไปเรื่อยคุณซ่านไปเรื่อยเลยเจ้าค่ะ เราพยายามทําพูดโทให้อยู่กับพูดโท้อย่าไปอยู่กับความคิดมันจะคิดก็ไ ม, ไม่ต้อไปสนใจแต่อย่าไปคิดกับมันให้อยู่กับพูดโท้ค่ะแล้วแล้วก็พายตัแล้วแบบบางเทียนเวลานันั้นแล้วก็แบ บ, บ น, น้ําลายมันจะไหลออกมาด้วยเจ้าค่ะก็แบบปล่อยมันไหลไปไม่ตํางไปสนใจให้อยู่กับพูดโทแล้วก็บางทีแบบไหลแบบย้อยออกมาดิแล้วก็ไหยไปเดี๋ยวก็เชื่อได้เดี๋ยวก็ล้างได้ไม่ต้องกลัวหรอก แล้วก็แบบแล้วก็แบบเวลานั่งสมาธิเราต้องการถอนออกมาเรามีวิธีการถอนอย่างไรถึงจะถูกต้องในส่ว<อ>ลุกขึ้นมาถ้าไม่ต้องมีวิธีถูกต้องเลยถอนด้วยสติให้รู้ว่าเรากำลังจะลุกขึ้นแล้วเราจะอยู่ภาวาแล้แต่ว่าเหมือนเราว่านเลยแบบมันกับจะต้องปล่อยให้ติดมันคิดอย่างอื่นไปก่อนไหมแล้วก็ค่อยลุกขึ้นอะไรแบบนี้จ้ะคะอ๋อความจริงไม่ควรอ่ะควรจะให้มีสติอยู่กับพุทโธต่อไป ลุกขึ้นมาก็พูดโทรต่อไปให้ให้อยู่กับร่างกายแล้วให้ดูว่าตอนนี้เราร่างกายกาลังทําอะไรอยู่ถ้ะอาจารย์สุชาติอภิชาติดูแบบมันก็ว่าถ้าเกิดว่าเรากําลังทํากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจาวันแล้วถ้าเกิดว่าเราวันมันกับว่าไม่ฟุ้งซ่านเลยกับเราวันปล่อยให้ติดฟุ้งซ่านพระอาจารย์คิดว่าแบบไหนดีกว่าเจ้าค่ะไม่ฟุ้งซ่านกันดีกว่านี้ฟุ้งซ่านไม่ดีหรอกยัไปฟุ้ง อแบบถ้าไม่ฟุงสัง้นจะดีกว่าแต่ว่าแบบเราจะทํายังไงให้เรามีสติอยู่ตดอด ล, อลอดเวลาทจ้คะต้องท่องพุทโธไปตลอดเวลาแต่ว่าป้าอาจารย์แบบบางทีน้นเวลาท่องพุทโธแล้วก็แล้วเราต้องทําอย่างอื่นไปด้วยแล้วกลัวว่ามันจาปิดผ้าอย่างเช่นแบบถ้ามันเราแบบกาําลังล้างจารย์อยู่แล้วก็แบบท่องพุทโธพุทโธแล้วก็กลัวเราจะไม่ดดจดจ่ออยู่กับการน้างจานก็อยู่กัการน้างจาย์อย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องท่องพุทโธก็ได้ ก็คือแบบย้ายจิดมันฟุ้งสั้นใช่ไหมคะย้ายจุดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็แล้วก็แบบมันกับว่าแบบบางเทีอ่เวลาเขาพูดแบบมันกับว่าแบบคิดแบบมันกับคิดอะไรก็ให้รู้แบบมันกับว่าอยากรู้ว่ามันย้ายไปทำอย่างนั้นให้รู้ความคิดมันก็ไม่มีวันที่จะหยุดความคิดแบบมันกับยางเช่นแบบแบบแบบคิดอะไรก็รู้คิดอะไรก็รู้อะไรแบบไม่ไม่ถูกไม่ถูก ถ้าเรารู้แล้วแต่เราหยุดมันไม่ได้มันจะคิดจะไปทำอะไรไม่ดีเราก็จะหยุดมันไม่ได้ถ้าเราไม่มีสติถ้าเราหยุดคิดไม่ได้ตอนต้นนี้เราต้องหยุดคิดให้ได้แล้วก็ค่อยดูความคิดได้เวลามันคิดไม่ดีก็จะหยุดมันได้ป้าอาจารย์แล้วความปิติคืออะไรเจ้าคะก็ความรู้สึกที่มีความสุขเพิ่มเพิ่มปิติเพิ่ม น้ำตาหลายขนลุกอะไรเวลาเห็นของที่เรารักเราชอบเห็นดาราอะไรเด็กร้องกรี๊ดกันขึ้นมาเพรือปิติแล้วทำยังไงให้เราแบบมีความปิติอะไรแบบนี้จ้ะทํำยังไงเหรอปิติมันก็แล้วแต่มันจะปิติแบบไหนไงถ้าปิติจากความสงบก็ต้องท่องพุโทโธพุโทโธไปพอจิตสงบมันก็จะเกิดความปิติขึ้นมาแล้วก็แบบเราจะทํายังไงให้เราแบบ สู่ความเวทนาได้เจค่ะกาเด้แหละก็ต้องใช้พุโทโธหนึ่เลมันเกิดขึ้นมาก็อย่าไปสนใจอยา่าไปยูปหวานงหวามนแสดงตัวของมันไปแล้วไปรูปพุทโธวุทโธของเราไปแล้วก็พราจารย์สุชาติแล้วก็แบบแล้วก็แบบมันก็ว่าในปัจจุบันนั้นก็มีทั้งพระสงฆ์ที่เชื่าพรอาจารย์สุชาบอกว่ามีพระสงฆ์มีมีมีพระสงฆ์เทแล้วก็พระสงฆ์เทียม แล้วมีประสูงเท้ก็ป้าสูงเทียมแล้วทำไมนะแล้วก็แบบมันก็ว่ารู้สึกป้าในปัจจุบันนี้จะมีประสูงแท้อยู่น้อยมากเลยเจ้าค่ะอะก็เหมือนขนเหมือนเขาวัวไงนะวัวตัวเลงกีนเขาเดียนสองสิแล้วขนไม่เยอะไหมวัวไหมขนเยอะยไห ม, มเยอะมากเลยค่ะนั่นแหลปะป้าเทียมก็เหมือนขนวัวป้าไทยก็เหมือนเขาวัวเขาใ แต่ว่าแว่าแต่พระคุณเจ้าคิดว่าพระอาจารย์สุชาติอภิชาตูนเนี้ยเสงฆี่เจ้าค่แล้วก็เป็นพระที่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบก็ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบก็ท่านด้วยค่ะอันนี้ไม่ได้ยินนะเสียงมันขาด ห, หายไป โอเควมดแล้วใช่ไหมคาถามจะได้ไปให้ท่านตอบได้ินม ค, <ำ S 2> คะเ <ละ S 2> จ้าพอาจารย์ดนอ่้ยังคาถามก็แล้วก็ขอขอหอค่ะอ่าอาอตาติดได้นะนหนึก็รอกันอยู่พระะอาจารย์สุชาติแล้วก็แล้วก็แล้วก็ข้าพเจ้าคิดว่าพรอาจารย์สุชาติจะต้องผ่านนอนเจ้าค่ะแล้วก็ข้าพเจ้าขอให้พระอาจารย์ประสูแด่ ความดีแล้วก็ค้นจากความไปได้ไหมขไม่ได้ไดละขาพูดนี้ขอไม่ได้ต้องต้องปฏิบัติขอไม่จะมันตายก็ไม่มีวันไดน้ต้องปฏิบัติสิจะมาที่ปัญญาแล้วปัญญาได้เองนะแล้วว่าใครก็ตามถ้าแบบบางเที่นเห็นแบบมันกับว่าบางท่านก็ทําบุญเยอะมากเลยแล้วก็แบบอย่างทําด้วยเจ้าค่ะว่าบางทีเราไม่ ก็ปฏ <premises. S 2> ิบัตินี่แหละได้บุญสูงสุดละไม่ไม่มีเงินไปทำบุญก็ไม่ทาไปทาไม่มีเวลาไปทำบุญก็ไม่ทำปฏิบัติทับดีกว่าได้บุญเยอะกว่าสะทุเจ้าค่ะโอเคนะสาทุอยู่สงขาใช่หมค่ะใครตอบไปหนิงคุณหนิงสุโขทัยครับหนิงเป็ไงหายนานเป็นนาน ครับการลมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมไม่มีอะไรเจ้าค่ะมาฟังธรรมแล้วก็มากราบละมาสการพระอาจารย์เฉยๆเจ้าค่ะปอยวางเด <c oughs> ้หมดแล้วปอยวางได้หมดแล้วโยก็สังเกตจิตตัวเองเรื่อยๆเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่ามันจะกระเพื่อมไหมเจ้าค่ะมันมันเหมือนไม่มีอะไรเลยเจ้าค่ะแบบว่าดูไปเรื่อยๆเจ้าค่ะว่าสบาย สบายมากไม่วุ่นวายกับใครดีมากเจ้าค่ะพรุ่งนี้จะฉีดวัคซีนนะเจ้าค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงโยมจะมาเล่าให้ฟังเจ้าค่ะพรุ่งนี้โยมยมอยู่โรงพยาบาลเป็นเภสัชเจ้าค่ะเจ้าค่ะฉีดฉีดของจีนเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็อยู่ในความไม่ประมาทเจ้าค่ะมีอะต้องทําก็ทําไปจายไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันก็แล้วกันไม่ ไม่มีอะไรเจ้าค่ะอยู่อยู่ไปเรื่อยๆทําทํากิจทําอะไรให้มันให้มันตามสมมุติให้มันเต็มที่ของเราเจ้าค่ะอ่าดีนะครับทุกคนเจ้าค่ะพระอาจาร์กาศธรมัาสการเจ้าค่ะ้าค่ะไม่ไม่มีอะไรเจ้าค่ะอาได้ไปทุกท่านต่อไปคุณวาริศครับคุณวริศเอาเชื่เลยกล้องลังห้องครับผมพ่อวันอาทิตย์แล้วมีระวังโควิดหมดไม่ค แม่โทรหาหมอนนดหมอโนดเป็นโควิดมาแล้วสองวันน่ะนวดแล้ววันสองวันออกมาเขาบอกเขาเป็นโควิดโอ้โหที่นี้ทุกคนในบ้านร้อนกันเลยหลวงพอ่อเนี่ยจะทำไงต้องกักตัวทั้งหมดเลยก็ไม่รู้แล้วหลวงคือแบบมันก็ต้องสิบห้าวันเลยหลวงพ่อนี่ประมาณเจ็ดวันแปดวันนี่ยหลวงพ่อือก็แบบเอมันก็เรียกว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเลยใช่ไหมครับหลวงพ่อนี่ ได้แล้วมันติดกันติดแล้วแหละแล้วมันไม่ติดมันก็ไม่ติดอ่าก็แแบบแต่เพื่อความปลอดภัยก็กลับตัวอันจะได้ไม่เป็นจะได้ไม่เป็นแผลชื่ อ, อแรกกว่าเลยเนาะครัก็เลยว่าจะลองไปตรวจ ด, ดูเหมือนกันพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าถ้าเจ็วันนี้มันจะรู้ผลมันจะตรวจได้หรือยังหรือว่าต้องรอให้นานกว่านี้ครับนอันนี้ต้องถามหมอนี้ก่อหมอหน้าทวีจะตามไม่ได้แล้วตรวจตวจน่าจได้ครับนะ ส่วนให่ถ้าแต่ว่าถ้าเจ็ดสิบสี่วันอ่าฮัลโห ล, ล, ล, ลครับอ่าไม่ยินนะไม่ยินนะครับก็เจ็ดวันแล้วก็อาจจะเช็คดูได้ครับก็ต้องซัมซอบอ็อกเทสไปดูว่ามันมีเชื้ออ่ามีแอนติเจนหรือมีตัวพีซีอไป ต, ว ต, วตรวจเจ้าเจอไหมครับแล้วแล้วถ้าสมมติว่าสัมผัสเอ๊ะแม่คนที่ได้รับเชื้อกี่วันถึงจะมั่งส่วนใหญ่เชื้อก็ก็แล้วแต่ครับส่วนใหญ่ถ้าถ้าเชื้อตัวใหม่ตัวใหม่ไอ นี่บางทีเห็นวันสองวันบางทีก็ก็เริ่มมีอาการเริ่มมีอะไรกันล้ครับนะนี่ถ้าถ้าเจ็วันก็ม exactly. oh, ันก oh. ็น่าจะถ้าตรวจก็เจอก็ระส่วนใหญ่สิบสี่วันถ้าไม่ตรวจไม่ไม no ่ไม่มีไม่มีก um, ็ไม่นั่ามอะไรลนะอ๋อมแล้วก็ก็คืออไงคือวันนั้นน่ะหาหมอนวดเสร็จปั๊บเอาวันต่อมาก็ไปตักบาดหลวงพ่อคงไม่ไม่เป็นไรหรอกนะวันเราไม่มีหลวงพ่อ ก็ใส่แมสใส่อะไรกันไว้ตอนช่วงนี้เชื้อมันระบาดเยอะก็ต้องคิดว่าทุกคนเป็นเราก็ต้องใส่เราก็ต้องว่าเราก็ต้องป้องกันตัวเราเองแล้วก็ป้องกันคนอื่นนะนั้นใส่แมสใส่เฟสชิลอ์ะแล้วก็พยายามคีปดิสแตนกันนิดนึงครับนะคกับมั น, มนจะป้องกันได้คุมแพ้อยู่แล้วครับเป็นโค้กที่แอากาศเปลี่ยนก็อไออย่างนี้อ้าวก็เลยแบบไม่รู้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้เครียดมากอย่าไปเครียดมากครับ เป็นก็เป็นใช่พยายามป้องกันอย่าไปแพ้กันเลยเราก็แล้วกันครับพ่อที่หลวงพ่อบอกตัดร่างกายที่ข่าววันก่อนที่พระที่ท่านตัดหัวตัวเองเอ้าแบบนั้นท่านไม่ห่วงร่างกายท่านตัดคอตัวเองแบบนั้นนะหลวงพ่อเป็นอย่งท่านบ้าเลยครับก็ไม่ห่วงร่างกายครับตัดทิ้งใช่ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระแล้วตรงไหนท่านไปฆ่าตัวท่านเองฆ่าตัวตายก็เป็นเป็นบาป ที่ให้ค่าให้ค่าค่ากิเลสค่าร่างการมันกง่แสดงว่าโง่หลงอวิชชาโมหะค่าผิดตัวเหมือนพระเจ้าสอนองปริมาณเนี่ยองค์ปริมาณก็ไปค่าคนอื่นเก้าร้อยเก้าสเก้าคนพระเจ้าบอกค่าผิดตัวต้องไป่ค่ากิเลสค่าความโลภความโกรธความหลงครับนใช่ไหมแล้วอีกนิดนึงครับหลวงพ่อ แล้วถ้าสมมติถ้าสมมติว่าเราติดเชื้อมาแล้วคนอื่นติดเชื้อจากเราโดยที่เราไม่นั่งใจนี่มันเป็นบาปหรอจากเราไม่บาปเราไม่บาปเรื่องธรรมดาเหม่อ น, นเชื้อหวัดอะไรน้แพานไปคุณแม่มชอบถ้าชอบขู่ว่าถ้ า, ถ, าถ้าคุณยายติดเชื้อจากลูกแล้วคุณยายตายลูกทําให้เป็นลูกเป็นบาป ก, กรรมตลอดใช่แบบแล้วอยากตั้งใจเอาเชื้อมาให้จริงๆไม่อยากให้แม่ตายอยากให้ยายตายยาที่าเรียกว่าบาปไม่มีวายไม่มีเจตนาไม่มีมมความนั่งใจไม่บาป อ๋อครับก็เดี๋ยวอเดี๋ยววันพุธหน้าเดี๋ยวผมจะรายงานว่าเป็นไม่เป็นครับพตอนนี้มันไม่มีไข้ไม่มีอะไรเลยแค่แบบอาจจะเป็นภูมิแพ้ก็ได้หรืออะไรอย่างนี้ครับหลวงพออ่ อ, มอ<ะ>ไม่ต้องมาเล่าะนะไม่ต้องมารายงานเลยปะช่วยไว้พอนไว้พอนนะขอรเาเป็นยัเป็นไม่เป็นยังไม่เป็นนะไวยพอนนี้นะครับโอเคผู้ป่าผู้ปาผู้าคะ มารการค่ะราศการเป็นไงครอบครัวทุกคนสบายดีนะสอัสดีค่ะวันนี้มาฟัง้ำเล้าก็มากราบับครับดีไม่มีคำถามเลยนะมีเรื่องจะเล่าค่ะช่วยฟังหน่อยนะมันเดวก็อ่ะโยมหลังจากที่โยมถือศีลแปดเจ็ดวันที่ผ่าน ยื่นมารอบนี้ค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่โยม ป, ปิดแปิดติดกันเจ็ดวันสิบแปดค่ะโยมโยมระหว่างวันที่ว่างโยมก็เปิดอ่าภาพยนตร์เกี่ยวกับเรื่องประวัติของพุทธเจ้าให้ลูกดูเพราะว่าลูกก็ถือสิบแปดด้วยค่ะแล้วโยมรู้สึกว่าโยมเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเราจิต เมื่อก่อนคือหนูสับสนใช่ไหมคะหนูมีความกลัวมีกลัวนู่นกลัวนี่คิดนู่นคิดนี่แต่พอเราถื่อสีแปะครบเจ็ดวันก็ได้ดูด้วยมันเหมือนกับใจของหนูอะค่ะมันเปิดเปิดหมดเลยค่ะแล้วก็ไม่มีความพนวงอะไรอีกแล้วแล้วก็หนูไม่รู้ว่านี่คืออะไรนะคะแต่รู้สึกแค่ว่าเรามีความสุขมีความสุขกับทุกวันแล้วก็รู้สึกว่าตัวของโยมเป็นเหมือนกับ เราเป็นเหมือนกับโลกอยู่เหมือนกับเป็นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในโลกใบ น, นี้เราไม่ใช่ตัวอันนี้อันนี้ไม่ใช่ตัวเราแล้วมันเหมือนกับว่าเราโยมรู้สึกเหมือนกับว่าโยมไม่มีโยมอยู่กับโยมอยู่กับปัจจุบนันแล้วก็ไม่ไม่ไดคิดถึงอดีตแล้วก็เป็นถึงอนาคตแล้วก็คือก็อพ่อพยายามปฏิบัติไปทุกๆวันแล้วก็โยมไม่เข้าใจว่าโยมไม่แน่ใจว่านี่คือการนี่คือภาวะจิตอะไรนะคะแต่โยมรู้สึกว่าสามีและลูก ในบ้านรู้สึกว่ารู้สึกว่าทุกคนต่างคนต่างเอกเทศเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนว่าเราเรามาเพื่อเจอกันแล้วเรามาเพื่อสร้างความดีแล้วเราก็จะไปไม่ใช่ไปด้วยกันรู้เราผู้ต่าง <c oughs> รู้สึกว่าเราไม่ผูกพันอะไรจัน <c oughs> อย่างนั้นเลยอะค่ะจิติวเบคงมีปัญญาเห็นว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่มีตัวตน ใม่นันนิจัเป็นของชั่วคราวใช่ค่ะหนูรู้สึกแบบนั้นหมดเลยค่ะแล้วก็จากที่เคยรู้สึกเหมือนกับเรากัง ว, วลห่วงลูกว่าเช่นเรื่องเรียนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่ห น, น, นูไม่มีเลยมีกังวลกนดีแล้วมันถูกต้อ ง, แ ส, งแสดงว่าจิตปล่อยวางได้จิตเห็นธรรมเห็นนันี้จังเห็นห น, <ต>นัตาในทสุดทุกอย่างก็ต้องจบลงเหมนเหมนปลาพวกปลเป็นชั่วคราวเดี๋ยวก็ต้องแยกทางกันไ ป, ไป การพยายามันไปใช่ค่ะแล้วก็โยมก็นึกถึงคําสอนของหลวงตาที่เคยไปนั่งฟังว่าปฏิบัติเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีใช่ไหมคะก็คิดว่า <c oughs> ยมจะพยายามปฏิบัติไปเรื่อยและโก็หวังว่ายอมจะได้มโยมอยากทราบว่าถ้าเราปฏิบัติเจ็ดคำว่าเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีนะคะจะเป็นไปได้ไหมคะถ้าเราปฏิบัติเองที่บ้านคือคือตามได้ที่ไหนก็ได้ใช่ไ ขอให้มันมีปัญญามีสมาธิมีสติก็สําเร็จได้ทุกแห่งทุกคนไม่ได้มที่ยมมีคําถามค่ะคํ า, าคว่าอคําว่าอรหันนี้จะต้องบวชถึงจะเป็นได้ใช่ไหมคะไม่ไม่เกี่ยวครับ <c> ก <oughs> ารเป็นพระอรหันนี่ก็เป็นพระอยู่แล้วไม่ต้องบวชใจเป็นพระเต็มร้อยแล้วไปบวชร่างกายทำไม ที่บวชบวกันนี้มันบวชที่ร่างกายแต่ใจยังกิเลสเต็มน้อยอยู่บางอย่างค่ะงั้นก่อนที่เป็นพระอรหันต์นี่จิตของท่านเป็นพระเต็มน้อยแล้วจะบวชร่างกายแล้วไม่บวชร่างกายไม่สําคัญแล้วแล้วโยมคําถามของโยมก็คือว่าไม่รู้ว่าโยมคิดถูกหรือคิดผิ ด, ดข้าข้างตัวเองหรือเปล่าโยมคิดว่าคนเราเกิดม า, าการที่เรามีาศาสตสอประการเนี่ยหมายความว่าเรามีการสะสมบุญมาบ้างแล้ว ไม่ใช่ว่าอยู่ๆ เ, เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ใช่ว่าเราเกิดมาแล้วเราจะไม่มีโอกาสที่จะสาเร็จยงคิดยงคิดว่าการที่เราจะสาเร็จหรือไม่ยงนี่ยงคิดเองนะคะไม่รู้ผิดถูกถูกยมคิดว่ามันอยู่ที่ความพยายามและการต่อเนื่องของเราถ้าเราพยายามต่อไปเรื่อยๆเราไม่หยุดเราก็มีโอกาสใช่ไหมคะถึงแม้ ว, ว่าทางโลกแบบนี้ความพยายามนีหนะคามสเร็จรนี้ะคะขอบคุณค่ะ นั ง, งปฏิบัติไปเรื่อยๆสินสมาธิปัญญาสินรักษาให้ดีสมาธิทําจิตให้สงบให้ว่างปัญญาพิจารณาทุกอย่างเป็นไตายักเป็นค่ะยมก็จริงๆรยมก็ยมไม่รู้ว่าสิ่งที่ยมทําปฏิบัติมันคือถูกต้องหรือเปล่าแต่ว่าระหว่างวันของโยมก็แทบจะไม่ค่อยมีเวลาว่างอยู่แล้วอยู่กับลูกมันอยู่กับปัจุบันแล้วก็ช่วงนี้กับตัวอยู่บ้านเขาไม่ค่อยกล้าไปไหนก็พยายามอพาลูก เดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างเช้าเย็นจดงนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําไปเรื่อยฟังธรรมะว่างวันอย่างเงี้ยค่ะไม่ทุกไม่วนหวายใจก็ใช้ได้ไม่ค่ะโยมหา ย, หายไปเลยค่ะแต่ก่อนก่อนโยมจะถือศีลเจ็ดวันโยมเป็นนะคะโยมกังวลถึงเรื่องโควิดนู่นนี่แต่ว่าตอนนี้โยมไม่เป็นเลยคะ่ะโยมรู้สึกว่าตายก็ตายไปเลยไม่เป็นไรเลยอย่างเ ง, งี้ยกแสดงว่ตองได้แล้วปลอยวันได้ดี รักษามัวไว้นะอยากลับไปยึดใหม่นะปล่อยแล้วต้องปล่อยจริงไม่ใช่เดี๋ยวเปลี่ยนใจเขากลับไปยึดใหม่เราคอยคอยสังเกตดูโย ม, มาาที่กิเลสมันหลอกเราให้เราดีใจว่าปล่อยได้นะในสองสาม น, นเราให้กลับไปยึดใหม่นะโยมกวรนั่นแหละไม่พักเก้อกันนะโยมโยมเคยมีความคิดแบบนี้เมื่อตอนโยมอายุประมาณสิบสิบห้สิบหกสเจ็ดครั้งตอนนั้นโยมไปที่วัดกับแม่แล้วโยมก็ มันเหมือนกับโยมนั่งและโยมเห็นนิมิตนะคะแล้วโยมก็ขอคุณแม่ตอนนั้นคือโยมร้องไห้เลยโยมบอกว่าโยมอยากจะบวช่ะโยมไม่อยากอยู่ทางลูกเนี่ยค่ะแต่ตอนนั้นแม่ห้างรอบเนี้ยะโยมมีความรู้สึกแบบนี้และสามีโยมก็เปิดธรรมะโยมฟังแล้วเขาก็พูดให้โยมฟังว่ามันไม่จาเป็นที่เราจะต้องไปบวชเราเราอยู่ที่บ้านเราปฏิบัติได้อะไรเงี้ยค่ะแต่คือโยมก็ตอนที่โยมรับรู้ความรู้สึกนี้ได้คือโยมน้ําตาไหลไหลพึมอเลยนะคะอืมดีดีมาก พยายามทำต่อไปรักษาจิตให้ดีนะอย่าไปทูกกับอะไร<ฆ>ไม่ว่าจะบวชก็ไม่บวชไม่สำคัญให้รักษาจิตตัวเดียวนี่หละโนะยมก็กนึกถึงหลวงตาตลอดเลยค่ะการบวชที่แท้ จ, จริงก็คือการรักษาจิตเนี่ยเรีว่าเป็นการบวชนะ<ฆ>ถ้าบวชแล้วไม่มารักษาจิตก็เหมือนกับไม่ได้บวชม<ฆ>วแต่ไปรักษากุเิรักษาโบตรักษาเจดีนี่ก็เหมือนกับไม่ได้บวช ยม อ, อยากขอคำความเมตตาคำแนะนำคะ่ะว่าถ้าเราอยากทดสอบจิตของเราว่าความจริงแล้วที่เราคิดที่ที่เราเป็นอยู่ตอนเนี้ยคือเราไม่ใช่กิเลสหลอกเราอย่างเงี้ยจริงจ ร, งจ ร, งจรงตอนแรกยมคิดว่ายมอยากจะไปดังขอขอขอแฟนออกไปขอไปอยู่บ้านคนเดียวสักเจ็วันดูมันจะรู้จะรู้ว่าเวลาไม่ได้อยู่ใกล้โลกใกล้ใครแล้วจะเป็นยังไงบ้างค่ะให<ม>้ยมอีกยมยม โยมจะลองไปฏิบัติตามดูค่ะลองไปอยู่คนเดียวไม่มีอะไรเลยบนเส้นเนื้อปรดาตัวลูกก็ไม่มีสามีก็ไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอะไรก็ไม่มีแล้วดูที่จิตใจเป็นยังไงบ้างค่ะขอบคุณค่ะโอเคนะแล้วับรู้สถานขอบคุณค่ ะ, คคะแล้วก็เดี๋ยวโยมขออนุญาตเดี๋ยวหลังนะหลังจากนี้โยมจะขออนุญาตกลับ แล้วก็พาเด็กๆเข้านอนก่อนนะคะเพราะว่าได้เด็กแล้วห้าทุนเนี่ยยังมีต้องหลายคนรอยอยู่นี่ไม่รู้<ช>คือมีสองยาเมื่อป่าวไม่รู้เราะว่า <c oughs> พรุณงนี่เขามีงานต้องไปถ่ายงาน อ, าอะไรไปเลยกล่าแล้วก็ไปได้เลยนะอขอขอบค่ะศาสตราการย์ค่ะสาธุค่ะคุณจิบคุณจิบเชิญพิธการค่ะว่า <c oughs> <c oughs> จะเดี๋ยวนี้กำลังหุงข้าวจะให้เด็กๆทานข้าวกลางวัน เที่ยงเทียงวัเที่ยงวันวนันเอนะเที่ยง ว, วันของนี่ค่ะกับนัสวาการเจ้าค่ะโอเคนั่นจ้เรียบห่ายวันนี้ก็จะหลฟั ง, ฟ, งฟังกัญยาณมิท่านอื่นถามไปก็ได้ความรู้ดีมากเลยเจ้าค่ะทีนี้เร่มาจะถามพระอาจารย์ว่า ถ้าเวลาสมมติเราคิดว่าเรามีอุเบกขาแล้วแต่ถ้าเกิดว่ายังมีสิ่งที่เข้ามากระทบอย่างเช่นมีคนว่าคนเหมือนกับมีคนมาดูหมิ่นคนที่เรารักเราในฐานะที่ ที่ที่ได้ยินหรือเราเร า, เรารับรู้เราควรจะทำอะไรไหมคะเราควรจะออกอธิบายความจริงไหมคะหรือว่าเราควรจะปล่อยให้เขาพูดไปแล้วเพราะเรารู้ว่าเขาอาจจะไม่ฟังถ้าเราอธิบายหรือเราเขาอาจจะเข้าใจดีถูกต้องถ้าเราอธิบายเราควรจะทำยังไงดีคะก็ อ, <le o> อยู่ที่ว่าเขาอยากจะฟังหรือเปล่าเขาอยากจะรู้หรือเปล่าแล้วเราพูดได้หรือเปล่าถ้าพูดไม่ได้ก็ไม่นำพูด แต่เพะความเราไม่ยอมพูดเขาจะคิดยังไงก็เราก็ไปห้ามความคิดขอไม่ได้คแต่ถ้าเราปล่อยวางได้จริงๆเราจะไม่เดือดร้อนเขาจะด่าก็ดา่ามันเขาจะว่าง็จะว่ามัน ถ, ถึงมันจะเป็นความคิดเกี่ยวเรื่องขอ ง, ของเข่าวไปความจริงมันย่อมเป็นความจริงอยู่เสมอใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้ถ้าเราปล่อยวางไม่ได้คือถ้าเรายังรู้สึกว่าเออเราอยากจะอธิบายแปลว่าเรายังปล่อยวางไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ถูกต้อง ยังไม่เป็นอุเบกขาแทนมันยังไม่จริงถ้าเราอย่างนี้แปลว่าเราคิดว่าเราเป็นแต่เราก็ยังไม่เป็นจริงเป็นแต่เปีความคิดเองกราไปเจอข้อสอบก็อสอบตกใช่ค่ะโยมก็คิดว่ายมเป็นแล้วนะเจ้าค่ะพอมาเจอนี้นเออแต่เราคงจะสอบตกเนาะนที่เรามีความคิดวอกแวกแบบนี้ ค่ะอย่างนี้ก็ต้องเจริญสติมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าคะฝึก ส, สตินั่งสมาธิให้มากขึ้นแล้วเจริญปัญญาที่ย่างเป็นใจลับค่ะแล้วเมื่อกี้โยมได้ยินเออ่พระอาจารย์บอกพี่น้องหรือพี่ไม่แน่ใจท่านหนึ่งค่ะบอกว่าท่านั่งไปนิ่งๆให้มันนิ่งๆไปก่อนแล้วเราค่อยมาคิดทีหลังนี่นี่นคือค่อยปัญญาพิจารณาคอกต้องออกจากสมาธิก่อนแล้วก็มาพิจารณาทางปัญญา แต่ถ้าสมารทธิไม่นิ่งชิดให้นิ่งใจ่อ<ๆ>ถ้ามันนิ่งๆนี่คือจิตมันจะไม่วอกแว็กซ้ายทีขวาทีนี่คือถ้าเรายังสมมตินิ่งไปประมาณห้านาทีแล้วก็เอ๊ะอยู่ดีๆก็ว่าความคิดแวบที่มาอันนี้แปลว่าเรายังนิ่งไม่พอใช่ไหมคะนี่นิ่งมาหมดนะแต่อย่ง oh <my. S 1> ่งใหม่ก็ต้องพูดโทใหม่ก็ดูลงใหม่ อ๋อค่ะมันมันไม่สามารถนิ่งยาวๆไปได้โด<ต><ล>ยที่ไม่มสติเรามีกำลังน้อยกดกดมันได้ถึงช่วงคช่วงคำเดียวเดียวอออย่างนี้นถ้าเราหมดกำลังหมดกำลังเ็โผล่ไปมาคิดเหมือนกันอเราก็ต้องเติมพลังด้วยคำว่าพุโทโธเข้าไปอีกอ่ค่ะแล้วถ้าอันนี้คำถามสุดท้ายนะคะแล้วถ้าเราแน่นพิจนารณาลมหายใจแต่บางครั้ง โยมตอนนี้มันกลายเป็นว่าโยมติดไอ้คําว่าสมมติเราดูลมหายใจแล้วโยมไม่สามารถเอาคําว่าพุทโธออกไปจากลมหายใจได้เลยอะคะ่ะก็ก็ทำไปพุทโธไปดูลงไปด้วยกันก็ได้ไม่เสียหายแต่กลายเป็นว่าบางครั้งเราจะคิดว่ามันจะกลายเป็นเรากําหนดลมหายใจของเราเองอะคะ่ะมันไม่ได้เหมือนกับว่ายมคิดเอ๊หรือว่าเราไม่ปล่อยให้ลมหายใจเป็นธรรมชาติหรือเปล่าถ้าเป็นธรรมชาติจริงๆเราจะไม่มีจังหวะพุทโธพุทโธมันจะเป็นอาจจะเป็นพุทโธพุทโธ พูดโธอะไรแบบนี้เปล่าคะก็เราเปลี่ยนอยากพูดโธไปเป็นอย่างอื่นได้ไหมนะทำโมแทนสัำโคแทนเดีย่ยพูดโทรทำโมซ้ำโคไปมีจะได้ไม่ไปติดําลมอย่างนี้เราก็ควรใช้ลมหายใจนาก่อนแล้วเราก็ค่อยเสพพูดคาว่าพุดโธหรือว่าจริงๆควรจะลดคําพุดโธไปเลยถ้าทําได้ใช่ไหมคะถ้าทําได้ก็ดูลงไปอย่างเดียวดีกว่าลมอย่างเดียวนะเจ้าค่ะโอเควันนี้มีเท่านี้ค่ะไม่ไม่มันดึกแล้วก็ไม่ควรพอาจารนาน กัดคุณเจ้าค่ะคุณส่องชคุณสองต่อเลคุณสอมจากนอร์เวย์ใช่ไหมมิได้ไงเออจากอเมริกาค่ะอเมริกาอยู่เมืองไหนรัฐไหนดาลาัดาลลัสเท็กซัสค่ะดัลลสเท็กซัสอคนี้คนที่สามาเลยนะมาจากดัลลสเท็กซัสออค่ะ ครั้งนี้ครั้งแรกที่ได้คุยกับพระอาจารย์ขอบคุณที่เมตตาค่ะเพราะว่าฟังมาตลอดอตั้งแต่ตอนท่านอยู่ที่วัดแล้วก็รีฟไลฟสดอะค่ะออแล้ก <ขอ S 1> <ม>็ค่ยฟังมีอะไรไหมมีเรื่องรบกวนพระอาจา ร, รย์สองสมเรื่องค่ะคือเรื่องที่หนึ่งคือเ อ, อ่อเรื่องงานค่ะเพราะว่าส้มต้องย้ายงา น, านเรื่อยๆไม่ไม่เป็นหลักแหล่งสักทีเลยไม่รู้เพราะอะไรแล้วก็ เรื่องที่สองก็คือเรื่องงานเรื่องงานเรื่องงานเรื่องงานทำไมสำคัญสุดมีปัญหาเวลาเข้าไปทํางานก็ก็จะมีปัญหาตลอดเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ทะเลาะเรื่องนู้นทะเลาะเรื่องนี้ทั้งทั้งที่หนูก็ไม่รู้ว่าหนูหนูก็ว่าหนูไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วก็เจหนูไม่เน่งพอถ้าหนูใจหนูเน่งหนูก็ไม่ต้องไปทะเลาะกับใครใครก็จะว่าไงก็ปล่อยเขาพูดไป แต่เขาก็บางทีเขาก็พูดเกินเกินเราก็ปล่อยเขาพูดไปเราห้ามเขาไม่ได้เราบเรา็เราเราบังคับก็ได้บอ ก, บอกเธอพูดแค่นี้ก็พอพูดมากกว่า น, นี้ไม่ได้อืมงั้นเราต้องหันมาทำใจเราอย่าไปแก้ที่คนอื่นแก้ที่ตัวเราค่ะเราทำใจให้นิ่งแล้วต่อไปใครก็จะพูดมากพูดน้อเกินไม่เกินก็ไม่เราก็จะไม่ เ, เดือดราอนนก็แค่อยากรู้ว่าค่ะหนูก็แค่อยากรู้ว่าเออ หนูมไม่ได้ทําอะไรผิดทําไมมันถึงจะต้องมาโยนว่าหนูเป็นคนผิดนี่แหละค่ะคือก็เป็นเรื่องของเขาไปจะทมลายของคนคนก็ชอบโยนความผิดให้คนอื่นอยู่เลยอืก็แต่ว่าเป็นกรรมของเราก็้การที่จะมาเจอคนแบบนี้แต่เราก็สามารถอยู่อยู่กับมันได้ด้วยการอยู่แบบเฉยๆไปมีงานมีหน้าที่ของเราเราก็ทําหน้าที่ของเราไปส่วนใครเขาจะพูดอะไรก็ปล่อยเขาพูดไป แล้วเออแล้วอย่างนี้กําลังจะได้งานใหมท่ที่จะต้องย้ายไปอีกรัฐนึงแล้วงานนี้อยากได้แบบไม่ไม่อยากจะต้องย้ายงานอีกหรือต้องกลับมาทำนู่นทํานี่อีกเพราะว่าอยู่ที่ดารัสมาประมาณอ่าสิบปีแล้วอะค่ะแล้วทีนี้ก็ยังไม่มีงานเป็นหลักเป็นแหล่งจะต้องย้ายไปเรื่อยๆก็เลยแบบกก็็งเเปนรมาหลที่ว่าเป็นกรรมของเราก็แล้วกันะก็เอาไปตามมัน ตามมีตามเกิดมันก็ย้ายก็ย้า ย, ย, ายไม่ย้ายก็ไม่ย้ายเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้เราตา อ, อะไรไปตามความเป็นจริงไปไไเราใจเราจะไม่ทุกย้ายก็ได้ไม่ย้ายก็ได้ แ, แต่เหตุการณ์มันจะพาไปเราใช้คำ ว, ว่าธรรมะจับสันธรรมะจะจัดสันให้เราอยู่ที่ไหนก็ไปกับธรรมะ ก, ก็คิดอย่างนั้นแต่แบบ ก็คิดยังไงมาตลอดแต่แบบว่าก็นอนใจว่าเราไม่ผิดทำไมเราจะต้องย้ายไปแล้วเราจะต้องเป็นคนผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ธรรมจัตสรรได้เราย้ายธรรมจัตสรรได้เราผิดนะก็คิดยังไงก็ได้นะได้ได้ไม่ทุกนะใชเพราะว่าหนูหนูหนูกําลังจะป่วยธรรมจัตสรรก็ก็ย้ายหนูกลับดาราเลยทันทีเล้วย้ายหนูมาเลยทันทีแล้วมันก็วแบบจัตสรรดีมากอะวันเวลาที่หนูมีรถมารับอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เกิสันทุกอย่างแต่แต่บางที Wagner, มันก็มีคําถามก็ขอบคุณที่หลวงพ่อเมตตาบอกว่าทั้งมาจตัดหนูก็จะไม่คิดอะไรมากก็จะไม่คิดมากเลยมันเป็นบิดาของเราเป็นกรรมของเราเนะโอเคนะค่ะแล้วหลวงพ่อมีอะไรจะเตือนไหมครับเพราะว่ามีคนเคยบอกว่ามีมีคนจากเมืองไทยทําของเส่หน กาแฟนอไม่มีเราไม่ได้ไปกลววไม่มีใครทําใครได้เป็นเรื่องเรื่องมงในเชื่อมมังในตัวที่จะทําเร า, าคือกรรมของเราดังนั้นให้เชื่อกำนั้นกดเห็นกรรมนั้นจะทำกรรมอันใดไว้จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไม่มีคใครเลยก็ทําอะไรเราได้นอกจากเราทับตัวเราเองนะโอเคนะค่ะได้ค่ะกติกขอบคุณค่ะคุณวิไล คืเวลาอาจารย์ทันทรินทุไม่ทราว่าอยู่หรือเปล่าถ้ามันอยู่เดี๋ยวจะไปที่ท่านต่อไปก่อนนะมาคุณจอยมาจอยเชยิญ ไ, ไงไงก็นักสการค่ะได้ยินไหมครนนได้ยินได้ยินลุงุงดยนตรกันหมดล้วใช่ไหมฮุ้นนวายอยู่ค่ะยังบุ่นวายอยู่คับ มีอะไรไหมหนูมาอยู่น น, นแล้วนะคะเราย้ายแล้วหรือก็ยังกวันอาทิตย์เนี่ยย้ายของค่ะอ๋อได้งานใหม่เลยก็มาทํามาทําเองเนี่ยอ๋อเด็ก็ขอให้ประสบความสาเร็จ น, น, น, นะทําอะไรก็ขอให้ได้กำใจใหม่ค่ะแต่ว่าจะเข้ามาคุยส่วนกพอาจารย์ทุกวันพุธเลนะคะได้ไดเข้ามาบ่อย เพราะว่าไม่ได้ไปใส่บาทแล้วก็จะเข้ามาคุยสูงไม่มีอะไรเข้ามามีอะไรก็ได้วันนี้ค่ะค่ะวันนี้ไม่มีอะไรค่ะโอเคดีมากให้สุกใกล้สำเร็จให้สุขให้สมหวังนะโคค่ะค่ะค่ะสาธุค่ะคือเวลาที่นีต่อในเวลาทีี่กลับมาสการ์่ออรย์มไม่มีคําถามค่ะวันนี้มาช้าหน่อยงาน คุณเสร็จคะ่ะขออ้อความเสร็จเส ค, ค่ะไม่รบกวนค่ะเดี๋ยวฟังต่อไปคะ่ะโอเคยังไปที่คุณเชลินทอนต่อคุณเชลิทนทอนเชิญนมัสการพระอาจารย์คะ่ะ <laughs> สมมุติว่าเวลาที่โยมนั่งสมาธิอะคะ่ะแล้วมันยังไม่ในช่วงระหว่างที่มันยังไม่รั่วมานะคะคราวนี้เนี่ยมันจะมีความรู้สึกที่ที่ตั้งตั้งอยู่ตรงตรงการตัว น, นะคะโยมอยากจะทราบว่าไอ้ความรู้สึก ที่มันหนักแน่นมั่นคงอยู่ที่กลางตัวนี้มันคือฐานของจิตหรือเปล่าคะพระอาจารย์ไม่ใช่มใช่มันเป็นอารมณ์มันเป็นเป็นสิ่งที่ประจิตปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมันก็จะมีท้ายของจิตคือความสงบท้ายของของจิตคือความสงคือเราก็ดูปล่อยผ่านไปไม่ไม่ต้องอะไรเลสนใจกลับมาดูลมืกลับมาพุดโทของเราต่อไปค่ะแล้วถ้าสมมติว่าพอนั่งไปเรื่อยๆ เราอย่างที่เมื่อกี้มีท่านอื่นที่ถามมาเรื่องเกี่ยวกับน้ำลายอะไรเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเราถ้าสมมติว่าเรานิ่งจริงๆเนี่ยมันสมุติน้ำลายสมุติน้ำลายมันไหลออกมาสมมตินะคะพระอาจารย์แต่คือแต่คือถ้ามันนิ่งจริงๆถ้ามันนิ่งจริงๆมันต้องไม่มันต้องไม่รู้สึกหรือเปล่าคะพระอาจารย์เพราะว่าม่นี่มันจะไม่นับด้วยอะไร มันจะมันจะไม่มีเลยใช่ไหมคะแสดงว่ามันยันลิ่งไม่จริงใช่ไหมคะอืมค่ะไม่มีอะไรแล้วค่ะอาจารย์เท่านี้แลนะค่ะค่ะไว้เราอยู่กับพุทโธอยู่กับลมไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็ปล่อยมันไปอย่าไปยุ่งกัมันค่ะพระอาจารย์ขอบคุณทุกคุณครับอเคุณโรจน์เจอคุณโรจนตาครับนามาสการกลับนามาสกายครับอยู่ที่อยุกิยาครับอุกิทยาครับผม ไม่มีอะไรครับเข้ามาฟังครั้งแรกครับเข้ามาคุย<ม>ปรัชญาครั้งแรกครับพญานีตรรับเนี่ยครับผมก็ขอไปที่ท่านต่อไปเลยนะครับครับคุณไอโฟนหญิงไอ o n นของยืมของยงอ่ะก่อนอันนิวก่อนไม่ได้ยินเสียงอันนิวมากระพรก่อนมีปมอันนิอ่าหายไปไหนเนาะ กับนำ้ำมันสการค่ะพระอาจารย์อ่าโอเคอยู่ที่ไหนจ้าค่ะอยู่สงขาค่ะอำเภอสรเดาค่ะพระอาจารย์ครั้งแรกค่ะวะไรางานตัวนะค ะ, อะพอดอีมีข้อคำถามนิดนึงค่ะตั้งแต่โควิดครั้งที่แล้วอะค่ะเ ร, เราปกติอย่างก็คือทำได้ความอย่างอย่างเร็วนะค ะ, ะอาจารย์มีมีงาน ธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วทีนี้พอโควิดเราก็เลยมาขายออนไลน์ค่ะทีนี้พอมาขายออนไลน์เนี่ยเราก็เริ่มต้นที่จะเริ่มเพิ่งเริ่มนั่งสมาธิมาได้แต่เ้าเดือนเหมือนกันค่ะเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีความคิดย้อนแย้งขึ้นมานิดนึงคือออนไลน์ที่เราขายเนี่ยค่ะมันเป็นอาหารเสริมที่เกี่ยวกับธรรมชาตินะคะเกี่ยวกับธรรมชาติแล้วผลลัพธ์ของมันก็คือทําให้แบบคุณดีทําให้แบบสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ย แล้วเรามีความรู้สึกว่าเหมือนเอลวลาเราไลฟ์สดอย่างเงี้ยเราเป็นการโน้มน้าวเขาอย่างเงี้ยค่ะทําให้เขาอยากหุ่นดีอยากสวยมันเป็นมันจะทําให้เขามีกิเลส ข, ขึ้นมาไหมคะมันติดขึ้นมาหรือ่าเป็นโมะค่ะมันเป็นโมะค่ะเป็นความหลงเป็นความามควสวยงามของร่างกายเมื่อได้มองอความเป็นจริงว่าร่างกายไม่เที่ยงร่างกายสัก ว, วันมันก็ต้องแก่จุดตายไปตามธรรมชาติมัน ก็ไม่เป็นไรมันไม่ใช่ไม่ถือว่าเป็นไม่ไม่ถือว่าเป็นอาชีพที่ที่ไม่จ้าชีพอาชีพที่ไม่ช้าชีพแต้วท่าสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นอขายเล่าขายอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคนดื่ก็ไม่ไม่บาปนะค่ะไม่บไม่ถือว่าเป็นการโลภเพราะว่าเป็นเป็นอาชีพที่หลงยังหลอกลูกยังหลอกให้คนหลงกับความสวยความงามของร่างกายอืมเพราะว่าพอพอเหมือน ปกติเคยเคยไลฟ์สดโดยที่แบบว่าเราพยายามดึงการขายออนไลน์ให้ให้อยู่ในมัดแปดนะคะไม่แน่ใจว่ามันจะแบบให้แบบเออสัมมาอาชีวะเป็นสัมมาวายามะอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เลยกลัวว่าเวลาเราเราเราทําอาชีพนี้นั้นเนี่ยมันจะแบบทําให้เรามีความทําให้คนที่ลูกค้าค่ะมีความอยากแล้วก็มีความมีกิเลสมากขึ้นแล้วเราจะบาปอะค่ะก็มันก็เป็นการช่วยกันทําให้ ติดการเป็นว่าตายเกินต่อไปแต่ถ้าให้เลือกได้ก็คือเราเราไม่ขายก็ดีกว่าไม่ขา ย, ขายจ้าเป็นอาชีพไหม่ขายอย่างอื่นขายยาได้ขายา<อ>ขายารักษาโรคได้นี่ได้<อ>เราจะไปทําเพื่อสริมสวยความงามอืมค่ะอ่าค่ะแล้วก็ข้อต่อไปค่ะอาจารย์ คือแม่แม่แม่ตัวเองอ่ะค่ะแล้วก็คือเเสียชีวิตไปไปหลายปีแล้วว่ะค่ะแต่ตอนที่ขณะที่ตอนนั้นแม่ไม่สบายมากแล้วก็คุณหมอเขาบอกว่าแม่ก็จะไม่ไหวแล้วแล้วก็จะจะฉีดยาให้แม่ค่อยค่อยค่อ ย, ค, อยค่อยหมดลมไปอะค่ะทีนี้คือพี่น้องเราก็พูดขึ้นมาว่าเ อ, อโอเคอะไรอย่างเงี้ยคือตอบตกลงไปแบบนี้บาปไหมคะอาจารย์คือถ้าทําให้เขาตายอย่างบาปแต่ตั้ง ท ำ, ทำโดยที่ว่าเขาหมดแรงของเขาไปเองนี่ไม่บา้าถ้าถ้าฉีดยาเพื่อบรรเท า, าเกอาการเจ็บปวดอะไรเนี้ไม่ไม่บา้าแต่ถ้าไป<อ>ฉีดาเพื่ อ, อให้ให้ร่างกายเขา<ม>เขาเขาหยุดทาํางานนี้ถึงบ้าคือคือหมอก็ฉีดอะไรก็้าไ ใช่จฉีอ์จดโมฟีดนะคะเป็นพวกโมฟีดมันมันเป็นเป็นเหมือนกับเป็นป็นยายาระงับความเจ็บปวดของร่างกายออคถ้าฉีดฉีดพวกไปยาพิษอะไรเข้าไปแล้วก็ทํำให้ตายอ๋อหมอฉีโมฟีนค่ะอ ค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งเวลาเอ อ, อีกข้อนึงแล้วก็เวลาเหมือนเราวิ่งอะค่ะเราเราจะวิ่งไปสวดอิติปิโสไปหรือว่าเราจะบริกรรมพุทโธไปอันไหนจะดีกว่าไหมคะอาจารย์ได้ทั้งสองอย่างแล้วแต่เราจะเช่าคนไหนถนัดคนไหนพอใจไหนก็ใช้นั่นเลยต่อไปกเกิดให้นามีสติอยู่กับการวิ่งไม่ให้ไปคิดไม่ให้ใจลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ แล้วก็การการนั่งสมาธิอะค่ะถ้าสมมติเราไม่ได้นั่งขัดสมาธิเรานั่งบนเก้าอี้อะค่ะเพราะมีปัญหาขวดวนิดนึงได้ใช่ไหมคะอ่าค่ะได้ค่ะหมดหมดหมดคําถามแล้วค่ะพระอาจารย์ต้องกลับกับพวกคุณสาธุค่ะยิมีต้อนรับมีอะไรก็เข้ามาใหม่ได้นะค่ะค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะนั่งฟังปกติจะเปิดคลิปอาจารย์ทุกวันเลยค่ะจะฟังรับเพลินมากเลยค่ะสาธุค่ะ ขอไปที่ท่านตอบไปนะคุณไอไฟโฟไม่ทราบว่าอที่ไหนคุณไอไฟโฟไฟโฟอ่ฟนอันยูอาเชียนพูดได้เลยูดได้นลคนฟฟนุณไอฟผมเหรอครับอ่าพูดได้เลยขอาคุเมียไรครับเข้ามาชมครับมาจากที่ไหนนะเพชรบุรีครับเพชรบุรีนะ ค, ครับ ยินดีต้อนรับันขไปที่ท่านต่อไปนะรเรียวเรียวกรรมฐานนะเรียวเป็นยังไงวันนี้มีอะไรไหมยังยังไม่ได้อัานมิวไกับผมอัานมิว myself just now เรียวกรม ร, ร, uh, ร, กรมฐานครับที่ผกรรมตานแปลว่าอะไร อ, อ๋อนามสกุลของพ่อเนอี่ย ครับอ่าใช่ไหมการมาตการประชารัฐเป็ไงบัตรทลาร้อนเป็นกีน่นิ่นงจะพาสลวงพ่อก็พานิ่งครงดีไม่มีอะไรดีเท่ากับความนิงงมน่ ง, งใช่ไหมความนิ่งความสงบนี้เป็ตามสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงดีนิง่งหลวงพ่อเจ้าขาไม่ อ่าไม่ลูกไม่ไม่ไม่ติดนิ่งไปนะเจ้าค่ะหลวงพ่อไม่เป็นไรติดนิ่งไม่เสียหายติดนิ่งไม่เสียหายเนอกจากเวลาที่มันไม่ควรจะนิ่ง voilà ก็ไม่ควรจะนิ่งใช้เวลาพูปากบางคนก็ควรจะทักทายกันบ้างไม่ยห้นิ่งเฉยไปเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อก็อ่าอย่างอ่าเมื่อกี้ว่าจะไม่ถามถึงหลวงพ่อดึกอ่าเมื่อกี้ลูกมีคําถามเหมือนคล้ e <itel lugares. S 2> ายๆกับที่คุณหมอถามหลวงพ่อเจ้าค่ะอ่าอย่างเวลาที่สามีเขา เขาจะคุยเรื่องโปรเจกต์เรื่องงานเรื่องโปรเจกต์ให้ฟังแล้วลูกก็ยื่นฟังแต่ใจอ่ะมันแยกอะค่ะใจมันใจมันแยกกัใจม่สนไม่สนใจเจ้จจาค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็ต้องมาง<ไ>ให้มันให้มันฟังว่าเขาพูดเรื่องอะไรเดีย๋ยา จ, จะต้องขอคําปรึกษาขอคําถามคําตอบอย่างเราถ้าเราฟังแบบเป็นฝุ่นไปเนี่ยลูกพ่ออาจจะเสียใจได้ ใช่เจ้าค่ะหลวงพอ่อลูกลูกจริงๆเจ้าค่ะลูกจะฟังเหมือนหุ่นหรือบางทีเท้าก็เคยใช้ขยับขยับอตอนนั้วเราต้อ ง, ต, องต้องมาครับเราตอนนี้เรามีหน้าที่ฟังเขาเนืเจ้าค่ะเพราะบางทีเขาบอกอ้าวคุณไม่ฟังแล้วก็รับบางทีลูกก็จะบอกเดี๋ยวเดี๋ยวให้อ่างให้ให้ลูกสมาธิเสร็จก่อนหรืออะไรแล้วเดี๋ยวลูกมาคุยด้วยเองอย่างเนี้ยลูกจะเห็นแก่ตัวมากไปหรือเปล่าเจ้าค่ะ ก็แล้วแต่ถามเขาว่าโอเคไหมแต่ะถ้าโอเคก็ไม่เป็นไรแล้วก็ต้องฟังก็เสียสละบ้างเป็นการทําบุญไปเป็นเวลาให้ก็บ้างสาธุเชิญคก็พอดีลูกก็โชคดีเพราะว่าอย่างลูกก็เลยได้ได้เวลาที่จะกรรมฐ า, านได้ทั้งวันเพราะว่า<ม>งานของเขาเขาก็เหมือนต้องใช้สมาธิเหมือนกันแต่ต่างคน<ม>ต่างแยกกระชั้นพอ<ม>งานออกแบบดีไซน์<ม>เขาก็ เขาบางทีเวลาเราไปพัเขาเขาก็นิ่งกันเขาก็บอกว่าก็แบบสังเกตดูว่าวามาคนควรจะคุยกันเมื่อไหร่ก็รม่ควรจะคุยกันเมื่อไหร่พ่อศาสตร์ศาสตร์พูดเจ้าคะลูกวันนี้ดึกแล้วให้ลงเอาสั้นๆนะเกิดจากห้าทุ่คนะสาสตราร์คุณเกศคุณเกศเชิญเกตเล่งจากร้านแคอะไรนั่น อาจารักการค่ะพระอาจารย์มีอะไรไหมวันนี้ไม่มีเจ้าค่ะแค่มาร่วมฟังธรรมเฉยๆเจ้าค่ะเพิ่งเข้ามาแล้วเข้ามานานแล้วเข้ามานานแล้วเจ้าค่ะพอดีว่าเมื่อกี้ไปส่งวัสถุพัสดุก็อนโอเคยังมีที่ได้ได้หน้านะขอให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆนะอย่าหยุดนะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะไม่เสียคำถามหมดแล้วที่เลือแต่คุณคุนถามมีไหมเฟซบุ๊ก มีทั้งหมดสิบเอ็ดคำถาม<อ>เจ้าค่ะสมยามม่จนจบแบบเอาว่ามาค่ะจากผู้ไม่ประสงค์ออกนานกลับเรียนถามพระอาจารย์มีทั้งหมดสี่คำถามเจ้าค่ะคําถามแรกเวลาที่อยู่กับความว่างเป็นานๆบางครั้งรู้สึกว่าช่วงท้ายๆไม่สามารถจดจอ่อกับความว่างได้อย่างต่อเนื่องหนูควรจะพยายามจดจอ่อกับความว่างต่อไปจนลมหายใจกลับมา หรือควรจะออกจากสมาธิมาเพื่อฝึกสติเพิ่มแทนเจ้าคะก็ฝึกในนั้นก็ได้นี่ถ้าพุทโธมันไม่ยอมมันไม่ยอมว่าเราทขาพุทโธพุทโธขึ้นบริรพุทโธขึ้นไปไม่ต้องออกมาก็ทำต่อไปได้เลยถ้าถ้านั่งฝอยก็นั่งต่อไปนอกจากถ้าไม่ไหวก็ลุกขึ้นมาเดินจงกมต่อไปข้อสองการจดจ่อกับความว่างเราควรดูเฉย หรือควรคอยลีโฟแคสบ่อยๆเจ้าคะความว่ามั น, มน เ, รเราไม่ต้องทำอะไรถ้ามันว่างเราก็เพียงแต่ักแต่ว่ารู้ไปเท่นังข้อสามหากเห็นเป็นเหมือนคลื่นม้วนไปมาตรงความว่างและได้ยินเสียงน้อยลงหนูจะรู้เฉยๆอันนี้เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องไหมเจ้าคะแสะดง ว, ว่ามันยังไม่ว่างจริงนะถ้ามันมีอะไรโผล่ขึ้นมาแสดงว่าจิตมันไม่ว่าง ข้อสรบกวนท่านพระอาจารย์เติมเกี่ยวกับสติที่แท้จริงและจะทราบได้อย่างไรว่าเราจเจริญสติถูกต้องเจ้าคะก็เคยจิตอยู่ในปัจจุบันสักแต่ว่าเราไม่คิดปูแต่งนะเน่ยเร่อสติที่ถูกต้องคาถามต่อไปจากคุณสีการสอบถามเรื่องการภาวนาในเบื้องต้นกับผู้ปฏิบัติท่านอื่นเหมาะสมหรือไม่ หรือควรสอบถามครูบาอาจารย์กลับขอบพระคุณค่ะก็ถ้าถ้าได้จากใครก็ได้ที่ทำสอนเราได้แล้วก็มันก็โอเคถ้าเป็นความรู้ที่ถูกต้องถ้าเราไม่มั่นใจก็หารูบาอาจารย์ที่มีชื่อมีเสียงจะดีกว่าเพราะว่าคนที่เขาไม่มีชื่อมีเสียงวความรู้กขเขาอาจจะไม่แม่นยาก็ได้ดีที่สุดก็ศึกษาจากพระพุทธเจ้าหาหานังสือ อ่านจากพระตไตรปิฎกธรรมะที่เขาคัดจ อ, ม ก, อดกมาพระไตไปดฎกมาอ่านาะา น, นะหลักสูตนักธรรมตรีเก็ก็จะคัดธรรมะต่างๆออกมาหัวข้อธรรมต่างๆคำถามต่อไปจากคุณขันชิดกลับเรียนถามพระอาจารย์ขอรับถ้าเรามีความอยากในการมาลาคตันหาอยู่เราจะนั่งใจ ส, สงบเป็นสมาธิไหมขอรับถ้ามันมีตันหาอยู่มันก็ไม่สงบ ย้ายมันสงบก็ต้องให้กลับจัดปัญหาออกไปก็เช่นให้ดูภาพไปดูภาพที่ไม่สวยไม่งามของร่างกายแล้วเดี๋ยวัญหามันก็จะระงับตัวลงแล้วมันก็สามารถนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้คาถามต่อไปจากคุณทีธนาด้วยสถานการณ์โควิดโยมต้องอยู่บ้านและขณะเดียวกันลูกสาวต้องออกไปทำงานข้างนอก ทั้งๆ ท, ที่ปฏิบัติธรรมทุกวันทำไมถึงยังมีความวิตกกังวลอยู่มากเพราะห่วงลูกแต่บางทีก็วางได้สลับกันไปมาเราควรสอนจิตยอย่างไรเพื่อให้ปล่อยวางและพ้นทุกข์ได้คะก็ต้องพิจารณาความไม่เที่ยงอนิจจงต้องเป็นการพัาท่าจากการเป็นธรรมดาจะเจสอนให้เราหมัดคิดอยู่เยเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาย่อมพ้นไปไม่ได้ ต้องมีการท้าท่าจากการเป็นธรรมดาให้พิจนารณาอยู่เนื่องๆแล้ใจก็จะปล่อยวางาและไม่ทุกข์ไม่ขมวนกับ mm hmm. อาการต่างๆคาถามต่อไปจากคุณกัลยาณีกราบเรียนถามพระอาจารย์การอุทิศบุญให้ผู้ร่วงรับนอกจากบุญที่ทำปัจจุบันแล้วอุทิศให้ยังสามารถระลึกถึงบุญที่เคยทำมาแล้วแล้วนำมาอุทิศให้ได้หรือไม่คะ กราบขอบพระคุณค่ะบุญที่อุทิศไปแล้วมันกลายเป็นบุญเก่าแลนะ้วถ้าเป็นอาหารก็อาหารเก่า เ, เน้นเนึ่งกลัวก็จะไม่รับเลยเขาอยากจะรับอาหารใหม่เวลาใครเขาให้อาหารเร า, เราก็อยากจะกินอาหารใหม่อาหารเก่าเนี่ยเขไม่อยากกินกินถ้าอยากจะอุทิศบุญก็อยากที่เหนียวเลยก็ไปทําบุญนะทําบุญธรรมาทําบุญใหม่แล้วก็อุทิศไปไมดีกว่า คำถามต่อไปจากคุณมาลินีหนูมีคำถามแบบคนโง่าถามนะคะการจะไปถึงนิพพานจะต้องบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ก่อนใช่ไหมคะกลับขอบพระคุณค่ะนั่นนะถ้าไม่เป็นพระอาหารหันต์ก็ยังไปถึงนิพพานไม่ได้พระอาาริยะอันดับนี้ยังไปไม่ถึงนิพพานพระสวสดา์บันยังติดอยู่การกลับเมื่เกิดในกรรอมาพบอยู่พระามมาเศรษฐีดาคาเป็นตัมมะเขื่ในการมมพ ผ้านาคาก็ไปติดอยู่ที่รูกระพบเนื้ อ, อรูปต้องไปพราหารถึงจะออกจากไตภพได้และเข้าสูา่ิรานได้คำถามต่อไปจากคุณเตเต้วัฒญญาเรียนถามพระอาจารย์ค่ะทำงานด้านการแพทย์รู้สึกชินกับสภาวะศพคนเสียชีวิตจะพิจารณาอสุภาอย่างไรถึงได้ผลคะก็ต้องดูดูดูด ดูอยู่ บ, ยบ่อยแล้วก็เอาไปใช้กับคนที่เรารักเราชอบเวลาเราไปเห็นแฟนเราก็คิดถึงเขาเป็นซากุดไปแล้วมันก็จะทำให้เราคลายความรักความชอบในตัวแฟนของเราได้คำถามสุดท้ายจากคุณเพ็กกี้นนท์ขอโอกาสกับเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะคือจิตยังหวงเวลาที่จะนั่งสมาธิเจริญภาวนา แต่ก็กลับอยากจะนั่งถักโคเชหมวกพระและถุงเท้าเพื่อถวายพระและแม่ชีการจเจริญภาวนาเลยไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรควรจะเลิกถักแล้วมาใช้เวลาปฏิบัติดีไหมเจ้าคะแต่ทานบา ร, รมีก็ยังอยากได้อยู่เจ้าค ะ, ะระหว่างทานกับภาวนานี้ต้องต้อ ง, ต, องต้องแบ่งกันถ้าเราจะเอาทานบา ร, รมีเราก็จะไม่มีเวลาไปภาวนานถ้าเราจะไปภาวนาเราก็ต้องระ ง, งับทาน การทําบุญทาทานไว้ก่อนแล้วทําทีเดียวให้มันเสร็จไปเลยมีเงินกี่บาทกี่ก็บริจาคแย้มมันหมดเลทีเดียวจะ ไ, ได้ไม่ต้องม า, ามกังวลเรื่องการทําทานอีกต่อไปทำตามหมดแล้วนะหมดแล้วเจ้าค่ะคิดว่าวันนี้ทุกคนก็ได้ถามคําถามมันพอสมควรนะแล้วเวลามันก็ค่อนข้างจะดึกประมาณห้าทุ่มครึงนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา